ที่หกสิบฝากลมพริ้มรมโชยผ่านฝากทานรึใครไม้ป่าช่วยกล่อมบินยาช่วยปลอบทิวาทวิญหาเธอดารินวรารินรู้สึกกายเปิดเปลือกตาสว่างโพรงขึ้นพี่ชายสองคนและเพื่อนชายอีกหนึ่งกำลังรายล้อมอยู่แล้ว ทุกคนจ้องมาเป็นตาเดียวเชษฐากำลังเอาสำลีมีกลิ่นของแอมโมเนียแววงผ่านจมูกของหล่อนแง่ซ า, ายหล่อนหลุดฝากอุทานออกมาละล่ำละละักเขาไปไหนแล้วเอ๊ะก็เมือ่อตะกี้นั่งอยู่ข้างๆน้อยนี่เชษฐาอนุชาชัยยันมองหน้ากันอยู่ไปมาพี่ชายกลางจุปากเบาๆอะไรกันแง่ า, ายที่ไหนน้อยนี่จะเพ้อใหญ่ละ เดินขึ้นจากลำห้วยมานั่งรอพวกลูกหาบอยู่ตรงนี้อยู่ไม่อยู่ตะโกนเรียกชื่อพ่อยอดชายนายละพินขึ้นมาแทบป่าแตกแล้วก็ล้มหววเป็นลมไปพอแก้ไขฟื้นขึ้นมาได้ดันถามว่าแงซาอยู่ที่ไหนดารินว巴拉ริทพรวดพราดลุกขึ้นนั่งทันทีท่ามกลางลาวป่าทึบซึ่งพักพวกทุกคนและขบวนลูกหาบทั้งหมดมารายล้อมรอบตัวอยู่กรอนเอามือกุมศีรษะเอ๊ะนี่น้อยเป็นลมไปหรือคะ เธอเหนื่อยมากน้อยหมดแรงล้มลงไปเฉยเฉยชัยยันบอกราชสกุลสาวขาหมดคิ้วพยายามลำดับภาพสะบัดหน้าอยู่สองสามครั้งแล้วยันกายลุกขึ้นยืนโดยเร็วพี่ชายทั้งสองเข้ามาประคองไว้รู้สึกดีขึ้นแล้วยังตอนนี้ง้ายหมดสติไปนานสักเท่าไหร่คะนี่หล่อนถามพร้อมกับยิ้มจิตจือเตือบดูนาฬิกาข้อมือก็ไม่นานหรอกสักห้าหกนาทีมั้ง พวกเราแกะอรอยระพินแยกทางกับพวกลูกหาบมาดักรออยู่ตรงนี้อยู่ไม่อยู่น้อยก็เป็นลมพับไปขยินนำลูกหาบมาถึงที่นี่พอดีหลอนกระพริบตาแล้วฟื้นหัวเลาะเหล่าขาไม่ยักรู้ตัวเลยตอนจะลืมตาขึ้นมานี่พ้อเห็นแง่ทรายมันนั่งอยู่ที่ขอนไม้ใกล้ๆนั่นแล้วก็ร้องเพลงอะไรให้ฟังแต่พอลืมตาก็เห็นพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยันกาลังจ้องตาเป๋งอะเออ ภาพหลอนมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้น้อยสบายดีแล้วค่ะและพวกลูกหาบก็มาถึงพอดีออกเดินทางกันต่อเถอะกล่าวจบหลอนก็ก้มลงไปหยิบไรเฟิลประจำมือของตนที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาแง้มลูกเลื่อนเปิดดูกระสุนในลังเพลิงอากาบกริยาแข็งเกร ง, ง, งว่องไวเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นการฝืนบ้างก็ตามถ้างั้นไปกันช้าๆตามสบายก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะ เชิดาบอกขึ้นรวมๆแล้วกดแขนชัยยันผู้กำลังจะอ้าปากพูดอะไรเชิงทักทวงไว้บังคับให้สงบปากคำเสียก่อนเพราะรู้นิสัยของน้องสาวดีอยู่แล้วขืนใครไปทวงหรือแสดงความห่วงใยอะไรหรอนในเรื่องนี้หล่อนจะยิ่งรัน้นมุมานะโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิน้นซึ่งจะยิ่งมีแต่ผลร้ายมากกว่าผลดีลงจับทิศทางรู้หมดทุกฝีก้าย่างของรพินแบบนี้แล้ว ก็คงไม่ยากหรอกไปเราไปพร้อมๆกับลูกหาเป็นขบวนนี่แหละไม่ต้องแยกกันอีกแล้วน้อยก็เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาสังเกตตัวดูอะไรให้เสียเวลาพรานชดกับนานอินอยู่ทั้งสองคนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาดีกว่าฉลองมาเดินกับพี่และชัยยันกล่าวจบพี่ชายใหญ่ก็เข้ามาประคองไหลไว้การเดินทางเริ่มต้นอีกท่ามกลางป่าทึบอันเต็มไปด้วยไออับของใบไม้ที่ทับถมหมักหมมและ กลิ่นว่านอันไม่น่าพิสมัยโชยกลุ่นน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นโดยการรู้หน้าที่ดีกันอยู่แล้วนั้นอินลงไปคุมอยู่ท้ายขบวนเบื้องหน้าพรานชดกับหม่อมพรานชดหรือหม่อมราชวงอนุชาวราริแกะอรอยนำต่อไปโดยไม่แต่ไม่ทิ้งระยะห่างนะสามคนเชิฐาดารินและชัยยันตามหลังส่วนตรงกลางก็เป็นขบวนของลูกค่ะที่มีขยินคอยเป็นคนอานวยการคุมกนอยาง ไว้วางใจได้อีกคนนึงการติดต่อระว่างอนุชากับผู้เดินหน้าและหนานอินผู้สังเกตอะไรไปตลอดทางร้างท้ายใช้วิทยุซึ่งจะพูดัเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเชิฐาและชัยยันเดินขนาบดารินไว้ใจกลางคอยสังเกตอาการหลอนไว้ทุกขณะแต่ก็เห็นว่าน้องสาวเล็กบุกบันต่อไปได้อย่างทรหดด้วยใจสู้ไม่มีท่าทีว่าจะล้มพับลงอีก แต่งเงียบขึมและซึมไปรอยที่เคยผ่านไปล่วงหน้าก่อนแล้วของคณะอเมริกันซึ่งมีจํานวนคนเป็นกองคาราวานใหญ่ยว่าจะมือขนาดอดีตพลานชดลื่นหนานอินเลยต้องให้นักเดินป่ามือใหม่สมัครเล่นก็พอจะเห็นได้ชัดสำหรับภูมิประเทศตอนนี้อีกประการหนึ่งก็เป็นการเดินกันไปอย่างไม่เฉลียวคิดว่าใครจะติดตามมาและไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนกลบรอยใ ด, ดทั้งสิ้น เศษวัสดุต่างๆที่ทิ้งไว้เป็นระยะระยะรอยฟันบากกิ่งและลำต้นไม้โดยพรานพื้นเมืองของรพินจึงปรากฏฟ้องให้เห็นจะแจ้งแม้จะมีเส้นทางด่านแยกไปได้หลายสายมากมายก็ตามเสียงอนุชาผู้เดินเลาะลัดไปตามเส้นทางด่านระหว่างพงรกชัดวิทยุบอกมาว่าทุกคนหิวกันหรือยังครับสำหรับอาหารมื้อกลางวันถ้ายังพอทนไหวผมอยากให้พ้นเรียนป่ารกทึบนี่เสียก่อน อีกสักครู่เราจะไต่ขึ้นไปบรรจบกับด่านช้างเรียกไปตามไหลเขาบนนั้นเหมาะที่จะหยุดพักทานอาหารกันมากกว่าพอเวลาอีกไม่เกิน45นาทีเท่านั้นไม่ต้องห่วงกลางเดินต่อไปเธอบริเวณนี้มันไม่เหมาะเลยดูอากาศมันเป็นพิษยังไงพี่กนเอาให้ถึงที่โปร่งโล่งเะก่อนค่อยพักเทฐาต่อไปทั้งหมดเคลื่อนกันไปเงียบเงียบและครั้งหนึ่งก่อนจะไต่เนินขึ้นสู่เส้นทางใหญ่อันเป็นด่านช้าง เกอนุชาเอามือตบขาางเกงตะโกนไล่โชว์ขึ้นดังๆครั้งหนึ่งทุกคนได้ยินถนัดแล้วก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถามไปก็ได้รับคําตอบว่าเขาไล่เสดาวตัวหนึ่งซึ่งนอนหมอบดักเส้นทางด่านอยู่บนคาคบของต้นไม้ใกล้ๆของเส้นทางอันจะเดินผ่านแขณะนี้มันได้กระโจนลงพื้นดินเผ่นแนบหนีหายไปแล้วเอาก็พ่อสิแล้วพินก็ลัพินเถอะลานชดของเราก็ย่อยไปเสเมื่อไร่ ขนาเสือดาวพ่ อ, อยังจะเพื่อไล่ได้เลยแบบนี้สบายได้แล้วน้อยชา ย, ยันพูดกับดารินเบาๆพร้อมกับยิ้มหวังจะชวนคุยให้หล่อนสั่งจากการเดินอย่างซึมๆมากกว่าราสกุลสาวไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มชิดๆให้นิดหนึ่งเส้นทางเป็นไปตามที่อนุชาวิทยุบอกมาทุกอย่างพอตัดขึ้นจากบริเวณหุบลึกนั้นก็ไต่ทางชันขึ้นมาเป็นลําดับจนบรรจบกับด่านช้าง ที่พาดไประหว่างเทือกเขาต่อเทือกเขาเส้นทางเดินสะดวกขึ้นมังคุเทศข้างหน้ายัางไม่ยอมหยุดคงเดินนําไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ทอดขึ้นลงสูงๆต่ําๆนั้นและชั่วไม่นานระยะที่มองเห็นกันที่มองเห็นหลังกันได้ทุกขณะทุกคนก็เห็นเนินเขาที่ค่อนข้างจะโล่งเลียนไม่สูงเกินไปนะดักอยู่ทางซีกซ้ายมือส่วนต่ําลงมาทางด้านขวาก็คงเป็นเส้นทางดานที่เลี้ยวอ้อมเนินไปนั้น โดยเละไปตามขอบเหวที่ลึกด้วยยอดไม้ใหญ่ตำแหน่งนั้นเองอนุชาหยุดยืนพิจารณาอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ลักษณะเกือบจะกลมก้อนหนึ่งซึ่งพิงอยู่กับโคนไม้ใหญ่ขนาดห้าหกคนอกเขาเดินวนอยู่รอบรอบหนีบไลเฟินไว้ในซอกแขนควักบุหรี่เอามาจุดสูบเมื่อเชิฐาดารนและชัยยันตามเข้ามาถึงก็ถามกันว่า อะไรหรือกลางมีอะไรน่าสนใจยิ่งกว่าน่าสนใจซะอีกอนุชาตอบครืมครืมพยักหน้าเป็นอย่างก้อนหินที่พิงติดอยู่กับโคนพยาไม้นั้นแล้วบอกต่อไปว่าลองพิจารณาดูให้ดีสิว่าหินก้อนนี้มาพิงอยู่กับโคนไม้นี่นานสักเท่าไหร่ละรอยกริ้งลงมาจากเนินนั่นเห็นชัดและอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับรอยถลอกของโคนไม้ที่มันกริ่งลงมากระทบ ลำต้นเปลือกฉีกยับให้เห็นอยู่ทนโท่โน่นทุกคนจ้องมองเป็นตาเดียวอย่างสนเทใจพอดีกับคณะลูกหาและขยินและหนานอินเดินเข้ามาถึงพรานครูผู้เท่ามองที่ก้อนหินและโคนไม้แล้วแหงมองไล่ลากขึ้นไปตามเส้นทางเทชันของภูเขาหินเบื้องหน้านายแกล้องออกมาเบาหน้าตื่น ไอหินก้อนนี้มันกลิ้งลงมาจากเนินลูกนั้นมาตามเส้นทางแล้วก็มาหยุดอยู่ที่โคนไม้นี่ชนต้นไม้ใหญ่กับโค่นไปที่เดียวแหละแหละที่โคนไม้มันแหลกยับทีเดียววะมันกลิ้งลงมาได้ยังไงนี่ไม่กี่วันมันนี่เองทั้งคณะไม่ว่าจะฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกหาทั้งหมดสำเนี๊ยกได้กับร่องรอยของความผิดปกติสามมันนี้ได้ทุกคนต่างยืนพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนไปยังหินประหลาบก้อนนั้น แนวทางที่มันกลิ้งลงมารวมกับพื้นภูมิประเทศเบื้องหน้าเอาละเดี๋ยวค่อยสำรวจกันให้ถี่ถ้วนละเอียดอีกทีว่าอะไรมันเป็นอะไรตอนนี้พักกินอาหารกลางวันเอาแรงกันไว้ก่อนเจศฐาออกคําสั่งแก่ทุกคนขบวนเดินทางหยุดพักลงชั่วขณะเพื่อบรรจุกระเพาะพอให้มีแรงโดยจะใช้เวลากันอย่างรวดเร็วที่สุดอนุชานะั้นทํางานแข่งกับเวลาอย่างเห็นชัดเพราะไม่ยอมเสียเวลาเปล่าอาหารกระป๋องในมือหนึ่งกระป๋อง ถือใช้ช้อนตักกินไปพรางตนเองก็เดินแยกจากพรรคพวกที่นั่งพักทานอาหารรวมกลุ่มกันอยู่เดินเกรยตัวดูลอยไปเรื่อยๆ่อยในรัศมีที่พอมองเห็นกันได้เรื่องหลังถอดออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวคงมิแต่ไรเฟิลซึ่งทิ้งห่างตัวไม่ได้สะพายหลายและวิทยุติดตัวเท่านั้นขยินกับนานอินพยายามอ้อมดูตามโคนไม้ใหญ่ที่หินก้อนนั้นมาสิน้นฤทธิ์วางพิงอยู่ เผื่อจะพบวี่แววว่ามันได้บททับอะไรไว้บ้างหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นอะไรเชษฐาชัยยันและดารินกินไปพลางก็มองตามหลังพลานชดไปพลางสังเกตเห็นขมุนตัวไปรอบๆแล้วเดินไปช้าๆตรงไปยังตำแหน่งเนินหินสูงอันควรจะเป็นที่กลิ้งลงมาของหินใหญ่ลักษณะสันฐานเกือบจะ ก, กลมก้อนนั้นแล้วก็ไปหยุดอยู่ยัยงบริเวณตีนเชิง ตรงตำแหน่งที่จะแยกอ้อมไปตามด่านช้างขวามือก้มลงนั่งพิจารณาอะไรอยู่มีอะไรน่าสนใจหรือกลางชัยยันวิทยุพูดขึ้นมีมากทีเดียวระยะที่เห็นตัวกั้นห่างลราห้าสิบหกสิบหลาสี่สิบห้าสิบหลาทุกคนเห็นอนุชาย่อนตัวลงนั่งกินอาหารไปพลางก็ตอบลงมามด้วยเสียงอู้อี้เพราะเคี้ยวเนื้อกระป๋องเต็มปากตำแหน่งที่ฉันนั่งอยู่นี่ มีรอยกลุ่มของพวกอเมริกันมานั่งพักกันอยู่ก้บนบุรี่เกลือนไปหมดส่วนเส้นทางด่านที่ล้อ้อมเนินนี้ก็มีรอยพวกลูกหาของพวกเขาพากันเดินไปวินิจฉัยลูกการว่ายังไงเชิดถาถามขึ้นไปสั้นๆผมว่าระพินกับพวกนายจ้างทุกคนมานั่งพักกันอยู่ตรงนี้ช่วระยะเวลาเนึ่ยประมาณ2 0่สถึงสานาทีโดยปล่อยให้พวกลูกหาพลุ่งหน้าไปก่อนตามเส้นทาง และพวกนี้พากันไตเนินขึ้นไปมีรอยหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นกลิ้งลงมาจากเนินลูกนี้แหละสวนลงมามีรอยกระแทกโคดหินเล็กๆแถบนี้แตกยับละเป็นทางไปทีเดียวจะดูแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าหินที่กลิ้งลงมานั้นจะบททับเอาใครเข้าคงจะหลบกันได้ทันเอาละครับไม่ต้องใจร้อนทานอาหารกันให้สบายและพักผอให้หายเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวินิจฉัยอีกที ผมจะนั่งปากหลักอยู่ตรงนี้แหละเรามองเห็นกันอยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อประเดี๋ยวถ้าจะเคลื่อนกันเข้ามาให้ลุงอินหิ้วเครื่องหลังมาให้ผมด้วยเพราะผมจะไม่เดินย้อนลงไปอีกแล้วโดยเครื่องมือสื่อสารคือวิทยุที่นําติดตัวมาด้วยช่วยให้ติดต่อกันได้อย่างสะดวกเหมือนนั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆทั้งๆที่ฝ่ายหนึ่งแยกห่างกลุ่มออกไปแล้วก็ตามระยะนี้ตามปกติแล้วจะพูดอะไรกันไม่ได้เลยถ้าปราศจากวิทยุ นอกจากจะใช้ตะโกนให้สัญญาและตะโกนเรียกกันเท่านั้นแต่นี่คุยกันได้เบาๆอย่างสบายได้ยินคำบอกเล่าเช่นกันดารินก็รีบกินอาหารโดยเร็วเพื่อจะได้ไปสมทบกับพี่ชายกลางเช่นในทันทีจนเชษฐาต้องเตือนว่าใจเย็นๆน้อยไม่ต้องลุกขึ้นลุกดีลุกลวนนักหลอกเห็นกันอยู่แล้วว่าร่องรอยของพวกนั้นเท่าที่เราตามมานี่ก็พบชัดอยู่ทุกระยะจะหลับตาเดินเห็นเหตุการณ์ทุกขณะ วพวกเขาทาอะไรกันที่ไหนบ้างหรือบางทีก็แทบจะอ่านได้ถึงความรู้สึกนึกคิดอะไรนั้นๆทีเดียวดารินสงบอาการกระสับกระส่ายลงแต่ในใจอย่างเร่าร้อนน้อยว่าพวกนั้นเจอเหตุการณ์ร้ายเขา้าอีกแล้วค่ะตรงจุดที่พี่กลางนั่งอยู่นั่นแหละมันหมายถึงไ่ก้อนหินนี้กลิ้งลงมามันกลิ้งลงมาเพื่ออะไรจากกําลังของอะไรก้อนไม่ใช่เล็กเลยนี่สมมุติว่าถ้านั่งรวมกลุ่มอยู่อย่างที่พวกเราสามคนนั่งอยู่นี่ และหากหลบกันไม่ทันก็แปลว่าจะต้องแหลกหมดทั้งสามคนหลอนผู้ดเด้น้ำเสียงที่พยายามให้ปกติที่สุดแต่ก็ไม่เห็นกลางรายงานมาว่ามีการบาดเจ็บล้มตายของพวกนั้นเลยนี่้าแสดงว่ามันกลิ้นหล่นลงมาเฉยๆทำอันตรายใครไม่ได้เลยแ ล, และไม่ว่ามันจะกลิ้งลงมาจากตำแหน่งไหนเพราะอะไรก็แปลว่าพวกนั้นไว้ทันหลบหลีกกันได้ทั้งหมด ยันว่าประเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กลางและจะเห็นเองเชษฐาบอกต่างเห็นอนุชาคงนั่งอยู่ที่เดิมกินไปพลางก็แงนมองขึ้นไปบนเนินนั้นอย่างใคร่ครวนเห็นแก่งแง่โขดหินงอกอยู่ทั่วไปตามหนทางที่เป็นลูกเขาย่อมย่อมลักษณะเหมือนเนินป่าหินนั้นส่วนทางด้านนี้ดารินอิมก่อนทุกคนแม้แต่พวกลูกฮะร่อนดื่มน้ำและใช้กล้องส่องทางไกล จบไปยังร่างของพี่ชายกลางก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเงยกล้องสำรวจสูงขึ้นไปตามลำดับยังเนินของป่าหินด้วยกำลังขยายของกล้องผลิตในเยอรมันขนาดเจ็ดเท่าซึ่งกระทัดลัดแต่เลนชัดคมใสแจ๋วไม่มีอะไรนอกจากก้อนหินใหญ่น้อยและหนทางตรงกลางอันเป็นเส้นทางเดินขึ้นลงของสัตว์ป่าทุกชนิดหลอนลดกล้องลงแล้วส่งให้ชัยยันผู้อิ่มตามหลังมาในระยะใกล้ ช ย, ยันรับมาแต่ยังไม่สนใจที่จะส่องดูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มองด้วยตาเปล่าแล้วเอาบุหรี่ออกมาสูบนั่งพักหล่อนจึงหยิบวิทยุเปิดตั้งอยู่ตรงหน้าขึ้นมาถือพี่กลางคะเราจะเห็นแล้วหรือยังว่าไอหินก้อนนี้ตำแหน่งเดิมมันอยู่ที่ไหนบนนู้นนั่นแหละจุดใดจุดหนึ่งแนวริมทางระหว่างกึ่งกลางก่อนจะถึงยอดข้างบนนู้นเดี๋ยวเราจะทดลองขึ้นไปค้นหาแหล่งที่ตั้งเดิมของมัน อยเพิ่งขึ้นไปตามลําพังจนกว่าพวกเราทางนี้จะไปรวมกับเธอก่อนพี่ชายใหญ่ออกคําสั่งครับพี่ใหญ่ลุงอินแกกินข้าวเสร็จแล้วยังขอให้ผมพูดกับแกหน่อยเสียงน้องชายกลางดังถามมาจากลำโพงเล ข, ของวิทยุมือถือเชิฐถาหันไปดูก็เห็นนานอินเอาผ้าขาวมาเช็ดปากเดินเข้ามาจึงส่งวิทยุของเขาไปให้ว่ายังไงพารานชดนานอินกดขียพูดออกไปได้วยเสียงค่อนข้างดังของแก ลุงเคยขึ้นไปบนยอดเนินหินลูกนี้มาบ้างหรือเปล่าเสียงอนุชาถามพรานเท่าคู่ใจลงมาเฮ้ยข้างบนไม่มีอะไรลอกนย้ยนอกจากแอ่งน้ำซับเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวในละแวกนี้ก่อนจะถึงตะเคียนทองถ้านายละพินกับพวกจะไต่ขึ้นไปบนนั้ น, น, น, น, นก็แปลว่าแกคงจะไปหาน้ำนั่นแหละคงแวะขึ้นไปเอาน้าละมั้งมีรอยพวกนั้นบางส่วนเดินขึ้นไปบนนั้นจริงๆด้วย โดยแยกกับพวกลูกคฮะทายไม่ถูกว่าระหว่างที่พวกขึ้นไปบนเนินกับพวกที่เดินแยกไปตามด่านช้างจะรอกันหรือเปล่าหรือว่าต่างฝ่ายต่างแยกทางกันโดยมีจุดพบกันที่ไหนสักแห่งข้างหน้ามันอย่างที่เราตามกันมาแล้วเมื่อตะกี้นี้คําพูดโต้ตอบของอนุชาและครูพรานโดยวิทยุเชษฐาดารินและชัยยานันได้ยินและเข้าใจโดยตลอด ต่างสงบฟังการหาหรือระหว่างคนทั้งคู่อยู่นานอินว่าในละพินคงไม่ฟ้าคงไม่พาฟันหลังพวกนั้นขึ้นไปบนเนินเพื่อจะแยกตัดทางไปดักพบ ก, กับพวกลูกหาบลรอกเพราะถ้าลงจากเนินไปอีกฝากหนึ่งมันเป็นป่าไม่น่าเดินเต็มไปด้วยตอหลุมแล้วก็ไม่ใช่ทางลัดด้วยนานอินว่าคงจะขึ้นไปเอาน้ําหรือตวรวจดูอะไรหลังจากนั้นก็คงจะย้อนกลับมารวมกับพวกลูกหาบไม่ก็ปล่อย ให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดินตามหลังถ้าอิ่มท้องแล้วก็หายเมื่อยขากันบ้างแล้วก็เข้ามาดูได้เลยทุกคนอนุชาบอกเป็นประโยคสุดท้ายทางวิทยุเชษฐาชัยยันกับพวกลูกหาบเตรียมตัวดารินนําปราดขึ้นไปก่อนแล้วหล่อนสาวเท้าไตา่ขึ้นเนินเพื่อจะตรงไปหาพี่ชายที่เห็นนั่งอยู่อย่างรีบร้อนตาก็มองไปยังเนิน และลูกเขาหินล้วนย่อมๆนั้นอย่างกลางขาอยู่ในใจขณะนั่นเองหล่อนเห็นอะไรชนิดหนึ่งปรกากฏตัววูบขึ้นมาหมอบอยู่บนโขดหินใหญ่เบื้องหลังของอนุชาผู้ยังนั่งหันหลังอยู่เหมือนอยู่ไม่อยู่ก็มีใครนําสิ่งนั้นขึ้นไปตั้งไว้ฉะนั้นระยะมันไม่ห่างออกไปมากนะักจึงทําให้มองเห็นได้อย่างถนัดแสงตะวันบ่ายที่สุดเป็นลำลงมาทําให้ริ้วเหลืองสลับดําปรกากฏ่าชัดผิดประจากสีของหินไม่มีปัญหา คงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรแล้วและขณะนี้คงเพ่นจากที่ใดที่หนึ่งด้านหลังอันสลับซับซ้อนของบริเวณดงหินนั่นขึ้นไปอยู่บนยอดสูงเพื่อหมายจะกระโจนใส่อนุชาทางด้านหลังซึ่งต่าลงไปไม่เกิน4ีห้าหลาหันหลังให้มันอยู่สภาพของมันหมอบหูเอ็นลูกไปข้างหลังดารินวราฤทธิ์ชะนักกระทันหันหลอนไม่มีเวลาป่ออีกแล้วนอจากการตัดสินใจที่เฉียบขันและรวดเร็วตามนิสัยจุดสามเวทแม็ ที่เนีบอยู่ในซอกแขนตวัดบูบขึ้นบานในพริบตาศูนหน้าแตะฉับกับศูนย์หลังโดยไม่จำเป็นจะต้องจัดระเบียบให้มันได้กึง่งกลางใดๆทั้งสิ้นนิ้วของราชกุลสาวก็กระดิกเสียงกระสุนไรเฟิลประเภทแม็กนัมแพรเปรี้ยงสะเทือนซ่าทั้งดงก่อนที่ใครจะทันสังเกตเห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสะดุง้งผู้วัดผวาขึ้นทั้งตัวเพราะอยู่ไม่อยู่ก็มีเสียงไรเฟิลจากดารินซึ่งล้วนต่างคิดว่าหล่อนคงเผลอเลยทำปืนลั่นทั้งสิ้นภาพเบื้องหน้า ลายพาดกรอนใหญ่ตัวหนึ่งกระโจนลอยสูงขึ้นไปบนอากาศแล้วพริกตีลังกาคว้างเพราะแรงเพนของมันเองประกอบกับหัวกระสุนที่แล่นผ่านตัดประสาทสําคัญกลางศีษะอนุชาก็ดูเหมือนจะสําเนียกไวทันในบัดดลเหมือนกันเขาพุ่งตัวจากตําแหน่งที่นั่งอยู่ไปคว่ำพังพ้าอยู่เบื้องหน้าห่างจากที่ประมาณสองวาเซมันกระโจมพริบตาเดียวเท่านั้นที่ล่างอันยาวเหยียดน้ําหนักลาวเข้าสารสักสองกระสอบรวมกัน หล่นตุ้มลงมาตรงหน้าคือเขานั่งอยู่อึดใจที่แล้วช น, นิดที่ถ้าไม่เคลื่อนย้ายตัวเองเสียก่อนช่วนหนึ่งในสิบของวินาทีร่างของเขาคงจะถูกมนหล่นลงมาทับคอหักแน่เสียงเันกระแทกพลากลงมาจนแผ่นดินบริเวณนั้นสะเทือนไปหมดในลักษณะอาส่วนหลังลงพื้นตีนทั้งสี่ข้างทีบตะกายอากาศช ง, งักพลาดพล า, าดแล้วดินหมุนเป็นวงกลมในลักษณะเกรงไปหมดทุกส่วนอนุชาเพนลุกขึ้นยืนจ้องจังงัง ยังพักพวกที่เพิ่งจะเก็บข้าวของกันเสร็จและเงยหน้าขึ้นไปอุทานออกมาพร้อมกันเฮ้ยดาวดินขนาดนี้ไรเฟิลยังประทับอยู่กับไหล่ตกก้านลูกเลื่อนกระชากปอกเก่ากระเด็นแผว ล, ลงไปหมุนอยู่กับพื้นส่งควันกลุ่นแล้วผลักกลุวมเข้าที่นัดที่2บรรจุพลังเพลิงทันทีวางปลกักกระบอกปืนต่ําลงอีกนิดจับไปยังล่างของเสือใหญ่ตัวนั้นระยะมันอยู่ในวิถีแม่นยําและเกือบจะเรียกได้ว่าเผาขนสำหรับไรเฟิลขนาดนี้ แต่มันต้องหมายถึงผู้หญิงจะต้องรวดเร็วทันตเหตุการณ์มีสติดีและยิงได้อย่างชำนาญจริงๆมิฉะนั้นโอกาสพลาดมีได้มากหล่อนไม่จําเป็นจะต้องซ้ําเพราะขณะที่จ้องปืนคุมเชิงอยู่นั้นร่างอันสั้นกระตุกของเสือใหญ่ซึ่งโผล่รวดพลาดออกมาหมายจะตะครุบอนุชาบัตรนี้อาการดิบกระตุกอย่างแรงของมันเชื่องช้าลงเป็นลําดับและในที่สุดขาทั้งสีก็เหยียดเกรงสนิทนิ่งเล็กตัวตะแคงเพร่อยู่กับที่ตรงนั้น ทิ้งทั้งส่วนหัวและหางทอดยาวเหยียดราสกุลสาวลดปืนลงไกเนินตรงเข้าไปหาพี่ชายด้วยฝีเท้าเร่งรีบตามเดิมในขณะที่พักพวกฮือกันวิ่งกึ่งเดินตามหลังมาเป็นพรวนสำหรับอนุชานั้นยืนมองอยู่ที่เจ้าป่าตัวที่เก็บเจระโจนลงมาเล่นก้านคอหรือขอมองขโมยหยกๆยกนี้พร้อมกับจุป่าโครงหัวไปมาสบดพรมแล้วก็หันมองหน้าน้องสาวเล็กเมื่อหล่อนเดินหน้านิ้วเข้ามาถึง สองพี่น้องยังไม่พูดอะไรกันในขณะนั้นนอกจากสบตากันเงียบๆจนกระทั่งเชษฐาชัยยานและทุกคนแล่นขึ้นมาถึงโห้ยอะไรกันนี่ไม่ทันรู้เรื่องรู้ราว่าเลยเสียงชัยยานโวยวายขึ้นขณะที่ขึ้นมาดูเสือใหญ่ตัวนั้นใกล้ๆเลือดจากบริเวณศีรษะของมันกำลังไหลนองพื้นรอยกระสุนเจาะเข้ารูหูด้านขวาทะลุชอนออกก้านคออีกด้านหนึ่งด้านหลังในแนวเฉียงไม่เพียงแต่ผ่านกะโหลกเท่านั้น ยังหักกระโดกก้านคอแหลกด้วยมือยิงอันเฉียบขาดไปยังไงมายังไงเสียงเชิดถาร้องถามขึ้นอีกคนอดีตพรานชดเบป้ปากยักไหลคงไม่พูดอะไรอยู่เช่นนั้นดารินก็ทําเบป้ปากยักไหลเลียนแบบแล้วก็ไม่พูดเช่นกันนานอินมองดูภูมิประเทศตรงนั้นแล้วนั่งยองๆหิว้วหูข้างหนึ่งของมันขึ้นมาดูพูดออกมาเบาๆกั บ, บพวกลูกหาบที่แห่กันเข้ามามุงเต็มว่าไอเวนนี่หาที่ตายไม่เข้าเรื่อง มันกล้ามาที่หมายโดดลงตะคุบในชดทั้งทั้ที่พวกเราก็กําลังเดินตามกันเข้ามาใกล้ใกล้แค่นี้เองถ้าหนายหญิงยิงไม่ทันหรือไม่ถูกแล้วก็ถ้านายชดไม่กลิ้งตัวหลบจากที่เดิมเรื่องมันคงยุ่งขนาดที่อย่าว่าแต่คบเลยแค่โจรลงมาทับก็คอหักแล้วเสือหิวไม่รู้จักคําว่ากลัวหรอกลุงก็รู้ดีอยู่แล้วในชวนหัวหน้าลูกหาเอ่ยขึ้นเบาๆแล้วมองไปทางดาเรนบอกได้สีหน้าเรียบเรียบว่า ท่านนายละพินมาเห็นนายหญิงยิงเสือตัวนี้ตอนที่มันกําลังกระโจนใส่พรานชดนายละพินคงปลื้มใจมากที่ไม่เสียแรงเป็นครูเป็นสิทธ์กันมานานพวกเราไม่ทันเห็นทันรู้อะไรเลยอยู่ไม่อยู่ก็ยินเสียงตูมละไอ้ลายนี่ก็ลงมานอนดินปัดปัดป๊ดอยู่ตรงนี้ผ่านอยู่ตรงที่ผานชดนั่งนี่แต่ตอนนี้นายละพินก็ไม่รู้ไปอยู่เสื้อที่ไหนแล้วเหลือแต่นายหญิงกับพวกเราสมสารหน้าทุเลศ ติดตามลอยเท้าเขาอยู่นี่เองดารินตอบเคร่งครึมดึงก้านลูกเลื่อนออกช้าๆแล้วบรรจุ ก, กระสุนเพิ่มเติมเข้าไปเต็มอัตราตามเดิมลดนกลงเชฐดท้าอนิวเก่าต้นค อ, อยังหงุดหงิดสองคนนี่จะไม่บอกให้รู้กันมั่งเลยหรือถามแล้วถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนี่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่พี่ใหญ่และทุกคนเห็นอยู่นี่หรอกครับมอมราชวงอนุชาพูดเรียบเรียบ เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นผมนั่งอยู่ตรงนี้รอพวกเราทุกคนอยู่รู้สึกเหมือนกันว่ามีอะไรวูบขึ้นมาบังแสงตะวันจากยอดหินด้านหลังแล้วน้อยก็ซัดตู ม, ม่ะผมก็เพ่นหลบก่อนละโชคดีที่น้อยอยังกัดกะโหลกเพียงนิดเดียวมาเลยล่วงลงมากลองตรงที่ผมเคยนั่งนั่นแหละก็ต้องขอบใจละพินที่ฝึกปลือลูกศิษย์ของเขาไว้ดีมากถึงตัวเขาไม่อยู่ฝีมือเขาก็ยังฝากทิ้งไว้กับแม่ยอดเสนหาของเขาคนนี้ ประโยคสุดท้ายอนุชาบุยปากไปทางน้องสาวดารินแยกเขี้ยวอย่าประชดแดกดันนะที่ยิงออกไปเมื่อตะ ก, กี้นี้นะ่ะมันเพราะความตกใจเท่านั้นถ้ามีเวลาให้คิดสักนิดจะไม่ยิงมันเลยอยากจะดูพรานชดเอามือตบขากางเก่งและเอลีตัวนี้ให้ดูอีกสักครั้งเหมือนกันบะพี่น้องสองคนนี้มันยังไงนะมาด้วยกันแท้ๆยังไม่ไหวกัดกันอยู่ตลอดเวลาลำคาญซะจริงพ่อผา นี่จะเป็นแง่ทายกับประพินสมัยก่อนหรื อ, อยังไงดูเอาชั้นเอาเชิญกันเสีจริงชา ย, ยันล้องลั่นออกมายัางลำคาญดารินหันไปทางพี่ชายใหญ่อย่างเคารพยำเกรงไม่เห็นเขายืนหน้ามุยถ้าจะไม่พอใจอยู่เพราะอาการอันเงียบเฉยของหล่อนและพี่ชายกลางบอกเสียงอ่อนโยนว่าน้อยเห็นมันกระโจนขึ้นมาหมอบอยู่บนก้อนหินด้านหลังพี่กลางค่ะและตั้งถ้าจะโดนลงตะคุปก็เลยยิงก่อนหน้านั้นมันจะมาจากไหนไม่เห็น อยู่ไม่อยู่ก็เห็นวูบขึ้นมาอยู่บนยอดหินฟรุกที่น้อยยิงถูกเท่าๆกับที่พี่กลางก็ไว ย, ยิ่งกว่าลิงพอที่จะลี่ก่อนที่มันจะล่นลงมาทับแบรนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองอย่าไปสนใจอะไรเลยพวกเรามาถึงก็ดีละเราอยากจะรีบขึ้นไปดูบรเนินนั่นมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่งอยากรู้ว่าหินใหญ่ก้อนนั้นอ่ะเดิมมันเคยอยู่มีที่อยู่ตรงไหนและ ว, วางกลิ้งตามเนินขึ้นมาได้ยังไงอดีตท่านทูธทานบอกพี่ชายใหญ่ของคณะ มองดูห น, น้าน้องสาวเล็กและน้องชายกลางแล้วโครงจีสะอยู่เช่นนั้นอย่างละอาใจในความถือดีของทั้งสองฝ่ายไม่มีใครสนใจกับเสือโคร่งเจ้ากรรมมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น, น้อยนั่นอีกจากนอกจากน้านอินผู้ซึ่งรรยคาถาอะไรของแกพึมพำแล้วใช้มีดหมอคมกริบ ป, ประจำตัวกรีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแ ผ, แผ่นเท่ากับแบะมือตรงบริเวณหน้าผาแล้วลอกออกอย่างง่ายๆอึดใจเดียวก็เสร็จแล้วลุกขึ้นยืน อนุชากําหนดให้ขยินและพวกลูกหาบทั้งห้าคู่พักรออยู่ตําแหน่งนั้นก่อนโดยบอกว่าฝ่ายฉันทั้งหมดกับลุงอินจะขึ้นไปบนเนินนั่นสักเดี๋ยวเดียวเท่านั้นในชวนคุมพวกนี้นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนเส้นทางของเราก็คือจะไปตำทางด่านช้างนี่ด้วยกันเมื่อกลับลงมาแล้วไม่นานหรอกอย่างมากไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะให้ขยินอยู่เป็นเพื่อนทุกคนรอพักไปในตัวหัวหน้าลูกหาพยักหนา้ารับทราบโดยดีเชิดาสั่งให้นานอินซึ่งมีวิทยุ ได้รับแจกประจำตัวไว้เครื่องหนึ่งให้มอวิทยุเครื่องนั้นไว้ให้ขยินอธิบายกันเดียวเดียวเจ้านักเลงโตลมช้างก็รู้เรื่องจะใช้งานอย่างไรแล้วครูพานผู้เท่าก็นำคณะไต่าทางขึ้นไปทันทีโดยมี ข, ขยินและพวกลูกหาบหยุดรอคอยอยู่ตรงตำแหน่งที่เสือนอนตายอยู่แม้จะเป็นลักษณะของเนินหินมากกว่าที่จะเรียกได้ว่าภูเขาแต่หนทางก็ชันพอใช้ทีเดียวจะยางไรก็ตามพอจะ งุ้มตัวเดินไต่กันขึ้นไปได้ไม่ถึงกับปีนป่ายและอันเนื่องมาจากะเหตุจากเหตุระยะใกล้ๆเพียงแค่นี้เองประกอบกับจะขึ้นไปตรวจหาร่องรอยเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะกลับลงมาสมททกับพวกลูกหับทั้งชุดโดยการแนะนําของอนุชาทุกคนจึงปรดเครื่องหนังอันจะเป็นสัมภาระถ่วงหนักออกหมดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นอีกแต่ละคนคงมีแต่ลายเฟื่องและวิทยุประจําตัวเท่านั้นแล้วนานอินผู้ล่วงหน้า สังเกตดูอะไรขึ้นก่อนเว้นระยะหา่างแค่เจ็ดปดหลากับพวกที่รวมกลุ่มตามกันขึ้นไปก็มาหยุดรออยู่ตรงตำแหน่งริมทางขึ้นแห่งหนึ่งซึ่งมองจากเบื้องล่างขึ้นไปเห็นมีรอยดินลูกลังถลม่มร่วงกระจัดกระจายอยู่เฉพาะตรงนั้นเต็มไปหมดฮานี่เองพบแล้วนาะยไอตรงนี้แหละที่หินเวนก่อนนั้นมันเคยตั้งอยู่มินบินแล้วก็ถูกอะไรผลักดันให้มันร่วงหล่นลงไปสวนทางลงเสียงแกล้องออะขึ้น เชษฐาอนุชาดารินและชัยยันเดินขึ้นมาถึงก็หยุดยืนจ้องเขม็งมันจริงอย่างที่นานอินบอกไว้ทุกประการตำแหน่งนั้นขณะนี้เป็นบ่อลึกลงไปประมาณฟุตเศษเล็กน้อยขนาดของหลุมกว้างเพียงไม่เกินสองตารางหลารูปร่างขอบโดยรอบเป็นลักษณะลีๆีมันรูปไข่แสดงว่าเมื่อไม่นานมานี้นักมันได้เป็นที่ตั้งของหินก้อนนึงอยู่ยังมินมินขวางดักอยู่ปากทางขึ้น แล้วจูจ่ๆก็จะต้องมีอะไรพลังอะไรชนิดหนึง่งแต่แน่ละเกินกว่าพลังของคนสักห้าหกคนแน่มาผลักดันหินก้อนที่ตั้งอยู่บนมินมินนี้ให้หลุดจากที่ของมันแล้วร่วงลงไปและเมื่อมันหลุดจากตาแหน่งที่ตั้งอยู่โดยกฎธรรมชาติดึงดูดของโลกมันจะต้องกลิ้งลงไปตามหนทางเทราดชนแก่งแง่หินเล็กๆที่ขวางทางจะมีความมั่นคงน้อยกว่าขนาดน้าหนักของมัน ทำให้แตกหักย่อยยับและไม่สามารถสกัดกั้นดักทางไม่ได้ซึ่งมันก็ตะลุยกริ่งต่อไปยิ่งต่ําลงไปเท่าไหร่ความเร็วก็จะต้องยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งถึงบริเวณตีนเนินแล้วก็กริ้งกระดอนต่อไปได้แรงส่งอีกไกลไปสิ้นสุดพลังหยุดนิ่งเอาที่โคนต้นไม้ใหญ่ดังที่พบเห็นมาแล้วไม่มีใครค้านหนานอินสักคนเดียวนอกจาก พิจารณาดูรอยที่หินถูกงัดให้หล่นลงไปพรางกัดริมฟิปากนิ่งพยายามนึกวาดเหตุการณ์ในขณะที่หินถูกงัดนั้นพ่านชดหันมองย้อนหลังลงไปเบื้องล่างยังหินก้อนนั้นซึ่งโดยแนวทางตรงอันไม่มีสิ่งใดบดบงังก็ยังเห็นว่ามันวางเพิงอยู่กับโคนต้นไม้ใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาพบกันในครั้งแรกจากตำแหน่งที่หลุดร่วงลงไปนี้ กิ้งสวนทางขึ้นแล้วก็ไปสงบนิ่งอยู่ตรงโคนต้นไม้เกือบจะกระแทกต้นไม้ใหญ่ให้หักลงไปทางต้นบัดระยะห่างประมาณเกือบร้อยยี่สิบหลาอนุชาพึมพำขึ้นเบาๆคิ้วทั้งสองย่นเกือบจะชิดกันถ้างั้นสิ่งที่เราคาดหมายกันไว้ก็น่าจะใกล้เคียงเชษฐาอ่านรูปการพวกนั้นกำลังหยุดพักกันอยู่ตรงตีนเชิงนั่นด้วยมิฉนั้นก็ระวังที่ไต่ทางสวนกันขึ้นมา ได้มีอะไรสักอย่างมาผลักดันหินใหญ่ก้อนนั้นให้กลิ้งสวนทางหมายจะให้บททับแต่พวกเขาคงจะไหวทานหลีกหลบกันได้เสียก่อนหินจึงไม่ถูกใครกลิ้งไปหมดลิดกันอยู่พิงอยู่ที่โคนไม้โนู้นเจตนาหลายที่ต้องการฆ่าชัยยันโพ้องออกมาแต่อะไรเล่าที่สามารถผลักดันหินก้อนนั้นซึ่งน้ําหนักไม่ใช่น้อยให้หลุดลงไปตรงนี้ไปได้ ช้างแน่นายช้างใหญ่ครูพรานพูดโดยแล้วอย่างมั่นใจถ้าไม่ใช่ช้างต่อให้ไอพิษที่พวกนั้นสักสิบตัวก็คงไม่มีแรงมากถึงกับจะขยื่นหินก็นั้นได้แน่แม่จะดูว่ามันตั้งมินมินติดดินอยู่นิดเดียวก็เหอะแต่ช้างใหญ่แค่เอาหัวดันเบาๆเท่านั้นมันจะหลุดจากที่มันตั้งนี่ทันทีดูจากลอยดินชื้นๆ น, นี่ มันก็แค่เจ็ดแปดวันที่ผ่านมานี่เองว่าแล้วหนานอินก็โดนลงไปหยุดไปในหลมตื้นๆ น, นั้นเอามือกวาดดินปูนหินลูกกลังที่ถลม่มลงมากรบโดยกวาดออกเพื่อจะหาพื้นแท้จริงของภายใต้ซึ่งก็พบว่ามันยังเป็นรอยชื้นๆอยู่จริงตามแก่บอกเนื่องจากสิ่งที่กดทับฝังอยู่เป็นเวลานานเพิ่งจะเคลื่อนตัวหลุดพ้นไปทลลินกับคณะเดินสวนทางขึ้นมา หรือนั่งพักกันอยู่ตรงเตนเนินนั่นตอนที่หินกลิ้งหลุดจากที่ลนลงไปเพื่อจะทับพวกเขาโดยมีช้างเป็นตัวคอยดันหินอยู่พวกเขาก็น่าจะมองเห็น ด, ด้วยการด้วยมองเห็นตัวการต้นเหตุอย่างถนัดและอระพินก็คงจะยิงไอตัวเวรที่เป็นต้นเหตุให้หินกริ่งใส่พวกเขาหมอบอยู่กับที่ไปแล้วแต่นี่เราไม่เห็นจากช้างที่ถูกยิงล้มอยู่บริเวณ น, นี้สักตัวเดียวดารินเอ่ยขึ้นอย่างง ง, ง รูปการและหลักฐานพอจะทำให้อ่านอะไรได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นยังไม่ละเอียดนักในพฤติการว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรกันแน่ทุกคนยิ่งไปอึดใจแล้วเชฐถาก็เอ่ยขึ้นว่าอาจยิงไม่ทันก็ได้เราลองมามาวาดภาพเปรียบเทียบกับพวกเรากันเองขณะที่ไต่ทางขึ้นะมาหากมีอะไรหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหินเตรียมผักดันหินให้ล่วงลงใส่ พอหินก้อนนั้นหลุดกลิ้งสวนทางเข้าใส่ต้องให้เห็นชัดว่ามีช้างหรืออะไรก็ตามเป็นตัวการผลักหินลงมาทุกคนก็คงจะต้องเพนกันหลบชนิดแข่งกับเวลาทีเดียวคงจระะเนรนาฏก็จัดกระจายเข้าหาที่กำบงังกันทั้งหมดนั่นแหละใครจะไปยืนปักหลักยิงช้างตัวนั้นอยู่ได้นอกจากเพนเอาตัวรอดไว้ก่อนอาจะเหตุ น, นี้ก็ได้นะที่ทาให้ลับนและพวกนั้นยิงไม่ทันเพราะ มันเป็นวินาทีคับขันเลองเกินและเมื่อมัวแต่ตะลีตะเหลือกหลบเอาชีวิตจากถูกหินกลิ่งลงมาหมายบททับอยู่ไอ้ช้างตัวนี้ก็ถือโอกาสเพนหนีรอดทางปืนไปได้เสียก่อนอย่างนกรู้มันต้องฉลาดเต็มไปด้วยเล่อย่างที่สุดแลละไม่งั้นจะมาคอยดักงัดหินให้กลิ่งเข้าใส่พวกนั้นได้ยังไงถ้าพวกเราเองถึงพวกเราเองโดนกันมาแล้วในลักษณะคล้ายๆกันนี้ อาจเป็นอย่างที่แกว่าก็ได้เชิฐาคงไม่มีใครตั้งตัวติดพอที่จะยิงคันหรอกในกรณีที่พอหินงัดเข้าใส่เจ้าตัวการก็เปิดอ้าวหนีเลยชา ย, ยันสนับสนุนข้อสนิทฐานของอดีต ท, ท่านทูตทหารบกลุงอินกับพี่กลางตัว ด, ดูเส้นทางนี้แน่นอนแล้วนะว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากหินก้อนนั้นที่กลิ้งลงไปดารินจ้องหน้าพี่ชายกับครูพรานคเมงทั้งสองสันศีรษะไม่มีร่องรอยเลย เชื่อแน่ร้อเอร์เซน์ว่าพวกนั้นไม่ว่าจะมีมีกันกี่คนต้องหลบตัวรอดได้หมดแม้จะบุญวิทแค่ไหนก็ตามนี่มันแสดงว่าตลอดเส้นทางเดินของรพินที่นําพวกนั้นมาเขาพบกับอุปสรรคเลวร้ายที่คอยสกัดกั้นเล่นงานอยู่ทุกระยะทีเดียวและเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเล่นงานทางฝ่ายเหล่านี้ด้วยเหมือนกันต่อไปนี้เราเคยระวังตัวไว้เท่าไรแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จะประมาทไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไปไต่ขึ้นไปดูแอ่งน้ำข้างบนเทศถาโบกโบกมือบอกให้เคลื่อนที่ต่อไปครู่เดียวทั้งห้าคนก็ขึ้นมาถึงยอดของเนินลูกนั้นต่างช่วยกันกวาดสายตาค้นหาไปรอบๆแล้วหนานอินก็นำมายัางตำแหน่งอันเป็นแอ่งน้ำตื้นๆบริเวณหนึ่งอย่าเพิ่งตะต้องน้ำในแอ่งนี้นายทหารแกล้องขึ้นเร็วปรือโดดเข้ากระชากลายชยัน ผู้พมองเห็นก็สุดตัวลงริมขอบตอนหนึ่งทำท่าจะกวักน้ำขึ้นรูปหน้าทำให้ทุกคนชะงักทันทีทำไมหรือลุงอินชา ย, ยันล้องไม่ยังตกใจงานอินชี้มือไปกลางแองทั้งหมดมองเห็นกิ่งไม้ค่อนข้างใหญ่ขนาดเกือบเท่าท่อนขาเต็มไปด้วยใบและกิ่งเล็กๆมีรอยหักและโยนลงไปสมแช่อยู่กลางแองลักษณะของมันใบเริ่มจะเหี่ยวเฉาและเน่าลงแล้วในระยะที่ผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือใกล้เคียงนั้น ย่างมองจับไปที่กิ่งไม้ซึ่งมาจมแช่อยู่ในแอ่งด้วยความพิศวงอนุชาเพ่นเข้าไปซุบซิบอะไรกับพลานเท่าและหันมาบอกกับพักพวกโดยเร็วลุงอินบอกว่ากิ่งไม้ที่มีรอยถูกหักและนำมาโยนไว้ในแอ่งนี่เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ยางมันเป็นพิษเบื่อเมาอย่าง ร, ารุนแรงที่สุดมีอะไรชนิดหนึ่งได้ไปหักกิ่งไม้นี่แล้วก็ลากมาแช่ไว้ในแอ่งน้ําเพื่อทําให้น้ําในแอ่งเป็นพิษ เป็นการทำลายแหล่งน้ำใครขืนดื่มเข้าไปลยยุ่งทีเดียวฮาแปลว่าอย่างไงกันนี่ระวังที่เชษฐาและดาเรนนิ่งพินิษ์ชัยยันอุทานออกมาก็แปลกอย่างที่บอกนะสิกะระยะเวลาที่เราพบรอยหินถูกงัดลงใจพวกนั้นกับกิ่งไม้ที่ถูกนำมาแช่ในแอ่งนี่มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละอนุชาตอบโดยเร็วแล้วแยกกันกับนานอินเดินตรวจพิจารณาไปรอบๆขอบแองบอกบอกต่อมาว่า มีลอยของอเมริกันชุดนั้นขึ้นมาพิจารณาดูอยู่ที่แอ่งน้ำนี้ด้วยเหมือนกันก้บนบุรี่ซิ ก, ก้ามีทิ้งให้เห็นอยู่สองสามก้นน่าคิดแฮะพี่ชายใหญ่ของขคณะครางออกมาแผ่วเบาหันไปมองหน้าน้องสาวผู้จ้องเหวียงกิ่งไม้ตาไม่กระพริบหลอนหันมาสบตาทันทีถ้าจะให้น้อยทายเหตุการณ์ก็คือละพินกับพวกลูกฮับขึ้นมาบนนี้ เพื่อจะหาน้ำหรือมฉฉนั้นก็สแสวงหาล่องรอยอะไรอีกสักอย่างถ้าหากว่าพวกเขายังไม่ขาดน้ำแต่ระหว่างที่ไต่ทางขึ้นมานั่นเองพวกเขาก็ถูกงาถิ่กลิ้งลงไปใส่พอพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้แล้วขณะขึ้นมาถึงบนนี้แทนที่จะพบแอ่งน้ำที่พอจะอาศัยดื่มกินได้ก็ปรากฏว่า มีมือดีมาทำลายแหล่งน้ำนี่เสียอีกด้วยกิ่งไม้ยางมีพิษอย่างที่ลุงอินว่านั่นพวกนั้นจะอาศัยน้ำในแองนี้ไม่ได้เลยแล้วหล่อนก็มองไปยังนานอินผู้ยืนก้มๆเงยๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งห่างแค่สามสี่วาร้องถามว่าน้ำในแองนี้ยังมีพิษตกค้างอยู่อีกหรือลุงอินสมมุติว่าไอ้กิ่งไม้พิษนั่นลงไปแช่อ ย, อยู่เจ็ดปดวันมาแล้วมันยังไม่ปลอดภัยนะักรอกนายหญิง ที่นี่เป็นแอ่งน้ำซับไม่ใช่ฐานน้ำไหลหรือแหล่งน้ำกว้างๆถายเทไม่ได้กิ่งไม้ก็เพิ่งจะมาแช่อยู่ได้ไม่กี่วันนี่เองถึงยังไงพิษมันก็ยังมีอยู่แน่ๆ แ, แหล่งน้ำนี้เสียไปแล้วใช้การไม่ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์กว่าจะจางพิษหายไปหมดก็ใช้เวลานานเป็นปีทีเดียวนายหญิงก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแอ่งแคบๆแค่นี้เอง แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่จะขณะที่พวกนั้นขึ้นมาถึงเชฐาถามเขาหน้าเครียดลงอีกดวงตาทั้งคู่หลีลงอย่างสลดอย่างสยองใจท่านนายละผินขึ้นมาด้วยและมองเห็นอย่างนี้แกก็รู้ทันคงไม่ยอมแต่ต้องน้ําในแอ่งนี้หรอกแต่ลําพังพวกไหนก็ตามที่ไม่ชํานาญป่าไม่รู้จักต้นไม้ผิดชนิดนั้นก่อนหวังจะมาอาศัย น้ำนี่ดื่มกินหรืออาบก็กลิ้งทูดเป็นผีกันไปหมดแล้วจากรอยที่เห็นนี่พวกฟาร์ลังกับนายละพินมาหยุดดูดกันที่แอ่งน้ำใหญ่นี่ทีเดียวพรานครูผู้เท่าร้องตอบมาและโบกมือเรียกทุกคนให้เดินตามแกไปทางซีกซ้ายของกลุ่มโขดหินสูงๆต่ำๆอันเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกได้ยังบริเวณยอดเนินนั้นทุกคนเข้าไปสมศพ สมทบทันทีช้างอีกตามเคยนายที่ลากออกกิ่งไม้อั ป, ปรีนั่นมาแช่ทิ้งไว้ในแอ่งน้าดักพวกนายละพินให้พินาศถ้าหลงกลดื่มกินเข้าไปหรือมิฉะนั้นก็ทำลายแหล่งน้ำเสียไม่ให้อาศัยได้ถ้ารู้ทันนายและพวกนายละพินตามกันออกไปทางช่องนี้เจ้านายจะลองเดินตามดูไหมเอา้าลองตามไปหน่อยสิเชษฐาพยักหน้าบอกอนุชาเขาพูดวิทยุกับขยินทันที บอกให้คุมพวกลูกหาปล่อยอยู่อีกสักครู่เสียงขยินตอบรับขึ้นมาและทั้งหมดก็เดินตามนานอินซึ่งลักษณะของแกยามนี้ไม่ผิดอะไรกับหมาล่าเนื้อที่อยู่ในระหว่างการดมตามดมกลิ่นและโดยการนาของแกนั้นทุกคนก็เห็นร่องรอยของกลุ่มอเมริกันชุดนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งหมดของพวกนั้นเดินสวนรอยกับทิศทางที่กิ่งไม้มีพิษถูกลากนามาทิ้งไว้ยังแอ่งน้าซึ่งแม้ขณะนี้ ยังพอมองเห็นใบที่ละกับแง่หินหล่นลงเป็นระยะพวกนั้นคงออกคนที่มาของกิ่งไม้ที่ถูกนํามาทิ้งไว้ในแอ่งครับจากรอยที่เห็นนี่อ น, นุชาบอกกับพรรคพวกทุกคนเอแลน้นี่เขาจะตามไปถึงไหนนี่และเราจะเดาได้ถูกอย่างไรวะรับพินกับพวกนั้นย้อนกลับลงไปรวมกับพวกลูกห่าหรือว่าตามรอยอะไรแยกทางไปเลย ขยันเต็มไปได้วยความคลางแคลงร่องรอยที่เห็นอยู่นี้เต็มไปได้วยความน่าสงสัยและเข้าใจออกไปได้อย่างกว้างขวางหลายแง่หลายมุมเหลือเกินทุกคนของคณะเชิดาต่างพยายามใช้ความใคร่ครวนเดาเหตุการณ์อันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อาจแสดงความคิดเห็นภายในของแต่ละคนออกมาได้อย่างได้ในขณะนี้เนอกจากจะเก็บข้อพิสูง์ อันเต็ม ไ, ได้วยปริศนานั้นไม่ในใจเท่านั้นชั่วครู่นานอินก็นํารัดเลาะมาตามทางที่เห็นใบไม้หล่นเป็นทางและรอยการเดินของกลุ่มอเมริกันทะลุลงสู่เส้นทางลงเนินด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อยืนอยู่บนไหล่ตอนนี้ก็มองเห็นทุ่งหญ้าสลับละมาะลึกเข้าไปด้านหลังเป็นดงทึบทะมึนพวกนายละพินลงไปทางนี้แหละเจ้านายและไอ้ทุ่งที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ยังไง นานอินบอกไว้ว่ามันไม่น่าเดินเลยต่อหลุมเต็มไปหมดเดินไม่ดีพลัดล่นลงไปเหลือแต่กระดูกถ้ามันจะไม่เหมาะเสร็จแล้วละครับพี่ใหญ่อดีตพรานชดปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหนือและพูดเบาๆกับพี่ชายตะพินกับพวกนั้นจะต้องมีจุดบรรดาลใจอะไรสักอย่างทำให้ตัดลงทางด้านนี้เพื่อจะติดตามสาวรอยอะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันคงจะล่อให้ตามแน่ๆ ช้างตัวที่งัดหินใส่หรือตัวที่มันไปหักกิ่งไม้พิษมาแช่ไว้นี่ในแอ่งน้ำหรือเชษฐถาถามน้องชายเอามือลูบคางซึ่งบัดนี้เขียวครึ้มไปด้วยคราที่เพิ่งขึ้นเพราะไม่ได้โกนมาหลายวันการตัดสินใจยามนี้แม้แต่นานอินเองก็ดูเหมือนจะมอบให้ตกอยู่กับเขาอย่างเด็ดขาดระหว่างยืนรอฟังคำสั่งอยู่ ชยยันกับดารินกําลังแบ่งน้ําในกระติกดืม่มกล้วค อ, อกันคนละอึกและก็มองไปอีกเบื้องล่างอย่างตรีตรองก่อนอื่นเราต้องพิจารณากันก่อนว่าไอ้ช้างตัวที่งัดหินเข้าใส่คณะของเราก็ดีหรือไปหากเองเอากิ่งไม้มีพิษมาแช่ไว้ในแอ่งน้ําเพื่อทําลายแหล่งน้ําที่อาศัยเดิมกินก็ดีมันทําอย่างไรเพราะอะไรทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันเป็นเพราะอำนาจจิตบังคับเขา้ามันเป็นเพราะอำนาจบังคับเข้าสิงบงการให้กระทาของไอ้ผีดิบมันไตรน้อยก็คิดอย่างพี่กลางคะ่ะนี่จะต้องเป็นการบงการของไอซ้ซาอุบาตที่ใช้ช้างเป็นเครื่องมือแน่ๆดารินกล่าวขึ้นทันทีส่วนเชษฐาชัยยันนิ่งเงียบกริบทว่าเขาไม่ปฏิเสธหรือขัดงานถ้าเราปร่งใจเชื่อได้เช่นนั้น อดีตพรานชดกล่าวต่อไปยังระมัดระวังรพินกับพวกนี้ก็คงจะไม่ได้ตามช้างเสียแล้วอาจจะตามสิ่งผิดปกติที่มันล่อพวกเข้าไปธรรมดาของช้างจะไม่เดินผ่านบริเวณที่ชุกชุมไปด้วยตอหลุมถ้ามันจะหนีเขาก็หนีไปทางอื่นมากกว่าแต่นี่รอยของรพินกับพวกนายจ้างเสี่ยงตัดทางด้านนี้ก็น่าจะแปลว่าเขา สะกดตามหลังสิ่งที่ไม่ใช่ช้างอาจเป็นพวกไอ้ผีดิบที่มันเดินล่อให้ได้เห็นดาริ น, น่าเพื่อลงแล้วลพินจะชำนาญรู้เส้นทางอันตรายนี้มาก่อนหรือเปล่าคะพี่ชายกลางยากักไหลยิ้มแค่นแค น, นใครจะรู้ได้นอกจากตัวเขาเองหรือไม่ก็ลุงอินผู้ซึ่งรู้จักเข้ามานานแล้วขนาดพี่เองถ้าลุงอินไม่บอกก็ยังไม่รู้เลยว่าป่าแถบนี้เต็มไป ไปด้วยไม้มีพิษและต่อหลุมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนายหญิงนานอินบอกหนักแน่นในบริเวณไม่มีบริเวณไหนหรอกที่นายละพินจะไม่รู้จักสําหรับป่าดงพงไพแถบนี้จนกระทั่งจดห้วยเสือรองถ้าแกตัดสินใจตามแกก็จะต้องตามด้วยความมั่นใจและต้องปลอดภัยสําหรับตัวแกเองแน่แต่คนอื่นๆนายนินไม่รับรองว่าแต่เจ้านายจะเอายังไงเสี่ยงแกะรอยตามลงไปหรือว่าจะถอยทุกคนนิ่งไปอีก ในที่สุดเชษฐาอันเป็นพี่ใหญ่ของคณะก็ถามน้องชายผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นมคัคุเทศในครั้งนี้ว่ากลางเธอจะเอาอยัางไงอนุชาดูนาฬิกาข้อมือผมผมคิดว่าเราควรจะถึงตะเคียนทองในบ่ายจัดจัดของวันนี้ถ้าไม่หมวัวเสียเวลาเสียที่ไหนและเราก็แน่ใจแล้วว่าคณะของรพินจะต้องบ่ายหน้าไปที่นั่นผมไม่กลัวว่าพวกเราจะต้องเสี่ยงในขณะการเดินลงเนินลูกนี้ไปในทิศทางที่เห็นพวกเขาบุกลงไป เพราะถึงอย่างไรานานอินอยู่ทั้งคนก็คงจะช่วยให้เราผ่านบริเวณของพวกต่อหลุมเข้าไปจนได้นั่นแหละเราายหน้าไปตะเคียนทองเลยไม่ดีกว่าหรือและถึงที่นั่นเมื่อไหลก็สอบถามพวกตะเคียนทองดูรู้เรื่องเองและดีกว่าจะมาคิดเดาเหตุการณ์และเสียเวลาตามเส้นทางแยกของเราทุกคนทุกกระเบียดนิ้วไปชัยยันน้อยว่ายังไงพี่ใหญ่ของคณะยังเสียง พยายาบอกง่ายๆว่าสำหรับฉันไม่อะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เกี่ยงน้อยละ่ะเชตดทาหันไปขาดคันซักถามความเห็นของดารินเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าหล่อนมีความเร่าร้อนกระวนกระวายใจในเรื่องนี้กว่าทุกคนภายหลังจากหลับตาห น, นึ่งมันจะนึกเสียงไทยระยูอึดกึงอึดใจดารินก็ลืมตาขึ้นบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวะตกลงตามที่พี่กลางบอกค่ะน้อยชื่อว่าจะยางไรเสีย แลพินก็ไม่อับจนในเส้นทางที่เขาติดตามอะไรไปนั่นหรอกคงจะหาทางไปบรรจบกับพวกลูกหาและไปถึงตะเคียนทองได้แน่นอนเป็นครั้งแรกที่เธอแสดงออกถึงเหตุผลไม่ใช่แต่อารมณ์นับตั้งแต่เราออกเดินทางกันมาอนุชาหันไปบอกกับน้องสาวอย่างเชย ช, ชมเชยแล้วยกวิทยุ ข, ขึ้นเฮ้ข hey, ยินพวกเรากำลังจะลงไปสมทบกับพวกเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเตรียมตัวได้ เมื่อลงไปถึงก็จะออกเดินทางทันทีเขาสั่งการลงไปเป็นภาษากะเหลี่ยงด้วยลิ้นอันครองแคล่วเพราะคลุกคลีอยู่กับชาวดงมานานขยินกำลังรออยู่แล้วลงมาได้เลยพลาญชดอออบอกนายหญิงด้วยว่าไอ้ด้วนตัวดีของนายหญิงโผล่ออกมาจากริมดงแล้วพวกขยินตกใจกับจะยิงให้เสียแล้วดีที่จาได้ตอนนี้มันไปยืนเหมือนจะรอคอยพวกเราอยู่ตรงทางด่านที่เรียบอ้อมเนินนี่ ดารินได้ยินเสียงขยินแววามาจากวิทยุของพี่ชายกลางฟังไม่ถนัดนักถามขึ้นอนุชาแปลข้อความให้ว่าขยินบอกเช่นไรหล่อนยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกและบอกอนุชาว่าระหว่างที่เราเดินลงไปนี่พี่กลางช่วยบอกขยินกับพวกนั้นทีถเถอะคะว่าให้หาไม้ไผ่แถวๆนั้นมาทําเป็นกระดึงชนิดที่เวลาเจ้าด้วนเดินหรือเคลื่อนไหวให้มีเสียงดังเตือนให้พวกเรารู้ด้วยประเดี๋ยวลงไปถึงน้อยจะจัดการเอากระดึงสัญญานั้นผูกคอให้เจ้าด้วนเมื่อเอง ขืนปล่อยแบบนี้ดีไม่ดีเข้าใจผิดถูกพวกเรายิงตายเชี้ยเปล่าโดยเฉพาะเวลามืดมืดหรือเวลากลางคืนเพราะเดี๋ยวมันก็โผล่เข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ได้อยู่ใกล้ทิดพวกเราทุกขณะบทเจ้าโผล่ก็โผล่มายัางไม่รู้ตัวแบบนี้ทําให้เกิดความสับสนมากอย่างน้อยถ้าได้ยินเสียงกระดึงเรายังได้รู้ว่าเจ้าด้วนไม่ใช่ช้างอื่นแปลกปลอมเข้ามาเป็นความคิดที่ฉลาดมากชั ย, ยันพยักหน้าเห็นด้วยอนุชาก็สั่งการลงไปให้ขยินรู้เรื่องทันทีแล้วทั้งหมดก็ ละจากการติดตามรอยของระพินบรรเนินหินนั้นบ่ายหน้ากลับลงมายังตำหน่งที่พวกลูกหับสั่งให้รอคอยหยุดทันทีเมื่อคณะลงมาถึงตีนเชิงของเนินหินอันมีพวกลูกหับภายใต้การดูแลของขยินพราะว่าพวกนั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดึงสําหรับผูกคอเจ้าด้วนซึ่งดารินสั่งให้ขยินช่วยจัดการให้ได้ถูกทําขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วยังร่วนเร็วชํานาญการ พอเห็นนายหญิงเดินลงมาถึงเจ้านักเลงโตหลมช้างก็วิ่งออกไปให้หล่อนพร้อมทำยิงฟันยิม้มดารินรับมาดูปรากฏว่ามันทําด้วยป้องไม้ไายแห้งยาวร่วมฟุตภายในคงจะเจาะช่องใส่หินหนัก ห, กหรือโลหะอะไรแขวนไว้ด้วยเชือกเพียงแค่หล่อนขยับเบาๆมันก็แกว่งกระทบด้านในด้านในป้องปรากฏเสียงดังโครกโครกกังวานชัดเจนได้ดีมากโน่นไอ้ดวนรอพวกเราอยู่ตรงโน่นขยินชี้มือบอกเมื่อเห็นหล่อนพยายามกวาดตาค้นหา และตามชี้บอกก็เห็นช้างใหญ่ของหล่อนยืนสงบอยู่ในเงาไม้ริมทางด้านที่จะต้องเลาะอ้อมเนินหินไปนั่นเองโดยหันศีรษะมาทางด้านทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่มีอาการเหมือนจะเอาสีข้างสีช้าๆอยู่กับโขดหินใหญ่ก้อนหนึงให้มันโผล่มายังไงมาทางไหนนี่หล่อนถามมันเดินสวนทางมาจากเส้นทางที่เราไปนั่นแหละนายหญิงเหมือนว่ามันจะผ่านล่วงหน้าล้วไปก่อนแล้วและย้อนกลับมารอ ง, งั้นแหละ ในชวนหัวหน้าลูกหาเป็นคนบอกแทนให้ดารินยิ้มกล่าวเอาไปจากกลุ่มประมาณ 5-6-9 ก้าและตะโกนเรียกชื่อที่หล่อนและทุกคนเรียกมันติดปากจนเป็นสมญานามว่าเจ้าด้วนครั้งแรกมันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่พอเรียกซ้ำเป็นครั้งที่สองมันก็เริ่มเคลื่อนไหวและดุมเดินช้าๆตรงเข้ามาหาทันทีเหมือนช้างเลี้ยงที่รู้ภาษาเคยเชื่องอย่างไรก็เชื่องเช่นนั้นคณะทุกคน เริ่มจะคุ้นเคยแล้วไว้วางใจมันแล้วในสัญชาตญาณแห่งการเป็นมิตรไม่มีใครหวาดระแวงอะไรอีกนอกจากจะมองดูอยู่เฉยเมื่อมันเดินเข้ามาหยุดยืนจานงหงำอยู่เบื้องหน้าของสาวน้อยกระจ้อยลอยนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับมันดารินก็ร้องสั่งให้มันหมอบลงโดยพูดช้าๆซ้ำๆทามือให้ดูจากอาการสูงลดลงต่าเจ้าด้วนคูเขาหน้าลงอย่างนิ่มนวลแล้วลดขาหลังตามลง ร่างของมันจึงกลายเป็นหมอบตามคำสั่งนานอินเดินเข้ามาใกล้ลอนด้วยขณะที่หญิงสาวเดินเข้าไปในซอกขาหน้าพร้อมกับบอกว่านายหญิงเข่าหลังถ้าจะให้มันหมอบสุดลงนายหญิงบอกว่าโซมโซมสิมันเป็นภาษาของควานช้างแปลว่าให้หมอบลงดารินหัวเราะไม่ต้องหลอกลุงฉันไม่ชอบคาว่าโซมเพราะมันหมา ย, มายฟังมันไม่ดีนะกะความหมายมันฟังไม่ดีนะ อีกอย่างหนึ่งเจ้าด้วนก็นเป็นิตช้างเลี้ยงที่คุ้นเคยกับภาษาของควานมาก่อนฉันว่าฉันพูดกับมันเป็นภาษาธรรมดา น, นี่แหละมันไม่ได้ฟังโดยทางหูหรือเข้าใจภาษาพูดหรอกแต่มันจะต้องเข้าใจโดยภาษาสมองหรือภาษาใจเก่งจริงๆในหญิงนี่ขนาดช้างป่าเกเรทั้งตัวยังเอาไว้ได้อยู่เสียงพรานครูเท้าบนเบาๆดารินไม่สนใจอะไรอีกมุดเข้าไปดูที่สายเชือกคล้องคอมันตรวจสอบจนแน่ใจว่า หลวงพ่อทวดที่หลอนหอและมัดไว้อย่างดียังติดอยู่ที่คอมันเรียบร้อยซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรขาดหรือว่าพยายามใช้งวงดึงออกเราก็มันรู้ว่านั่นเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางที่นายหญิงผู้นี้มอบไว้ให้คุ้มครองตัวหลอนเขย่ากระดึงให้มันฟังแล้วบอกอ่อนโยนว่าฟังนี่นะด้วนฉันจะเอากระดึงไม้ไผ่ท่อด น, นี้ผูกคอเธอไว้อีกอันนึงอย่าให้เป็นหลุดหายจะที่ไหนล่ะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองเพราะเธอไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพวกเราตลอดเวลานึกจะมาเมื่อไหร่ก็มานึกจะแยกทางไปก็ไปอันตรายของพวกเราก็มีอยู่แทบทุกขณะไม่รู้ช้างร้ายมันจะโผล่มาทางไหนฉันผูกกระดึงอันนี้ไว้ที่คอเธอเวลาเธอเดินใกล้มาเราได้ยินเสียงเราจะรู้ทันทีว่าเป็นเธอจะได้ไม่เข้าใจผิดกันขึ้นเข้าใจไหมเข้าใจครับนายหญิงเสียงตอบห้าๆดังมา ดารินแทบสะดุ้งหยู่แต่แล้วก็มองเห็นชายยันเข้ามายืนอยู่ก็ใกล้ๆหล่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พองคอทําเสียงเฮ้าๆตอบมาราสกุลสาวจ้องหน้าและตะวาดแว๊ดเบาๆแม้อีเจ้าบ้าชายยันนี่เล่นเอาฉันขวัญหายเรียกว่าเจ้าด้วนพูดออกมาได้ซะอีกเดี๋ยวเอาก้อนหินนี่ปาหัวเลยแอบก็มายืนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ชายยันหัวเลาะหึ่ก็มีอย่างหรือพูดถามมันช่ยังกับมันพูดภาษาคนกับเธอได้งั้นแหละ ลำคาญขึ้นมาก็เลยตอบแทนให้เสซนน่ะสิเอ้าจะผูกกระดึงกระแดงอะไรก็จัดการซะโดยเร็วดีเหมือนกันค่ำมืดกลางคืนพระเจ้าพระคุณนี่โผลออกมาจะได้รู้กันไม่งั้นอาจโดนสี่ห้าปดตอกหน้าแง่งเข้าให้ละจะมาโทษกันไม่ได้เรากําลังมีศึกอยู่กับช้างป่านี้ทุกตัวแต่เธอดันมีช้างคู่บารมีอยู่ตัวหนึ่งขึ้นชื่อว่าไอช้างมันก็น่าคล้ายๆกันทุกตัวแหละใครจะมาจําอยู่ได้จะให้วิ่งอ้อมไปดูหางมัน เชี่ยก่อนเลอก็มีหวังถูกกระทืบแบนถ้าเกิดผิดตัวดารินบนอะไรอุบอิบมองดูเพื่อนชายด้วยหางตาอย่างมั่นใจจัดการเอากระดึงที่ขยินทำให้ผูกคอเจ้าด้วนอย่างแน่นหนาที่สุดแล้วลุกขึ้นหันกลับมาทางชา ย, ยันอีกครั้งอ้อเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเลอเขามายืนอยู่เชีใกล้เชียยก่อนนี่เห็นเจ้าด้วนโผล่มาทีไรทำท่าจะเพนปลาแตกทุกทีเช่ช่นไม่กลัวไอ้ด้วนของเธอล็อก ไอ้มันจะมีน้ำยาอะไรว่าแล้วชัยยันก็เวียงลูกแปลพับไปที่หน้าขาของมันที่คูอยู่ฉับพลันทันใจดีได้เกินทันทีที่ชัยยันเตะมันจะดวนกระแพ้เสียงแวดออกมาดังลั่นพร้อมกับสะบัดงวงขึ้นเฉียดหน้าเข้าไปยังบุดวิดชัยยันตกใจร้องเฮลสุดเสียงใส่ตีนหมาโกยอ้าวเข้าไปในกลุ่มพรรคพวกอย่างขวัญหนีดีฝอเจ้าช้างใหญ่หางด้วนรีพรวดพราดลุกขึ้นยืนทันทียับท่าจะกวดไล่ ดารินปลายเข้าขวางหน้าวเวสีก่อนมันจึงหยุดชะงักดวงตากลมเล็กยิบหยี่จ้องมองไปทางชัยยันอย่างขุนเครืองท่ามกลางเสียงหัวเราะร่านอย่างขบขันเป็นครั้งแรกของทุกคนแม้แต่อนุชาพูดจัดว่าเป็นคนหัวเราะยากที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เฮ้ย <"He i, S 1> มันเอาจริงเว้ ย, ng, า ย, ยา ng, เสียงร้องชัยยันร้องเอะอาขึ้นแล้วชี้หน้าตะโกนด่าไอหางด้วยนี่เองจะเอาฆ่าจริงๆริงเหรอเดี๋ยวพัดสัดด้ลูกปืนนี่เลย เจ้าด้วนติดดารินอยู่เบื้องหน้าทําให้ไม่อาจก้าวเข้ามาได้ยืนแผดเสียงเกลี้ยวกราอดันรีหันขวาแล้วเริ่มควานงวงค้นหาก้อนหินขนาดเท่าครกตําน้าทิราสกุลสาวโจรเข้าตะคุกงวงของมันไว้ร้องเสียงหลงยอย่าดูวันหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทาอะไรเขาเหมือนจะเข้าใจภาษากันอย่างดีที่สุดเจ้าด้วนยอมปล่อยหินใหญ่ก้อนนั้นลงแล้วยืนหมุนวนอยู่เช่นนั้นอาการเคลื่อนไหวของมันทําให้กระดึงที่คอทรงเสียงโกรกเกรกขึ้น ฟังได้ชัดพวกลูกหาหัวรอกันตัวงอบางคนถึงกับซุกเข้าไปนั่งกลุ่มท้องส่วนเชิดถาอนุชาเล่นนานอินก็ปล่อยพืดพืดในลําคอการทะเลาะกันระหว่างเจ้าด้วนกับชัยยนันเป็นความคลืน่นเครงได้หัวเรากสนุกสนานกันเป็นครั้งแรกสําหรับตลอดทั้งวันอันเคร่งเครียดนี้ชัยยันก็ไม่ลดรา ว, วาสอกยับปืนอยู่เยงเยงชี้หน้าร้องท้ามันอยู่เช่นนั้นจนดารินต้องหันมาตบหวาดแหลมลั่นไปหมด หยุดนะชัยยันถ้าเธอยังโทรสะร้องด่าท้าทายมันอยู่อย่างนี้ฉันจะไม่ห้ามมันละแต่จะปล่อยให้มันเหยียบเถ้แดนเป็นกล้วยทับเลยเมื่อ น, นั้นชัยยันจึงยืนเท้าเอวและยกมือไหว้ประชดเจ้าด้วนเออไอคุณด้วนเห็นแก่คุณแม่ของเองข้ายอมแพ้แล้ววะเองกับข้ามันเห็นจะเป็นพันธมิตรกันไม่ได้ซะแล้วน้อยเตะหน่อยเดียวจะเตะตอบถ้าเตะเองนะ่ะหนังเองยังไม่กระเทือนเลยแต่เองเตะข้าข้าก็เละเท่านั้น จำไว้ให้ดีไอ้ด้วนรับหลังแม่เองเมื่อไหร่ข้าจะยิงเด็ดใบหูให้แหวงไปอีกข้างจะได้เข้ากับหางที่กุดด้วนอยู่แล้วของเองเจ้าด้วนมีอาการเหมือนจะคอนชูงวงขึ้นแล้วม้วนจุกปากลาวกับรับคําท้านั้นกริยาของมันงุ่นง่านหึดฮัดโดยมิดารินกลางมือขวางหน้าไว้เช่นนั้นไม่มีใครทายถูกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีหญิงสาวสกัดการห้ามทับอยู่ในลักษณะนั้นไอ้ด้วนจะปรีเข้าใส่ชัยยันอย่างใดหรือไม่ หอนหันไปชี้หน้าเพื่อนชายไอ้เรามันก็ปากเสียอย่างนี้แหละปากซะหยุดจะทีได้ไหมไม่รู้จะทะเลาะ ก, กับใครแล้วมันดันมาทะเลาะ ก, กับช้างป่าเดี๋ยวลำคาญขึ้นมาก็ปล่อยฟาดกันตัวต่อตัวเสียเท่านั้นลือจะลองดูเอ้ยเอ้เอเออย่านะน้อยฉันฟัดมันกับมันไม่ไหวหรอกตัวมันแค่ไหนฉันแค่ไหนเอาวะเลิกแล้วต่อกันไปนะพอด่วนนะโหสิโหสิไท ย, ยันโบกมือมาและจุปากลัน่น เขาขอโทษเธอแล้วเธออย่าไปอาฆาตคิตร้าอะไรกับเขาอีกนะนนสั่งกับช้างใหญ่แล้วหันมาทางชายยานอีกครั้งเรียกเข้ามานี่จีชายยานเข้ามาใกล้ๆรับรองว่าเจ้าด้วนไม่ทําอะไรเธอหรอกมาจับมือญาติดีกับกันเสียแล้วก็อย่าปากเสียด่าหรือพลุสวส่์อีกฮะว่ายังไงนะใจฉันเข้าไปจับมือเช็คแทนกับมันเข้ามาทันหน้าบ้าไม่เอาหรอกปรเดี๋ยวมันก็เอาจะงอยงวงเข ก, กบาลฉันเหมือนตอนที่มันเข ก, กบาลไอขยินอย่างวันนั้นอีกเท่านั้น ไว้ใจได้ยังไง ร, ระวังให้ดีเธอน้อยคุมมันไวให้อยู่ถ้ามันเกิดไม่เชื่องฟังเธอขึ้นมาวันใดวันนั้นพวกเราแหลกไปบ้างละ่ะมันยอมฟังเสียงเธออยู่คนเดียวเท่านั้นไอ้คนอื่นมันฟังเสียมเมื่อไหร่ถึงตัวเองก็อย่าประมาทถ้ามันเกิดบ้าหรือลืมตัวเธอก็มีสิทธิจะเละเหมือนกันชัยยันบ่นอู้อี้มาคลื่นเคร่งครบขันกันพอสมควรเชิดาก็สั่งน้องสาวมาว่าน้อยสั่งให้ไอ้ด้วนเปิดทางและเดินนําหน้าไปได้แล้ว เรากำลังจะรีบเดินทางอย่ามจัจแโอ้เอเล่นกันไ ม, ม่ได้เรื่องอยู่เลยเมื่อ น, นั้นดารินจึงตบหน้าขาของช้างใหญ่และออกคำสั่งล่วงหน้าไปก่อนด้วยจำไว้อย่าให้กระดึงหลุดจากคอและถ้ามีเหตุอันตรายอะไรดกักรอลรวอยู่ข้างหน้าเตือนภัยให้พวกเรารู้ก่อนด้วยราวกับประกาศสิทธิของนางพยาโดยไม่จำเป็นจะต้องมีอาคมทางมนุษย์าสหรืออะไรทั้งสิ้นนอกจากดวงจิตอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาของดาริน เจ้าดวนหมุนตัวกลับเดินออกมารุ่มหน้านาไปตามเส้นทางนั้นโดยดีดูว่ามันเดินไปอย่างธรรมดาช้าๆแต่เทียบกับคนแล้วไม่มีทางจะตามติดมันได้ทันเลยคณะทั้งหมดพากันเดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านตะเคียนทองอนันเป็นเป้าหมายสุดท้ายสำหรับวันนี้คราวนี้นานอินลงไปคุมท้ายขบวนปพ่อให้คณะเจ้านาย จับกลุ่มเดินไปเบื้องหน้าเพราะหนทางสะดวกพอสมควรตามด่านช้างขนาดสำรองไม่ถึงกับเล็กแต่ไม่กว้างขวางใหญ่โตเกินไปนะโดยช้างโดยซ้ายมือเลียบผนังของภูเขาส่วนด้านขวาเป็นหุบเหวเห็นยอดไม้โพริแซมดำมืดอยู่เบื้องล่างชัยยันดาอบไปตลอดทางเรื่องไอ้ด้วนทำริษเอากับเขาอย่างน่าใจหายใจความเมื่อกี้นี้ เชิดขากับอนุชา้าไม่สนใจละอีกเล่งฝีเท้าเดินคู่ขี่กันไปเบื้องหน้าปล่อยให้น้องสาวกับเพื่อนทะเลาะ ก, กันอยู่เบื้องหลังไอ้เปรตนักเลงโตชิปเปงเลยตะ ก, กี้นี้จะเอาฉันตายดีว่าหลบงวงทันมันเล่นงัดผางขึ้นมาเลยจริงๆริงนะไม่ติดเธอเสยอย่างเดียวฉันตอกหน้าแงาเข้าให้แล้วทาไมติดฉันเสยอย่างเดียวเธอก็ถูกงวงมันหกกรเมนคอหักไปแล้วมันงัดขึ้นมาเฉียดเฉียดเท่านั้นเพราะคงกลัวจะถูกฉัน ทำเป็นเด็กอมมือไปได้ชัยยนันทะเลาะกับช้างก็เอาทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นช้างที่เป็นมิตรกับเรามิตรกับเธอคนเดียวน่ะสิคนอื่นมันเป็นมิตรด้วยที่ไหนชัยยันพูดสะบัดสะบั ด, บดมาดารินถอนใจเฮือกนี่ชัยยันเธอจะบ้าหรือไงนะตั้งแต่เจ้าด้วนเข้ามาสวามิภักมันจะร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายไปกับเราด้วยไม่เห็นมีใครในจํานวนพวกเรามันมองมันในแง่ร้ายเลยดีเท่าไหร่แล้วที่ช้างป่าทั้งตัวเข้ามาเป็นมิตรญาติดีด้วย สาเหตุทั้งหลายก็เนื่องมาจากที่มันเป็นช้างของระพินนั่นแหละและมันจะต้องมีสัญชาตญาณรับรู้ในการมาของเรานีคราวนี้เธอจะไปตั้งแง่ตั้งงอนอะไรกับมันเมื่อกี้มันก็อยู่ดีๆหรอกเธออุตริไปใช้เท้าเตะมันเองคนเตะช้างเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ช้างเตะคนมันไม่ถูกหยุดบนจะถีได้ไหมฉันว่าถ้าเมียเธอมาด้วยคราวนี้เธอคงถูกดึงหูยานแล้ว ฐานโตแล้วไม่รู้จักโตเล่นอะไรเหมือนทารกฉันดูท่าเธอเมื่อรกี้นี้ไปเต้นเยงเยงร้องท้ามันอยู่ไม่ผิดอะไรกับเจ้างั่งเคยหินนั้นไม่มีผิดเฮ อ, อคิดถึงเมียอยู่ไม่อยู่ชัยยันก็พูดลอยลอยออกมาดารินมองหน้าแล้วก็กระซิบมาอย่างชนิดที่ชัยยันคาดไม่ถึงว่าใช่ฉันก็คิดถึงผัวฮะว่ายังไงนะชัยยันสะดุ้งโหยงลืมตาเอานิ้วแค่หูเอียงหน้าเข้ามาจ้องตาดารินยิ้มจิตเจิด เธอได้ยินยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นแหละอ้าวก็ไหนบอกฉันว่าเขายังไม่ได้ฉันหมายถึงในนามทางกายเรายังไม่มีอะไรกันถึงขั้นนั้นแต่ทางใจฉันรับเขาเป็นสามีแล้วนี่คือความจริงอาการเล่นของชัยยันหมดสิ้นไปทันทีถามขึมนๆ ม, มาว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่เมื่อฉันตัดสินใจแล้วว่าถ้าปราศจากเขาฉันคงอยู่ต่อไปไม่ได้อันเป็นเหตุ ให้ต้องติดตามมานี่ยังไงและ่ะแล้วก็พลอยทําให้พี่น้องเพื่อนและคนอื่นๆต้องมาพลอยลําบากยากแท้นไปด้วยอย่าไปพูดคํานี้ให้เชิฐาหรือกลางได้ยินเขานะเพื่อนชายกระซิบเตือนแล้วถอนใจอีกครั้งไม่หรอกฉันพูดกับเธอเท่านั้นบางทีเพื่อนย่อมเข้าใจในเพื่อนมากกว่าพี่น้องเสียอีกหัวใจฉันคงแตกนะชัยยันถ้าฉันพบว่าประพินตายเสียแล้วเพราะฉันตามเขาช้าเกินไป ชายยันฟังแล้วตื้นตันพูดอะไรไม่ออกไปนานในที่สุดก็โอบแขนไปคล้องคอเพื่อนสาวพูดสนิทเหมือนพี่น้องไว้ปลอบโยนไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือเปลี่ยนแปงแลงลิขคิดชีวิตได้หลอกน้อยถ้าบุญของเธอกับระพินไม่ถึงกันมันก็ต้องมีอันเป็นไปวันยังค่ำและเธอต้องเตรียมใจไว้ก่อนหนทางสายนี้ที่เรากาลังเดินไปมันมืดมนเหลือเกินแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ทาอะไรเสียเลยเท่า ฉันก็มีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นยังไงเราต้องตามเขาจนพบในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่และเอาตัวกลับคืนมาให้เธอจนได้ดารินยิ้มจังๆน้ำตาเริ่มคลอขอภาวนาให้ความหวังชนิดนั้นเป็นจริงเถอะแต่สำหรับฉันไม่กล้าหวังอะไรแล้วทั้งสิ้นชยันเธอรู้ดีว่าฉันฝืนทำจิตใจและร่างกายให้เข้มแข็งไปอย่างนั้นเอง แต่โดยแท้จริงล่ะชั้นอ่อนเปรี้ยหอเหี่ยวไปหมดหมดแรงสิ้นหวังโท ม, มนัสประโยคหลังเสียงของหลอนแหบพระกลืนหายเข้าไปในลําคอด้วยอาการสะอื้นเข้ามาแทนที่สองคนนั่นอย่าโมแต่เดินทะเลาะ ก, กันอยู่ทำเวลาหน่อยครั้นแลเสียงวิทยุจากอนุชาซึ่งเดินห่างริบๆไปเบื้องหน้าแล้วคู่กับเชฐิฐาก็ดึงออกมาจากลาโพงวิทยุของทั้งสองที่เหน็บเอวอยู่ เสียงที่ดังออกมามันพระพร้อ้่ยยังได้บอกไม่ถูกดารินกัดเล็บฟีปากเล่นสีเท้าขึ้นอีกชัยยันปรดวิทยุขึ้นมาพูดตอบกำลังจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหยุดลอ้อเดินหน้าเต็มตัวชัยยันเสียงของแกมันดังอู้ยอ้ยังไงชบกลแล้วฟังไม่ชัดเลยแต่พอจะจับใจความได้อนุชาพูดวิทยุมาอีกอดีตนายทหารปืนใหญ่ขมวดคิ้วกดคีย์สลับกันอยู่สองสามครั้ง เอ๊หรือว่าฐานจะอ่อนลงทางด้านฉันก็ฟังเสียงทางด้านแกไม่ค่อยจะชัดเหมือนกันเอาละตรวจสอบใหม่หนึ่งสองสามรับฟังเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมไม่ถนัดนะักเสียงขาดแต่ยังพอเดาความได้ชา ย, ยันมองไปเบื้องหน้า ท, าทันทีระยะที่อนุชากับเชษฐถาเดินอยู่นั้นห่างเพียงไม่เกินร้อยหลาเท่านั้นตามหนทางสูงสูงต่ําๆที่เลือยไปตามไห่เขาแปลกแฮ ฉันก็ฟังแต่ไมช่ชัดอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละรู้สึกว่าจะมีอะไรแทรกรบกวนผิดปกติไปมากดารินเอจใจอะไรบางอย่างปรบ ว, วิทยุของหล่อนขึ้นมาบ้างพี่กลางพี่ยายจากน้อยค่ะรับฟังเป็นไงบ้างได้ยินแต่เสียงดูเหมือนหา่างกันสักสาสี่ไม้งั้นแหละนั่นใช่วิทยุของน้อยเองเลยข้าเราทดสอบกันคนละเครื่องพี่กลางลองเรียกไปทางลุงอินที่อยู่ท้ายขบวนสิคะพรานชดก็เรียกไปยังนานอนินทันที โดยเข้าเครื่องของชัยยันและดารินซึ่งฟังไม่ถนัดนัดปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากนานอินเลยแมย้จะเรียกอยู่สาสี่ครั้งดารินกับชัยยันมองหน้ากันทันทีน้อยถ้างั้นเธอลองเรียกลุงอินสิชัยยันบอกกับหลอนโดยเร็วลุงอินนี่ฉันพูดนะได้ยินหรือเปล่าเมื่อนั้นยิงได้ยินเสียงของนานอินอูอี้บอกมาว่านานอินได้ยินในหญิงเสียดเสียงมันค่อยจริงๆทําไมมันไม่ดังเหมือนก่อน เมื่อกี้นี่พานชดที่เดินอยู่ข้างหน้าเรียกลุงอินหลายครั้งลุงไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยนายหญิงนานอินไม่ได้ยินเสียงพรานชดทุงจะได้ยินเสียงของนายหญิงนิ่แหละแต่มันเบาๆเท่านั้นต้องยกขึ้นมาติดหูเลยไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเรียกพี่กลางพอได้ยินลุงอินบอกว่าไม่ได้ยินเสียงของพี่กลางเลยค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่อิทายุเราทุกเครื่องมีอาการเหมือนฐานจะหมดอ้าวเสียงดังสู้เกิดขึ้นมาแทนใช่แล้วว่า ระยะทางระหว่างนี้กําลังไต่ขึ้นสูงทุกขณะภาพที่เห็นมนุชากับเชิดขาหยุดลอยอยู่ที่หินชงโงกก้อนหนึ่งไม่เดินหน้าต่อไปรู้สึกจากภาพที่เห็นว่าพยายามจะยกวิทยุขึ้นพูดจะทางด้านชายยันกับดารินไม่ได้ยินอะไรเสียแล้วนอกจากเสียงคลื่นอากาศดังอู้ยุ่งและสิเกิดอะไรขึ้นกับวิทยุเสียแล้วฉันไม่คิดว่าจะทานอ่อนหรอกพวกเราก็ไม่ได้ใช้อะไรกันมากแล้วระยะขนาดนี้เองเริ่มฟังไม่รู้เรื่องนะ ชัยยันพูดอย่างร้อนรนประหลาดใจพยายามกดคีย์ทีๆดารินชี้มือบอกอย่าเพิ่งไปกังวลกับวิทยุก่อนเลยชัยยันโน่นพี่กางกับพี่ใหญ่โบกมือเรียกมาแล้วเขาไม่ได้เดินจะหยุดรอเราอยู่ที่นั่นรีบเดินกันเถอะทั้งสองเนบวิทยุไว้ที่เข็มขัดตามเดิมแล้วเร่งฝีเท้าทันทีชัยยันนั้นหันไปร้องตะโกนสั่งทวกลูกหับให้ร้องบอกต่อๆกันไปยังหนานอินผู้รังท้ายให้ทำเวลาขึ้นด้วยและจากประสบการณ์ในการเดินลงมาก่อน ทั้งดารินและชัยยันสามารถเล่นฝีเทา้าตามขึ้นไปทันทีพี่ชายสองคนอันกำลังหยุดสูบบุหรี่และดื่มน้ำคอยอยู่ภายในเวลาเพียงแค่4ีหนาทีเท่านั้นวิทยุเป็นอะไรไปแล้วกลางชัยยันร้องถามขึ้นหอบหอเมื่อเข้ามาสมทบอนุชากับเชษฐาเขาตกอยู่ในสภาพงงๆอยู่เหมือนกันยังไม่ตอบอะไรในขณะนั้น่างพยายามปรับตุ่ม sequence ซึ่งทาให้เกิดเสียงสู้เพิ่มขึ้นทุกขณะ ในที่สุดก็ปิดสวิสเงียบกริบลงอนุชานั้นยืนมองสำรวจพื้นภูมิประเทศอันเป็นทางลาดต่ำริบๆ ล, ล, ลงไปสู่หมู่ไม้เบื้องล่างรวมทั้งกวาดสายตาแลกไกลออกไปยังทิวของคุ้นเขาทรรมนที่เป็นลอนหยักลื่นบังขอบฟ้าอยู่รอบด้านทั่วไปทั้งใกล้และไกลชักสงสัยเฮเสียงอดีตครานหัวเห็ดแห่งราชกุลพึมพมออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองทำไมสงสัยอะไรแล้วพี่กลาง ดารินถามโดยเร็วเอนุชาเอามือขยี้ปลายคางวิทยุในมือเขายังไม่ได้ปิดสวิสได้ทดลองดึงอาสาอากาศขึ้นจนสุดแล้วกดคียแน่นอีกครั้งอย่างระวัดระวังไฟแดงอันเป็นสัญญาณส่งออกอากาศยังสว่างโร่ให้เห็นแจ่มชัดแสดงว่าแบตเตอรี่ยังแรงดีอยู่เขายกขึ้นจอกั บ, บรินฝิปากแล้วผิวปากแรงๆในขณะที่ทุกคนยืนมองจับอาการเป็นตาเดียว ต่างได้ยินเสียงผิวปาของอนุชาที่ดังมาจากต้นเสียงเท่านั้นมันไม่ได้ผ่านเข้าเครื่องแปลงเป็นวิทยุเป็นคลื่นวิท ย, ยุไปปรากฏไปยังเครื่องรับใดๆในหมู่พวกพ้องที่เข้ามายืนกันอยู่ใกล้ๆเลยชักยุ่งฮะเสียงอดีตพลานชดทําออกมาหัวคิ้วขมวดข้อหากันมันไม่ทํางานเอาจริงๆนั่นแหละยิ่งมายืนอยู่บนนี้ยิ่งไม่ได้ผลเลยตะ ก, กี้ก็ยังพอได้ยินกันบ้างแม้จะมีเสียงรบกวนก็ตามข้อสงสัยที่บอกมัตะกี้ก็คือ น่าจะมีสนามแม่เหล็กหรือแร่าธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลแรงมากทําให้คลื่นวิทยุส่งไม่ได้หรือมิฉะนั้นคลื่นก็กระโดดพ้นความถี่ในแต่ละเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทุกคนในกลุ่มง ง, งกันไปหมดมันจะเป็นไปได้ยังไงคะพี่กลางดารินร้องขึ้นเบาๆอย่างพิศวงใจเต็มที่ไม่รู้เหมือนกันพี่เองก็ไม่ได้ใช่ผู้ชํานาญการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงรู้เพียงแค่ใช้งานเท่านั้น ที่ใหญ่กับชยยายันเคยเป็นทหารมาแล้วมีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสารบ้างหรือเปล่าเอ้ยฉันน่ะมันทหารปืนใหญ่โน่นก็ทหารม้ายานเกราะไม่มีใครเป็นทหารสื่อสารสักคนเคยจะใช้ไม่เคยแก้หรือรู้เรื่องอะไรของมันลึกซึ้งนะครั้งใดก็ตามที่เครื่องวิทยุมันเกิดขัดข้องก็หมดปัญญาเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราชยยายันบอกอย่างหงุดหงิดกังวลใจ และถ้าจะว่าอันที่จริงและระหว่างสามชายที่มาด้กันอนุชาน่าจะเรียกได้ว่าชํานาญกับเครื่องวิทยุรับส่งมากกว่าทุกคนเพราะเขาเองเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุรับส่งสมัครเล่นระหว่างชาติคุ้นเคยอยู่กับเครื่องรับส่งทุกรูปแบบเท่าที่กฎหมายระหว่างชาติจะกําหนดให้ใช้งานได้และวิทยุรับส่งมือถือชุดนี้ที่นํามาเพื่อสําหรับการใช้ติดต่อกันเองระหว่างเดินทางก็อนุชานั่นแหละเป็นผู้จัดหาเตรียมมา เป็นเครื่องที่ดัดแปลงให้มีขนาดเล็กและพลังรับชั้นสูงทีเดียวแบตเตอรี่แห้งอะไรก็มีมาพร้อมอย่างพอเพียงความจริงตัวเธอนั่นแหละเป็นช่างวิทยุอยู่แล้วเชิดถาบอกมาถ้างั้นผมก็ลงความเห็นคร่าวๆอย่างที่ความรู้งูๆปลาปลาของผมมีอยู่นี่แหละครับนั่นก็คือเทือกเขาบริเวณนี้เป็นตำแหน่งอับคลื่นวิทยุโดยเกิดจากพลังงานอะไรสักอย่าง ที่มีอิทธิพลอยู่เหนือกว่าสกัดกั้นหรือผลักคลื่นวิทยุของเราออกไปเสียทำให้การรับและส่งไม่ได้ผลและเท่าที่ผลศึกษาเรียนรู้มาบ้างบางพื้นที่บางภูมิประเทศวิทยุส่งใช้การไม่ได้เลยเมื่อเข้าไปอยู่ในลัศมีนั้นแต่พอห่างไกลบริเวณไปพ้นลัศมีแล้วก็จะกลับใช้งานได้อย่างเดิมอาจเป็นอย่างแก่ว่าก็ได้กลางชัยยันยอมเห็นด้วย มันจะต้องมีพลังงานอะไรสักอย่างที่เข้ามาควบคุมคลื่นวิทยุไว้เราจับได้กันอย่างชัดๆเลยจากการพูดติดต่อเมื่อครู่นี้ครั้งแรกก็ยังพอได้ยินบ้างแต่เสียงพูดที่แผ่วออกมาแทบจับความไม่ได้มีแต่เสียงเคลื่อนอากาศคลื่อนอากาศรบกวนในที่สุดพอขึ้นมาถึงเนินลูกนี้ก็เงียบกริบไปเลยนี่ขนาดหมุนตุ่มสเควนลงมาสุดแบบนี้ก็ยังไม่มีเสียงไม่แต่สู้เดียว ยังกวิทยุเสียหรือแบตเตอรี่หมดงั้นแหละทั้งๆ ท, ที่เรากดขี่ไฟสัญญาณก็ยังสว่างแดงแจะอยู่นี่ว่าแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็บิดหมุนตุ่มบนตัวเครื่องไปมาทดลองมันเงียบกริบไปเฉยเฉไม่ปรากฏไม่แต่เสียงโครกครา่ามันจะเร่งไปยังแม้จะเร่งไปยังตุ่มที่บังคับให้ช่วยรับคลื่นไวที่สุดก็ยังไม่ปรากฏเสียงอะไรสักอย่างเดียวทุกเครื่องเป็นใบ้ไปหมด นณะนั้นานานอินและขยินก็นําพวกลูกหาไต่ทางขึ้นมาถึงเชิดาโบกมือชวนพี่น้องและเพื่อนให้ติดเดินต่อทันทีใครอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกับมันก่อนเลยเมื่อมันใช้ไม่ได้ก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้ในบริเวณแถบนี้นั่นแหละเราค่อยๆทดลองไปเป็นระยะๆะะว่าเมื่อไหร่เมืม่อไหร่วิทยุมันถึงจะกลับมาใช้งานได้อีกความหมายของมันก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าที่กลางได้บอกแล้วนั่นแหละคือทิวเขาที่แวดล้อมเราอยู่นี่คงจะมีสนามแน่เหล็ก แร่หรือชาติอะไรสักอย่างที่ผลักดันคลื่นวิทยุออกเพราะฉะนั้นระยะนี้เราไปได้วยกันเป็นหมู่เธออย่าแยกจากกันเลยหรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ห่างไม่เกินกว่าที่จะเห็นตัวกันได้มีอะไรจะได้มองเห็นได้ทันท่วงทีอนุชาจุ ป, ปากเบาๆโคลงหัวอย่างอารมณ์ไม่ดีนะอยากวิทยุลงซองข้างเอวขณะที่เริ่มออกเดินต่อครางบอกว่าจะอย่างไรก็ตามผมขอให้ทุกคน เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอย่าปิดจะได้ทดลองดูว่าเมื่อไหร่มันถึงจะรับสัญญาณคลื่นอากาศได้ถ้ามันเกิดดังโครกครากหรือสู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าจะแปลว่ามันกําลังจะใช้ได้แล้วไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดผมมีมาอย่างเหลือเฟือเอมันน่าแปลกจริงๆแฮ่แถวนี้ประโยคหลังเหมือนจะบ่นกับตนเองทั้งสี่คนเดินเกาะกลุ่มกันเปในระยะใกล้ขนาดพอจะคุยกันได้ไม่ทิ้งห่างเหมือนคราวแรก พวกลูกหาบก็เข้าขบวนกันมาห่างแค่ไม่เกินสิบหลาเบื้องหลังดารินนั้นละเอียดรอบคอบและช่างคิดช่างสังเกตเป็นนิสัยประจำตัวอยู่แล้วหลอนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูก็เห็นว่าเข็มของนาฬิกาแบบเดินป่าอันประกอบด้วยเข็มทิศ ด, ด้วยของหล่อนยังทำงานอยู่ในอาการปกติดีพี่กลางคะหลนเอ่ยขึ้นเบาๆพี่ชายกลางหันมามองเลิกคิ้วเหมือนถามดารินจึงกล่าวต่อมาว่า ขอถามอดีตย้อนหลังสักนิดเถอะถ้าพี่กลางยังจําได้สมัยที่ยังเป็นพรานชดบุกบันเข้ามาจนถึงมรกรนครสองคนกับนานอินในครั้งนั้นทําไมหรือน้อยครั้งนั้นพี่กลางมีนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพกอะไรติดตัวอยู่บ้างหรือเปล่าคะขณะเมื่อเหยียบเข้าสู่ดินแดนนั้นพี่มีนาฬิกาโลเหล็กยื่นเรือ น, นอดีตพรานชดตอบน้องสาวใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแต่พอเดินป่าสมซานหนักๆเข้า สายโลหะของมันไปเกี่ยวกับแง่หินหรืออะไรก็ไม่รู้ขาดตกหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวไม่เคยดูเวลากันเลยใช้ดูดวงตะวันดูดาวเอาถามทําไมแล้วเข็มทิศแล้วคะขณะนั้นมีติดตัวอยู่บ้างไหมเข็มทิศไม่เคยใช้ก็ต้องใช้ทําไมในเมื่อลุงอินแม่นทิศยิ่งกว่าเข็มทิศซะอีกดารินถอนใจออกมานิดนึงแล้วฝืนยิม้มถ้าอย่งนั้นพี่กลางก็คงจะไม่มีโอกาส รู้ถึงสิ่งผิดปกติในดินแดนสนธยาแห่งนั้นหรอกค่ะไมาความว่าอย่างไงพวกเราชุดที่ไปตามพี่กลางคราวนั้นมีนาฬิกาข้อมือและเข็มทิศ ต, ติดตัวกันแทบทุกคนแม้แต่ระพินก็จําเป็นต้องใช้ทั้งนาฬิกาและเข็มทิศทํางานอย่างซื่อสัตย์มาทุกระยะแต่พี่กลางรู้ไหมคะพราะผ่านบริเวณที่เรียกกันว่าถันพระอุมาไต่ขึ้นสู่ถนนสายใหญ่อันจะนําเข้าเขตมรกตนครเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นกับนาฬิกาและเข็มทิศของเรา พี่กลางดาวถูกไหมคะพี่ชายกลางทำหน้างงสันหัวดารินเบ้ปากนิดนึงพร้อมกับยักไหลนาฬิกาของเราหยุดเดินทันทีค่ะเข็มทิดก็ใช้การไม่ได้หมุนควงติวหาทิศทางไม่ได้เลยและในที่สุดก็ถูกล็อกทางชีทิตผิดหมดฮะถามชัยยันกับพี่ใหญ่ดูสิคะในเรื่องนี้เป็นความจริงตามที่น้อยพูดกลาง นาฬิกาและเข็มทิศของเราใช้ไม่ได้เลยเหมือนมีอำนาจอะไรมาหยุดยึดมันไว้งั้นแหละเมื่อเราล่วงเข้าปลายเขตแดนอาถันแห่งนั้นเชตถารับคำหนักแน่นมาอีกคนถ้างั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกมากผมไม่เคยสังเกตเพราะบอกแล้วว่าไม่มีทั้งนาฬิกาและเข็มทิศหากเรื่องที่บอกมานี่เป็นความจริงมันก็น่าจะแปลว่าดินแดนแห่งนั้น มมีีสนามแม่่่เล็กใหญทพอที่จะหยุดการเวลาหรือเข็มนาฬิกาให้นิ่งอยู่กับที่เท่าๆกับเข็มทิศก็ไม่เป็นผลก็ยังโชคดีสําหรับพวกของพี่ใหญ่และผมอยู่เหมือนกันที่ดินแดนอาถันแห่งนั้ น, ม, นมันหยุดได้เฉพาะเข็มนาฬิกาและเข็มทิศเท่านั้นถ้ามันหยุดประกายจากแก๊สุกเปินและประกายจากชนวนระเบิดแล้วก็พวกเราก็คงจะตายกันหมดโดยไม่มีโอกาสช่วยเหลือจั ก, กรราชให้กลับไปครองบันลัง แล้วเรากลับออกมาได้เลยแล้วนี่นาฬิกาหยุดเดินอีกหรือเปล่าประโยคหลังเขาถามรวมๆไปยังทุกคนแต่ไม่ยอมดูนาฬิกาของตนเองปกติเรียบร้อยทุกอย่างค่ะยังเดินอยู่เหมือนเดิมมันก็แปลว่าเวลานี้วิทยุอย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้การไม่ได้แต่เข็มทิตนาฬิกายังใช้การได้ดีอยู่ก็บอกแล้วยังไงวะมันคงจะมีธาตุแรอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาผลักดันคลื่นวิทยุไว้อนุชาวาดูเขาไม่สนใจอะไรนกะ ที่ลึจริงๆแค่ขนาดในห่วงอวกาศจากดาวเทียมหรื อ, อยานอาวกาศที่ส่งหางออกไปจากโลกไปไกลลิบคลื่นวิทยุยังส่งมาถึงบนพื้นโลกได้แต่บนเทือกเขาแห่งนี้คลื่นวิทยุบอดไปเลยใกล้ๆกันแค่นี้ยังใช้งานไม่ได้ชายันเป็นคนขี้บน่นขี้สงสัยอยู่แล้วสะบดเพิ่มแล้วนี่เมื่อไหร่เราจะถึงตะเคียนทองเชิาถามขึ้นโดยไม่ใส่ใจอะไรกับเรื่องวิทยุอีกหรือมีเช่นั้น ก็เก็บความแปลกใจไว้เงี ย, งยบๆโดยไม่เอ่ยถึงอนุชาชี้มือลงไปยังทางลาดเห็นริบๆอยู่เบื้องหน้าลงจากเนินนี้เห็นป่าดำมืดเบื้องหน้านั่นแหละครับเขตตะเคียนทองแล้วผมว่าเราเดินอย่างมากก็คงอีกไม่เกิน45นาทีจะถึงหมู่บ้านเชษฐามองตามการชี้บอกของน้องชายและพูดแผ่วต่วําว่ะนี่ก็แปลว่าน่าจะผิดสังเกตไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเราเดินมาจนใกล้เขตหมู่บ้านเต็มทีเรายังไม่พบวีแววของชาวป่าในหมู่บ้านนั้นเลยสักคนเดียวนี่มันเงียบเชียบอย่างไงพี่คน อนุชาเองก็มีอาการใคร่ครวญคบคิดอยู่เช่นกันแต่ไม่พูดอะไรในขณะนั้นคงเดินนารุดล่าไปเรื่อยๆคงเดินนํารุดหน้าไปเรื่อยๆพร้อมกับสังเกตล่องรอยรอบด้านไปด้วยเท่าที่คณะพอจะพบได้บ้างเป็นครั้งคราวก็ร่องรอยของคณะของระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแต่ไม่เห็นเขาของกรลียงตะเคียนทองอันตั้งหมู่บ้านในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลที่กําลังรุดหน้ากันเข้าไปขณะนี้เลยทุกคนค้นไม่พบเขาเงื่อนร่องรอย ว่าจุดไหนตำแหน่งใดที่พบกันก่อนหน้านี้แล้วว่ากระพินนําเอาอเมริกันนายจ้างชุดนั้นแยกจากลูกคณะลูกหาบตรงเนินหินลูกที่ขึ้นไปดูนั้นแล้วต่อมาในเส้นทางด่านช้างอันยาวเหยียดนี้จอมพรานโผร่ออกมาบรรจบกับพวกลูกหาบตรงตำแหน่งไหนกันแน่แต่ก็ต้องมีการบรรจบพบกันแน่นอนมิฉะนั้นจะไม่พบก้นชิกาทิ้งอยู่ให้เห็นภายหลังจากไม่ได้เห็นมานานตลอดเส้นทางสายนี้สําหรับ เจ้าด้วนนั้นภายหลังจากที่เริ่มเคลื่อนที่เมื่อพากันลงมาจากเนินหินและดารินจัดการผูกกระดึงลายให้มันล่วงหน้าไปก่อนเดินกันมาจนถึงใกล้จุดหมายแล้วก็ไม่เห็นวีวแววของมันอีกเลยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกระดึงที่ผูกขอไว้แสดงว่ามันคงจะห่างไปไกลลิบแล้วเชษฐาหันมาโบกมือเป็นสัญญาณกับนานอินให้แกเร่งฝีเท้าเข้ามารวมกลุ่มด้วยแล้วถามว่าเราน่าจะเห็นกะเรียนตะเคียนทองเดินสวนทางหรือออกหาของป่าแถวๆนี้บ้างนะ แลลุงคิดยังไงนั่นสินายใหญ่นานอินก็แปลกใจอยู่เหมือนกันมันเงียบเป็นเป่าซะาตามธรรมดาพวกนี้มันจะต้องเดินขึ้นลงอยู่แถวนี้เป็นประจำแหละเพราะใกล้บ้านมันนี่ไม่เห็นสักขัวกับบานเดียวและถ้าเราเดินใกล้เข้ามาแบบนี้แล้วพวกมันก็น่าจะรู้แล้วควรโผล่หน้าออกมาให้เห็นมั่งในชีวิตอยู่ในป่าของหลุงลุงพานหมู่บ้านตะเคียนทองสักกี่ครั้งแล้วคราวนี้ดารินถามบ้างโอ้ยนับไม่ถ้วนล็อกนายหญิง ถ้าเส้นทางจะบายหน้ามาทางนี้ตะเคียนทองมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วมาอาศัยพักกินนอนกับพวกมันเป็นประจำมันเพิ่งจะมาอยู่กันเมื่อสักเจ็ปปีมานี้เองแยกมาจากพวกขั้วเสือร้องที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกความจริงมันก็พี่น้องญาติโยมกันทั้งนั้นระหว่างพวกเกรเลียงตะเคียนทองกับพวกข้วยเสือร้องหัวหน้ามันชื่อโมเบีย้ยหนานอินหัวหน้ามันชื่อโบเมีย้ย นานอินเห็นกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แล้วแกก็ชี้มือตามป่าสีดำให้เห็นอยู่เบื้องล่างไปทางด้านตะวันออกโน้นทางด้านโน้นมันทำไร่กันไว้เข้าเจ้าเข้าฟางลูกเดอยไม่ต้องปลูกขึ้นเองเต็มไปหมดพื้นดินมันดีมันอาจไปอยู่แถวๆไร่ก็ได้เส้นทางนี้ถ้าจะเดินสวนขึ้นมาก็ลงก็คงจะมาหาพวกตะเคียนชันหรือตีพึ่งเท่านั้นประเดี๋ยวไปถึงที่ ก็พบกันเองและและเราก็รู้ข่าวนายละพินกับพวกนั้นยังชัดแจ้งทีเดียวเชื่อนานอินเถอะก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านชาวปลาที่ลุงบอกว่ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อเจ็ดปปีก่อนตรงนั้นมันเป็นอะไรชัยยันถามบ้างมันเป็นหุบช้างไม่มีคนอยู่หรอกพ่อของนานอินบอกว่ามีปลาชาช้างอยู่ที่นั่นด้วยแต่นานอินค้นหามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็ไม่เคยพบปลาชาช้างสักทีมีแต่ช้างเป็นเป็นโขลงหนึ่งตั้งเกือบร้อยๆ้อยตัว ที่มันอุดมส ม, มบูรณ์กว่าห้วยเสือร้องที่ที่ชิดนรกดําสะอีกดินโป่งเค็มจัดพอจะหาเกลือได้ลําธารใหญ่ไหลผ่านปลูกอะไรก็ขึ้นงามพวกห้วยเสือร้องถึงได้อพยพถอยล่นกันมาส่วนหนึ่งเก้งหมูป่าหรือวางแถวนั้นไม่ต้องยิงให้เปลืองกระสุนไล่ตีเอาก็ได้ทางนั้นลุงก็ท่องเที่ยวผ่านบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านนานแล้วสิคราวนี้ รานผู้เท่ายิงฟันเห็นฟันหน้าเหลืออยู่สองซี่ดำๆก็ตั้งแต่หนุ่มจนแกอย่างที่นายหญิงบอกอย่างที่บอกนายหญิงแล้วนั่นแหละนานอินเป็นคนไปบอกไอ้พวกเสือร่องเองว่าให้มันย้ายกันมาที่นี่บ้างเพราะพวกมันบางส่วนก็เลยอพยพย้ายกันมาก่อนนี้มันก็เรียกตามชื่อเดิมว่าหุบช้าง นลพินมาตั้งให้หมาว่าตะเคียนทองเพราะต้นตะเคียนทองเต็มไปหมดทั้งป่าดารินพยักหน้าช้าๆนี่เป็นความรู้ใหม่สําหรับหล่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านชาวดอยที่ทั้งคณะกําลังบ่ายหน้าตรงลงไปแล้วถามจริงๆเฮอลุงบริเวณหุบช้างเก่าหรือหมู่บ้านตะเคียนทองที่เราที่เรากําลังจะลงไปถึงนี่นี่ยในชีวิตของลุงที่ชํานาญมาก่อนแล้วพอจะรู้บ้างไหมว่ามันมีสิ่งดี้ลับอะไรอาถรรพ์อยู่บ้างเอานี้ พูดให้ฟังง่ายๆเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกครองดูแลนะดารินกระซิบถามไม่ให้ใครได้ยินทั้งสิน้นนอกจากนานอินเท่านั้นแกเดินเคี้ยวใบกระท่อมเงียบๆไปพักหนึ่งและพูดอ้อมแอมไม่เต็มปากนะมันก็พูดยากในหญิงแถวนี้จะพูดไปเจ้าป่าเจ้าเขาก็แรงไม่ใช่เล่นขนาดปืนลงเวทมนต์ของนานอินแท้ๆบางทีก็ยิงออก บางทียิงไม่ออกเ่อเฉยโดยเฉพาะบริเวณป่าละแวกใกล้หมู่บ้านตะเคียนทองใกล้ๆกับลําธารตะกอนนี้ว่ามันเป็นว่ามันเป็นปืนแก๊ปเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่พอมาสมัยที่น้านอินเอาไรเฟิลดีๆแล้วมันก็อีหลบเดิมบมจะยิงไม่ออกมันก็ยิงไม่ออกเฉยเฉยงั้นแหละเหมือนมีมหาอุดสีหน้าของดารินยิ่งประหลาดใจเพิ่มขึ้นแปลกเมื่อมาได้ยินลุงพูดแบบนี้เข้าอีกตอนนี้ก็แล้ว ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าวิทยุเรารับส่งไม่ได้เลยนานอินรู้แต่ไม่อยากพูดอะไรมันก็เหมือนเหมือนกับบางคราวที่นานอินหรือใครๆก็ยิงปืนไม่ออกนั่นแหละสําหรับในแองของหูช้างนี่หลุงเองก็มีวิชาอาคมเป็นถึงพรานยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพงไพรมาจากหนุ่มจนแกทำไมไม่ลองค้นหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไรนานอินเขานายุ่งยากอึดอัดใจ นายหญิงต้องรู้ว่าที่นานอินมีชีวิตอยู่ในป่าดงมาโดยตลอดก็เพราะสัจจจและปฏิบัติในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่หักหานท้าทายหรือโอหังลําพองอะไรที่เขามีอํานาจอยู่เหนือเราเราก็ให้การคารวะหลีกเลี่ยงเสียไม่ท้าทายลองดียกเว้นแต่ว่ามีเจตนาร้ายจะมาราวีเอาชีวิตกันเท่านั้นก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์เท่าที่มาแล้วนั้นนานอินไม่คิดว่าอาถรรพ์ของหุบช้างจะเป็นอันตรายต่อกับ อันตรายกับนานอินผ่านไปพักก็มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นอนหลับสบายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยสแสดงว่าเทพ ย, ายดาอารักที่โปกปักอยู่ให้คุณและเป็นมิตรแต่ที่ยิงสัตว์แล้วกระสุนไม่แลนสัตว์หนีไปได้นานอินก็คิดว่าเจ้าป่าคงจะไม่ต้องการให้นานอินฆ่าสัตว์ตัวนั้นจึงหยุดปืนไว้และมันก็หนีไปโดยไม่ได้เข้ามาทาร้ายนานอินแม้แต่เสือโคร่งใหญ่แต่เอาเถอะ นายหญิงสงสัยอย่างนี้ก็ดีแล้วคืนนี้เวลาเราไปพักที่นั่นตอนดึกๆนานอินจะเข้าพิธีนั่งภาวนาอัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาลงมาสอบถามแต่จะลงมาให้นานอินได้พบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หลุงคิดว่านายละพินเขารู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์ของบริเวณหุบช้างนี่เหมือนลุงบ้างหรือเปล่าหล่อนเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นอีกครูพรานครูพรานทำหน้าเคร่งลงแกมองกวาดออกไปยังทั่วทิวเขา ที่แลเห็นเป็นกำแพงล้อมอยู่รอบด้านบังอยู่หลังป่าทรรมนที่เห็นอยู่เบื้องล่างในลักษณะเหมือนปีกที่โอบไว้เป็นรูปครึ่งวงกลมนายละพินจะรู้หรือเปล่านานอินก็ไม่รู้ได้ก่อนนี้เราก็ไม่เคยพูดอะไรถึงหุบเขาแห่งนี้เลยแต่แกก็ผ่านเข้าเข้าออกๆเหมือนอย่างนานอินเหมือนกันนานอินขบวนทั้งหมดของฝ่ายเชิดาภายใต้การนําของอนุชา เครื่องไกล้ตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านตะเคียนทองเข้าไปเป็นลําดับขณะที่ตะวันบ่ายจัดกําลังแตะอยู่บนทิวของยอดไม้ ด, ด้านตะวันตกท่ามกลางความเงียบอย่างเต็มไปด้วยปริศนาหน้าคิดไม่มีสับจำเนียงใดๆมาให้ได้ยินเลยไม่ว่าคนหรือลิงไม่ว่าคนหรือสิงสาลาสัตจตุลบัสนอกจากเสียงจักจันทร์รองในที่แซดแซ่วางเวงมาจากริมทางผ่านเท่านั้น ครันแล้วช่วยไม่นานต่อมาขบวนทั้งหมดก็เดินตามหนทางลาดต่ำลงทุกขณะก็พบเข้ากับเส้นทางอันเป็นรอยคนเดินพาดตัดไปตัดมาซึ่งก็คงจะอาศัยด่านสัตว์เดิมนั่นแหละแต่มาในระยะหลังๆคุณคงจะเดินเสียมากกว่าสัตว์เพราะการเข้ามาตั้งเป็นถิ่นฐานปักหลักอยู่ที่เรียกว่าหมู่บ้านตะเคียนทองนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องน่าสงสัยเพราะ พ อ, อย่างเข้าสู่ดงไม้ก็มองเห็นป่าตะเคียนยืนพื้นเป็นไม้หลักขึ้นเต็มไปหมดลําห้วยขนาดค่อนข้างใหญ่แต่น้ำตื้นๆทอดขวางผ่านปากทางเข้าไปทุกคนพากันเดินข้ามโดยลุยน้ำในส่วนตื่นที่สุดแค่เขาและเลือกเย็บไตไปตามแก่งแก่งแง่โคดหินการเดินกรากรรำในป่าอันแห้งแรงมามาทั้งวัน เมื่อพบกับเส้นทางน้ำไหลขนาดใหญ่เช่นนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าพบเข้ากับขมุมทรัพย์หรือแหล่งประทางชีพให้ความแช่มชื่นขึ้นแต่ที่ลำธารที่ไหนก็ย่อมแสดงว่าน่าจะใกล้ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ผมากเท่านั้นเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ำถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศก็ยังเงียบวังเวงจนบอกไม่ถูกมนุษย์หยุดชะงักนิดนึง เมื่อข้ามลำทานพ้นมายังอีกฝากหนึ่งได้ดารินสังเกตเห็นพี่ชายกลางขยับลูกเลื่อนขึ้นนกไล่เฟื่อนชา้ชาๆแผ่วเบาในขณะที่ตามองไปยังละเมอะไม้เบื้องหน้าอาศัยจากความเคยชินที่หล่อนเคยมีประสบการณ์มาก่อนแหละพอเห็นดังนั้นหญิงสาวก็ขยับลูกเลื่อนขึ้นนกตามทันทีเหมือนกันนานอินเร่งฝีเท้าเดินแรกทุกคนขึ้นไปพร้อมกับบอกเบาๆ ว, ว่า รานชดและพวกเจ้านายคอยเดินตามหลังนานอินไว้ให้นานอินเดินนาหน้าไปดีกว่าหมู่บ้านของไอ้โบเมียอยู่ข้างหน้าใกล้นี่แหละรับโค้งไปข้างหน้านั่นก็จะมองเห็นแล้วแต่ทำไมมันถึงเงียบกันจริงจริงแล้วแกก็ออกเดินนาหน้าดุมดุมไปในทันทีอนุชาก้าวตามหลังตาคมไวกวาดไปตามละเมะไม้ริมทางผานรอบด้านอย่างระมัดระวังเต็มที่เชธฐาชัยยันและดาริน เดินเรียงเป็นหน้ากระดานไรเฟิลของทุกคนขณะ น, นี้ถือเฉียงปากกระบอกสูงขึ้น45องศาพร้อมที่จะวาดไปได้ทุกทิศทางและลูกกระสุนประจำพร้อมอยู่ในลังเพลิงจักรจันเลลายที่เคยแซดละง ม, มดงบัดนี้มันเหมือนจะนัดกันไว้หยุดกริบไปหมดเหมือนกับว่าทุกคนกำลังเดินไปในโบสล้างคงได้ยินแต่เสียงลมหายใจของแต่ละคน และเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่าไปตามพื้นใบไม้แห้งเท่านั้นวูไปไหนกันหมดโว้ยเสียงหนานอินกูร้องเรียกให้เสียงขึ้นเบาๆขณะที่แกเดินไปตามเส้นทางนั้นและทุกคนก็เย็นไปทุกขุมขนเพราะแทนที่จะได้ยินเสียงมนุษย์คนใดออกมากลับได้ยินเสียงหอนเยือกเย็นของหมาป่าหรือไม่ก็พวกหมาจิ้งจอกประสานรับกันขึ้น ละ ง, งมแล้วต่อมาก็กลายเป็นเพียงขู่คำรามและเห่าแทะไปหมดมันดังออกมาจากหมู่บ้านนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปดูเลยลุงอินอนุชาตะโกนสั่งความแล้วเงยปากระบอกไรเฟิลจุดสห้าของเขาขึ้นฟ้าเนียวไกลั่นคลื่นขึ้นกำปนาแทงเสียงปืนล่าสัตว์ขนาดหนักสะเทอนไปทั่วทุกกิ่งใบของต้นไม้ และแก่งแง่โคดหินรอบด้านมันซ่าสถานกล้องกลับไปกลับมาเพราะเสียงครื่รนเสียงคงจะลอยไปกระทบโคดเขาหน้าพาที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านออกไปนักกรบเสียงเห่าหอนประหลัดนั้นหมดสิ้นทั้งหมดชะนักเกึกอยู่กับที่ยังเตรียมพร้อมจากเสียงปืนของอดีตพรานชดนั่นเองทาให้หอนโฉและเห่าอยู่บล็อกบ็อกแส่ดงอยู่เงียบกริบลงในทันที กลายเป็นเสียงวิ่งเตลิกระจัดกระจายสวบซาบไปตามพงไม้ยังตื่นตระหนกแต่ค ร, ครับคลายครบคลาจากโซลประสาทอันฉับไวของอันฉับไวเจนป่าของทุกคนว่าทิศเหนือของทางน้ําไหลขึ้นไปในระยะห่างไกลมีเสียงเคลื่อนไหวอยู่กรุราหนเสียงร้องก๊อกแ ก, ก๊กเสียงกระพือปีกแต่สำเนียงยังไม่ชัดเจนนะักเนื่องจากความทึบทะมึนของป่าไม้ตลอดจันเนินสูงสูงต่ตําๆรอบด้านบังไว้ ผิดปกติไปจากที่ระหวังไวแล้วครับพี่ใหญ่อนุชาพูดเร็วปรือได้โบกมือไปอยังนานอินผู้ยูนเหมือนจะคิดอะไรอยู่ลุงเข้าไปดูเร็วๆเหอะมันไม่ชอบกลเซียแล้วนานอินสาวเทาว้ารวดรวดเข้าไปโดยไม่รีลออะไรอีกในขณะที่คณะในจ้างทั้งหมดโดยไม่ได้บอกเตือนอะไรกันเลยต่างวิ่งเหาะๆตามหลังแกเข้าไปอย่างร้อนใจพวกลุงหาและขยินผู้คุมหลังก็พลอยแบกของแล่นตามไปด้วย หัลับโคง้งทางด่านก็พบเขากับลานกว้างของบริเวณพื้นที่โล่งเท่านั้นนานอินและทุกคนยืนงงนตาลึงกันไปหมดเสียงดารินอุทธรออกมาว่าคุณพระช่วยภาพที่เห็นสะกดระบีบความรู้สึกของทุกคนจนบอกไม่ถูกทำกลางความมึนงงตักจับต้นชนปลายไม่ถูกณตำแหน่งนั้นแน่นอนที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อไม่มกี่วันมานี้เองสังเกตุจา ก, กร่องรอยมันได้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ50าสิถึงหกหลังคาเรือน แต่เท่าที่เห็นอยู่หน้าบัานนี้มันได้กลายเป็นซากง้นปรากหักพังทลายลงมาราพนาสูญอยู่กับพื้นถูกกระชากหรือถอนถลม่ม โ, โคนหมดสิ้นแม้แต่เสาเรือนก็แทบจะไม่มีเหลือข้าวของเครื่องใช้ประเภทกระดง้งกระทายและภาชนะเครื่องใช้ของชาวดอยกระจายอยู่กเกลื่อนกลาบบริเวณละเมะไม้รอบด้านของหมู่บ้านก็แหลกยับเป็นแปลง มันล้างไปเสียแล้วไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวชายยันหลดปลากอุทานออกมาจ้องตาไม่กระพริบเชิดาหลีตาลงในขณะที่อนุชากลิมฟีปากแน่นค่อยๆกวาดตามองค้นหาไปทีละจุดดารินนั้นยืนกายสั่นเทาแต่ก็พยายามบังคับว่าให้เป็นปกติรอนตกใจจต่อสภาพนั้นจนบอกไม่ถูกและเดาอะไรไม่ออกเลยในสภาพที่เข้ามาเห็นอย่างจู่โจมกระทันหันเช่นนี้พวกลูกหาบครั้งแรกก็เงียบกริบและต่อมาก็ เอะลงเลงกันแซตไปหมดฟังไม่ได้สับระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งอยู่กับที่อนุชานานอินและขยินก็พุ่งปราดออกจากที่แยกกันเดินตรวจดูตามบริเวณนั้นทันทีอาการเช่นนั้นทำให้เชิดาชายัยยันและดารินเริ่มมองสำรวจบ้างแต่ออกคำสั่งให้พวกลูกหาบหยุดรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนขณะที่ทุกคนเริ่มกระจายกันออกไปนั่นเอง เสียงเห่าและคำรามยังดุร้ายก็ดังแทรกขึ้นอีกรอบตัวและก่อนที่ใครจะทันได้พูดจาคำใดกันเพราะแยกกันเป็นจุดๆณตำบลณตำแหน่งอันเป็นหมู่บ้านร้างนั้นรำมาะรอบด้านก็แลเห็นแดงพืชไปด้วยหมาป่าชนิดหนึ่งวิ่งผรรัวออกมารอบด้านพร้อมกับแยกเขี้ยวที่เสแยะขาวเฮ้ยระวังมันเอาเราแล้วชายันร้องวกักไอตัวหนึ่งซุ่มอยู่หลังปลวกลูกหนึ่งพุ่งเข้ากระโจนใส่เขาซึ่งก็ถูกเสยปังออกไปด้วย ผ่านท้ายของปืนอันหนักหน่วงด้วยสัญชา ต, ตยานว่องไวคุ้นไัยมันพงหะกระเด็นไปสองทอดแล้วก็แววงกลับเมื่อนนั้นเองเชดิดถาจึงกดปากกระบอกไลเฟื่อนลงพร้อมกับเหนี่ยวไกบึ้มช่วยสถานการณ์ร้ายของชัยยันไว้กระสุนขนาดหนักทำให้ไอตัวนั้นพับอยู่ตรงนั้นเองแล้วพอเปรียงแรกดังขึ้นจากเชดิดา เสียงปืนจากพรรคพวกที่แยกกันอยู่คนละแห่งก็ระเบิดขึ้นสนันดังไปหมดมันมีทั้งไรเฟิลที่ฝ่ายนายจ้างถืออยู่และลูกซองของพวกลูกหาอนุชากับนานอินที่เดินไปด้วยกันทางหนึ่งวิ่งกระจัดกระจายถอยกลับมาแล้วไอ้เขี้ยวขาวตัวแดงอีกฝูงหนึ่งปตัวกำลังกวดตามมาเป็นพรวนขยินกับนายชวนซึ่งบัดนิตรโกนอะไรเอะก็แล่นสวนเข้าไปพร้อมกับปืนลูกซองบรรจุลูก SG หรือดับเบิโอบ ระเบิดทียิบเจ็ดปดตัวเหล่านั้นหมวนกลิ่งดิ้นลนทุรนทุรายอยู่กับพื้นเลือดสาดกระจายบางสงบนิ่งทันทีบางชักและบางก็วิ่งปัดเปเข้าหาที่ซุกซ่อนที่รู้แน่แน่ว่ามันเป็นหมาป่าพันใดพันหนึ่งก็เพราะธรรมชาติที่ร้องโงงหรือเองเมื่อเจอะเอาลูกปลายของกระสุนลูกซองเข้าแต่ยังไม่ตายขาที่ดาเรินถูกเจ้าสีเทาเกือบจะดำตัวหนึ่งเชื่องกว่าทุกตัวเกือบเท่าอันเซเชียนพุ่งรี่เข้าโจนงับ หล่อนกระทุ้งสวนปากมันด้วยปากกระบอกของไลเฟินมันงับกัดหล่อนจึงเหนียวไกคโครมเดียวหัวที่กำลังงับสะบัดอยู่อย่างดุร้ายกระหายเลือดกับปากกระบอกปืนของหล่อนขาดกระเด็นหายไปจากคอในพริบตาเพราะอำนาจ300เวแม็กซ์หยุดในขณะนั่นเองทั้งเชษฐาอนุชาตะโกนก้องฝาเสียงปืนแตกละ ง, งมเพื่อประทา ก, กับการบุกข้าโจมตีของหมาป่าฝูงใหญ่นั้นว่าระวังจะยิงถูกกันเอง ถูกแลในภาวะตะลุมบอลกับสัตว์ประเภทหมาป่าดุดุที่ซุ่มดักรอยเหยื่ออยู่เช่นนี้และฝ่ายมนุษย์ก็แยกกันออกเป็นหลายกลุ่มเช่นนี้อันตรายจากการยิงพลาดไปถูกกันเองมีมากพอๆกับการที่ถ้าปล่อยให้มันเข้าถึงตัวและฝังเขี้ยวลงได้เนื้อคงจะหลุดเป็นชิ้นๆด้วยฟันอันแหลมคมและกรามอันแข็งแรงเท่ากับเชื้อบาททยักรัวโรคกลัวน้ําซึ่งมีอยู่ในสัตว์ประเภทนี้ไหล่เฟื่องที่ฝ่ายนายจ้างถืออยู่ในขณะนี้เหมาะสมสําหรับสัตว์ใหญ่เท่านั้น แต่เมื่อมาเจอกระูงหมาป่าที่ไม่ทราบอาจหานบ้าบินอย่างไรจึงมาดักซุ่มโจมตีอยู่ยังหมู่บ้านร้างมันไม่ได้อตราส่วนกันเลยจริงอยู่ถ้ายิงถูกโครมเดียวก็แทบขาดสองท่อนสำหรับเจ้าสัตว์เล็กเขี้ยวคมและอยู่กันเป็นฝูงเช่นนั้นแต่ความพรุกพรานชุลมุนของพวกมันประกอบกับขนาดที่ไม่ใหญ่โตนะักวิ่งเลียดพันกันอยู่กับพื้นทาให้ยิงด้วยไรเฟินไม่ถนัด และกระสุนไล่เฟิร์นก็มีอยู่จากัดในตัวปืนกว่าจะสลัดกับปลอกกว่าจะยิงซ้ำมันช้าไม่ทันการเสียแล้วในขณะที่มันล้อมจู่โจมเข้ามาแบบนี้ก็เห็นพรานไปหมดไม่สามารถทนายได้ว่ามันจ ะ, ะโผล่ออกมาจากผงลงอีกจํานวนสักเท่าใดที่เห็นชัดๆก็คือถูกปืนตายหรือชักดินชักงอก็ตายไปไอ้ที่เหลือก็แยกเี้ยวขู่คารามสวนควันปืนเข้ามายังรวดเร็ว ลูกซองประเภทบรรจุห้านัดของฝ่ายลูกค่ะและขยินพิสูจน์ให้ชัดได้ได้ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดเพราะแต่ละนัดไม่ต้องเล็งาศาสตร์โครมออกไปครั้งอะไรอย่างน้อยก็ตัวหรือสองตัวจะต้องดินคลุกฝุ่นให้เห็นทันตาและบรรดาลูกค่ะอันแท้ที่จริงก็คือพรานปลาลูกบ้านของระพินเหล่านั้นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าแต่ละคนใจถึงมือถึงด้วยกันทั้งสิน้นขอให้อุปกรณ์หรืออาวุธพร้อมเท่านั้น เสียอย่างเดียวพวกนั้นยิงไปพรางแหย่ปากตะโกนด้วยความตกใจไปพรางเอ็ดอึงลั่นไปห ม, หมดทั้งหมู่บ้านร้างเพียงแค่ห้าหรือหวินาทีเท่านั้นของการเปิดฉากโจมตีและการยิงปะทะกับฝ่ายมนุษย์ฝุ่นผงคลีบริเวณนั้นตลกไปหมดและสร้างความวุ่นวายเหลือที่จะกล่าวให้ได้ไม่มีใครสามารถที่จะจับสังเกตหรือคอยช่วยเหลือใครได้ถนัดนอกจากจะหาทางหลีกเลี่ยงตนเองให้พ้นจากคมเคี้ยวของไอ้หมานาลกเหล่านั้นเท่านั้นลูกหาบบางคนบรรจุกระสุนไม่ทัน อีดาบออกมากวัดแกว่งแล้วนั่นแปลว่ามันไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ 10- บหรือยีตัวเท่านั้นแต่อาจมีอยู่เป็นหร้อยและอาจถาถมเพิ่มปริมาณเข้ามาอีกเท่าใดไม่รู้ได้ดารินถูกเชิฐากระชากให้หลบไปข้างหลังพร้อมตะโกงลัน่นถอยไปเอาลูกสองจากพวกลูกหาบซักกระบอกเร็วไลเฟินยิงมันไม่ทันแน่และพร้อมกันนั้นอดีตท่านทูธทหารบกหัวหน้าคณะก็กระตุกปืนพกสั้นติดเอวขึ้นมารู้สึกว่ามันจะคล่องแคล่วกว่าไลเฟินที่ย่อนลงกับพื้นชั่วคราวก่อน เขากวาดลํากล้องปืนไปยังตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วเหนียวไกเ ป, เปรียงหูดับตับไม้กระสุนจุดส ส, สแม็กนัมมันก็ยังแรงไปสําหรับสัตว์ประเภทตัวเล็กแต่อันตรายมากเชินดนี้แต่ละตัวที่เจาะเข้าทีโครงหกักไชทลักหรือไม่ก็หัวแบกหายไปเป็นกระบิ่ชยยายยานนั้นไม่ถนัดในการใช้ปืนพกพไรเฟิลในมือกระสุนหมดเขก็โกลยเข้าไปที่กองสัมภาระที่ถูกทิ้งอยู่มันก็พอดีกับที่อนุชาและหนานอินห้อมาถึงพอดี พระเจตนาตรงกันเอา M16 ออกมาเร็วอนุชาร้องกระหูดกระหอบขากลางขากางเกงข้างหนึ่งของเขาถูกรอยเขี้ยวกระชากขาดรุ่งริ่งไม่ถึงอึดใจทั้งอนุชาและชา ย, ยันก็กระชากเอาไรเฟิลอัตโนมัติกระสุน 5.56 มมอันเป็นปืนในราชาการสงครามขึ้นมาได้3กระบอกกระชากโลกขึ้นลำแล้วชา ย, ยันก็ตะโกนสุดเสียงทุกคนมอบลงหมอบราบกับพื้นจะล่อมัอน้วยไอหนีแล้ว ดารินกำลังวิ่งเขามองเหมือนกันพอมองเห็น M16 ฐานหดได้แบบคอมมานโดขึ้นมาอยู่ในมือของพี่ชายและเพื่อนเชนนั้นหล่อนก็จะหายวูบเพราะปรากระบอกลำกล้องมันส่องมาทางหล่อนพอดีหญิงสาวทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นทันทีส่วนเชิฐาก็ซุดตัวหมกมันนั่นเอง M M16 ของพลร่มทั้งสองกระบอกจากมือของอนุชาและชา ย, ยันก็แพร์ระงมเป็นชุดๆ ช, ช่วงสั้นๆชดละสามสีนัดกระดาดไปรอบชิดสุดแต่เห็นไอหมานรกพวกนั้นกระโจนแผลว์แผลวมาทางไหน อนุชายโยนอีกก็บอกไปให้ดารินแต่หญิงสาวเวียงต่อไปให้พี่ชายใหญ่เพราะเขาอยู่ใกล้อันตรายมากกว่าหลอนซึ่งบัดนี้อยู่ในรัศมีการยิงคุ้มครองแล้วเชตถาใช่รองเท้าคอมแบตยัดปากของไอตัวหนึ่งไว้ได้ทันก่อนที่มันจะเล่นงานน้าแข้ ง, ขงเขาแล้วเขาช่วย M16 มสิบหกได้ผงกหัวขึ้นปล่อยพลุออกไปชุดหนึงสนัดไอหมาปากเขี้ยวคมจ น, น, น ก, ก็เดินไปแล้วก็ไปกองแฝกของบ้านล้างไปกองอยู่ในกองแฝกของบ้านล้างที่ถล่มลงมาถมุมอยู่กับพื้น เรือ่องสองตัวก็ปรีตามหลังมาก็พลอยฟุบไปด้วยทั้งส่สรนกระตุกพราดพลาดและเมื่อ น, นั้นเองอาวุธสงครามที่เตรียมพร้อมมาด้วยยังไม่คิดที่จะใช้ยิงอะไรนอกจากยิงคนก็ประสานกันชนิดป่าแตกกระสุนมันเล็กก็จริงแต่ความเร็วสูงและยิงรัวเป็นกลได้แบบนี้สานการณ์ร้ายของฝ่ายมนุษย์ที่ทาว่าไม่ใครก็ใครจะถูกลุมกับเวะรวะไปบ้างเป็นแน่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นในพริบตาอนุชา ชายยันและเชิฐาส่องเก็บยังรวดเร็วไปทีละตัวเท่าที่มองเห็นโดยระมัดระวังไม่ให้วิถีกระสุนกดต่ำไปโดนอภักพพวกที่ล้มตัวลงหมอบติดดินเสียงป่าสะเทือนอยู่พักใหญ่เท่านั้นแม็กกาซีนแต่ละกระบอกบรรจุเต็ม30สิบนัดรวมเป็น90้าสิบแต่ละคนยิงไม่ถึงครึ่งของแม็กไอ้หมาโซดุร้ายกระหายเลือดเหล่านั้นที่โผล่ออกมาก็ถูกกวาดเรียบวิ่งกันป่าแตกหางจุกตูดอนุชากราตามไปรอบด้าน พร้อมกับชัยยันกิ่งใบไม้และมูลดินรอบด้านกระตุยกระจายไปหมดเสียงเอ้งเองดังประสานมากับอํานาจยิงรัวเร็วเป็นชุดเหล่านั้นบางตัวเห็นชัดๆว่าวิ่งสามขาหกเมนตีลังกาตะเกียกตะกายหัวสุกหัวสุนจะเข้าพงรกแต่อนุชาก็ยิงไม่เลี้ยงสัตว์ตามหลังมันไปจนกระทั่งเศษเนื้อของมันปลิวกระจายขึ้นมาพร้อมกับกระเซ็นเลือดเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็แค่ไม่เกิน3นาทีเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันกระทันหัน บัดนี้ทุกอย่างราบคาบลงตามเดิมซาของไอหมาป่าพวกนั้นกองกระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไปเนื้อตัวรุ่งริ่งไปด้วยอำนาจปืนนานาชนิดแต่ส่วนมากถูกสังหารด้วยลูกซองและปืนกลพลร่มสามกระบอกพวกมันเพ่นไปกันหมดแล้วคงจะไม่มีตัวไหนบางอาจหลบอยู่ตามสมทุมพุ่มพลึกอีกเพราะอนุชาชัยยันและเชษฐาสงสัยที่ใดก็กรอกกระสุนเข้าไปเป็นชุดกิ่งไม้ขนาดข้อมือพังยับ ไอสัตว์ประเภทหมาป่าจะอยู่ได้อย่างไรไหวบัดนี้จึงเหลือแต่ควันที่มีกลิ่นฉุนหน้าเวียนหัวกับ พ, กพวกที่กระจายกันหมอบอยู่ตามที่ต่างๆเท่านั้นเสียงวิ่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดห่างไกลเอาไปอย่างรวดเร็วทุกคนตรวจดูตัวเองใครถูกกัดแม้แต่เพียงนิดเดียวบอกนายหญิงต้องฉีดยาทันทีอดีตพรานชดล้อนตะโกงขึ้นดังลัน่นไปยังหมู่พรานพื้นเมืองซึ่งบัด น, นี้ค่อยๆลุกขึ้นมายืนเชิดฐาพระออกมาจากตำแหน่งที่ยืนปักหลักยิงอยู่นั้นวิ่งเข้ามายู่ปีกน้องสาว ที้งยังนอนคว่ำหน้าเอามืออุดหูอยู่เพราะเสียงอันแพรสนันของปืนคนทั้งสาม ก, รก็รบดารินเป่าลมพูออกมาจากปากเรียบร้อยไม่ใช่หรือน้อยครับพี่ใหญ่ไล่เฟื่อนไลเฟื่นของน้อยอยู่ไหนนู้นเธอทิ้งพัดหลุดมืออยู่โนูนไม่ใช่หรือว่าแล้วพี่ชายใหญ่ก็เดินเข้าไปช่วยไลเฟื่นของตนเองและน้องสาวนำเข้ามาเสียงชายยันตะโกนด่าพ่อร่อแม่ไอห ม, หมปาป่าพวกนั้นสนั่นวันไว ขณะที่ยิงจนหมดกระสุนลูกเลื่อนเปิดค้างแล้วเขาก็ยัดแม็กใหม่อีกอันนึงสวมเข้าไปแทนที่มาให้โคดเตียมึงแหกันเข้ามาอีกเห็นนี้ไปทําไมเข้ามาสิอดีนายทหารปืนใหญ่ขบเขี้ยวเค้ยวฟันร้องด่าท้าทายเอ็ดอึงไปหมดขณะนั้นทุกคนกําลังเข้ามารวมกลุ่มและสํารวจตัวเองว่าใครโดนเคี้ยวของเจ้าหมาป่าพวกนั้นบ้างพูดกันล้งเล้งว่าจะมาตั้งตัวสํารวมสติกันได้อีกครั้งก็อีกสอานาทีผ่านไป โชคดีที่สุดที่ไม่มีใครในคณะถูกขุมเขู่และน้ําลายของพวกมันเลยสักคนเดียวอย่างมากที่สุดก็แค่ถูกกัดกระช่าขากางเกลขาดไปบ้างเท่านั้นเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายๆไม่มีใครเอาใจใส่นะักเมื่อพบว่าในคณะไม่มีใครเป็นอันตรายตังก็พอใจแล้วไม่สนใจแม้แต่จะนับว่ามีหมาป่าถูกยิงเกลื่อนไปกี่ตัวแต่หันมาเอาใจใส่กับหมู่บ้านตะเคียนทองอันสภาพของมันเต็มไปได้วยปริศนาอีกครั้ง โน้นนะ้าไอ้พวกนั้นมันเป็นลุมแทะกันอยู่ที่กองกระดูกนูน่นพอพวกเราพอพวกเรามามันก็เลยลุมถึงเพราะันึกว่าเจอเยื่ออย่างดีไอ้พวกนี้ถ้าสองตัวสองตัวก็ไม่กระไรนักหรอกมันหนีมากกว่าสู้แต่ถ้าพวกมันมากจับฝูงกันตั้งแต่ 30-40 ตัวขนาดเสือมันก็ยังเอานานอินบอกพร้อมกับชี้มือไปยังกองกระดูกขาพรโรนที่มองเห็น อยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ด้านซ้ายมือของลานหมู่บ้านบริเวณ น, นั้นมีรอยกองไฟเผาไว้ไหมเกรียมกินอนาบริเวณกว้างไม่น้อยกว่าสิบตารางเมตรและเผาเอาต้นตะเคียนต้นนั้นยืนต้นโสมตายใบเหลืองไปด้วยทุกคนของไฟในจ้างมองไปเป็นตาเดียวเกิดอะไรขึ้นนี่หมายความว่ายัางไงจากสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เชิดทาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเหินเหืดเข้าไปดูกันที่กองกระดูกนั่นเถอะครับรู้สึกว่าจะมีการยาปนากิจศพกันที่ตรงนั้น แต่หมู่บ้านที่ทลายแหลกเป็นแปลงลงไปทั้งหมดจนล้างไม่มีคนนี่ฝิตีนช้างแน่ๆอนุชาบอกแผ่วตาทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปยังตำแหน่งกองฟอนเหมือนใครลากเอาศพจํานวนมากมาสมกองไว้เผารวมๆกันไว้ทันทีเป็นกองกระดูกมนุษย์กองใหญ่ทีเดียวและเมื่อเข้ามาสังเกตกันจริงๆในระยะใกล้เช่นนี้จึงเห็นว่าชิ้นส่วนถูกดบับชิ้นส่วนถูกขาบกระจายเพ่นผ่านเกลื่อนบริเวณไปหมด ไม่ได้มีเฉพาะในบริเวณที่ถูกรวมเผาอยู่เท่านั้นไม่มีปัญหาก็ไอสัตว์ประเภทหมาฝูงนั่นแหละที่คาบเอามาแทะลักษณะของกระโหลกมีทั้งเล็กและใหญ่อันแสดงว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปัญหาขั้นแรกทุกคนจะต้องคบคิดก็คือคนครอร้ายเรานั้นเสียชีวิตเพราะอะไรมันเสบเนื่องมาจากร่องรอยของการพังพินาศเป็นจุนของหมู่บ้านตะเคียนทองนี้ด้วยหรือเปล่า ฝ่ายไหนเป็นผู้ที่นำเอาศพเหล่านี้มารวมเผาเสียลักษณะของการเผาทํำลายก็เพื่อให้พ้นจากความทุเล็นั่นเองข้อนี้ดูไม่ยากและท้ายสุดหมู่บ้านตะเคียนทองกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเสียแล้วพวกนั้นนี้หายพระย้ายถิ่นไปอยู่เสียที่ไหนทุกฝ่ายนายจะทุกคนของฝ่ายนายจ้างนานอินขยินและแม้แต่พวกลูกหาบทุกคนก็ไม่มีใครงุ่เกินไปนักที่จะไม่หันเข้าพิจารณาถึงปัญหา อันเป็นปริศนาท้าทายให้คิดนี้มันจะต้องอ่านกันด้วยหลักฐานเท่าที่เหลือให้เห็นปรากฏอยู่และนํามาประกอบข้อสันนิษฐานประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่ทุกคนก็ติดตามรอยคณะของรพิน์ชนิดเก็บหลักฐานมาได้เป็นลําดับทุกระยะอันถือเป็นต้นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วสําหรับข้อที่จะสันนิษฐานต่อไปรอบด่านใกล้เคียงบริเวณกองฟองนั้นเมื่อทุกคนกวาดตามองไปก็เห็นชาตากิ่งไม้สดๆมากมาย มีรอยถูกตัดเพื่อนำมาสมเพิ่มเติมกับกิ่งไม้แห้งสำหรับการเผาหมูอย่างขนาดใหญ่นี้ระหว่างที่ต่างยืนพิจารณาใคร่ครวนอีกครั้งนั้นอนุชาเดินสำรวจไปยังบริเวณละเมะไม้ใกล้เคียงที่มีรอยถูกตัดถูกลากเข้าขมากองสม ก, มก้มเงยอยู่พักเดียวก็บอกว่าพวกของระพินแน่ครับที่ผ่านมาพบหมู่บ้านนี้พร้อมทั้งศพคงเห็นทุเรศเต็มทีก็เลยช่วยกันเก็บยาปนากิจเสีย ซึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาขุดหลุมฝังอยู่หลักฐานของพวกที่เผามีอยู่หลายอย่างที่ชัดว่าจะต้องเป็นพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบของระพินก็แปลว่าพวกเขาบ่ายหน้ามาที่นี่อย่างที่เราคิดเอาไว้แล้วก็พบวก่ว ก, กับความพินาศของหมู่บ้านอันเกิดจากการบุกเข้าถล่มโจมตีของช้างโขงเชษฐาเอ่ยขึ้นช้าๆอย่างพยายามลําดับภาเพเหตุการณ์แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหตุลายที่เกิดขึ้นนี้ได้เกิดขึ้นก่อน เรื่อภายหลังที่คณะระพินเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้เหตุวินาศเกิดขึ้นก่อนแน่ครับพี่ใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นขณะที่ระพินกับพวกมาถึงก็แปลว่นนาเขาจะต้องประจันบานกับไอ้ช้างร้ายพวกนั้นซาของมันก็จะต้องทิ้งเกลือนให้เราเห็นอยู่เหมือนตรงที่เราพบที่ป่าภพยอันพานมาแล้วเมื่อตอนเที่ยงเขาคงไม่ปล่อยให้มันบุกเข้ามาทลายบ้านและฆ่าคนในหมู่บ้านเล่นได้ไง่ายๆหรอกพี่ชายใหญ่ก้มจีรซาลงนิดนึง ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพินกับพวกมาถึงนี่ในเวลาห่างประมาณสักเท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกรเลียงตะเคียนทองครนี้ก็อาจเดาได้เท่ากันว่าอาจจะวันสองวันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราจึงมาถึงอาจเร็วหรือช้ากว่านั้นคงไม่มากนะเมื่อมาถึงเราก็จะต้องพบอย่างเดียวกับสภาพที่เราเห็นอยู่นี่แหละผิดกันแต่เพียงเขาจะต้องพบศพเกลือนอยู่ด้วยจึงสั่งให้เอามาเผาวรวมกันใช่สภาพ สภาพพังพินาศของหมู่บ้านมันแสดงว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่พวกที่รอดตายก็คงอพยพเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไปแล้วเราจบพลานชดก็หันไปตะโกนร้องถามเขยินกับนานอินที่กำลังพยายามคุยเีายตามซอกบ้านเรือนของกเรียงที่พังทลายอยู่เสียงนานอินตอบมาว่าพวกนี้อพยพไปหมดแล้วนายไม่มีของกินของใช้เหลืออยู่เลย เก็บกันไปหมดเท่าที่จะขนไปได้หรือแต่ของไม่จําเป็นที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นเกลือหรือข้าวสารสักเม็ดก็ไม่มีเม็ดมีแต่ลอยหรือขนกวาดเก็บไปศพพวกนี้มีอยู่ไม่เกิน20สบศพมั่นคงไม่ได้หมายความทั้งหมู่บ้านถูกช้างฆ่าตายทั้งหมดไม่ใช่หรือชา ย, ยันทามมาบ้างในระหว่างที่ดารินนิ่งเงียบหล่อนใช้วิธีอ่านและฟังการสแสวงหาร่องรอยจากพักพวกประการเดียว เพื่อสรุปข้อสันนิษฐานอย่างไม่แสดงความเห็นใดๆก่อนทั้งสิ้นไม่หมดล็อกนายทหารบางส่วนเท่านั้นคงเป็นคนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กที่หนีไม่ทันนานอินตอบแล้วทั้งแก่และขยินกับอนุชาก็เดินเข้ามาสมทบอีกครั้งไม่มีล่องรอยช้างถูกยิงล้มตรงนี้สักตัวเดียวแสดงว่ามันบุกเข้ามาในเวลาที่พวกนี้เผลออาจเป็นตอนกลางคืนและอาวุธก็ไม่ดีพอที่จะหยุดมันได้ และบุกเข้ามาตามธรรมเนียมของมันอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่แล้วหรือบีบล้อมเข้ามาทุกด้านเป็นกองทัพเลยญาตราเขาย่ําทําลายมีรอยของละพินตั้งแคมป์พักอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้างไหมเช็ดถาเอ่ยถามขึ้นอีกบริเวณนี้ไม่มีครับแต่ผมว่าอาจไม่ห่างจากที่นี่นักหรอกที่ลพินจะต้องพักขบวนของเขาลงก่อนคงไม่เดินผ่านไปเสียเพราะกะเวลาดูว่าเมื่อเข้ามาถึงที่นี่ก็คงเป็น เวลาเย็นใกล้ค่าอย่างพวกเรานี่แหละเวลามันไม่อำนวยให้คณะของเขาเดินต่อไปได้อีกไกลและอีกอย่างหนึ่งร่องรอยจากการเผาศพนั่นซึ่งจะต้องเสียเวลาไม่ใช่น้อยก็แปลว่าเขาจะต้องอยู่ในละแวกไม่ห่างนักนะวันที่มาถึงมิฉะนั้นจะเอาเวลาที่ไหนมาเผาซากศพได้ถ้าไม่หยุดพักนี่เราผิดหวังอย่างแรงและคานวณกันไม่ถูกล่วงหน้าเลยนะว่าจะมาพบอาหมู่บ้านตะเคียนทองร้างในสภาพที่ถูกโคตรภยัย ทำลายเส้ยแหลกลานแบบนี้รัศมีจากหมู่บ้านนี้กับบริเวณที่เราพินปะท่ากับโครงของมันจนยิงทิ้งไว้เกเอนที่ป่าภายัยมันก็ไม่ห่างกันนะยิ่งนึกย้อนไปตลอดเส้นทางที่มันดักโจมตีเราเป็นระยะระยะมันก็เส้นทางใกล้เคียงกันทั้งนั้นแสดงว่ามันคอยดักอรารวาสเล่นงานทุกคนอยู่ในละแวกรัศมีสามสิบตารางกิโลเมตรนี่แหละเฮ้อหวังที่จะได้พบพวกตะเคียนทองสักคนที่นี่ เพื่อจะได้หาข่าวอะไรบ้างก็ฟาวสิแล้วกลับกลายเป็นปริศนาน่ากลัวให้คิดทิ้งไว้เห็นเสีอีกเชษถาว่าพรางหันไปมองดูรอบๆ อ, อันเต็มไปด้วยล่องรอยแห่งความพินาศยับเยินของหมู่บ้านร้างอีกครั้งถ้าพี่กลางกับทุกคนแน่ใจว่าคณะของระพินจะต้องพักอยู่ในละแวกไม่ห่างเกินไปนะของหมู่บ้านนี้ก็ออกสำรวจเถอะคะ่ะถึงพวกเราเองก็เหมือนกันจะต้องหาที่พักให้ได้ก่อนค่าวันนี้ เพราะเราก็มีมีทางเดินในเวลากลางคืนเหมือนกันต้องยุดที่พักไว้ก่อนดารินเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆเพื่อจะพบเจ้าด้วนของหล่อนในยามนี้บ้างแต่ก็ไม่ปรากฏวี่แววของมันเลยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกระดึงผูกคออนุชาโบกมือกับทุกคนให้ตามเข้าไปแล้วย้อนเข้าไปหาริมฝั่งทานน้าอันอยู่ไม่ห่างนักแล้วก็เดินไต่เรียบขึ้นสูงไปตามแนวโขดหินนั้นทั้งขบวนก็เคลื่อนตามไปทันที ก็บริเวณที่อดีตพรานชดเลือกเดินตัดขึ้นไปทางเหนือของหมู่บ้านนี้เองแหละที่พบหลักฐานก้นซิ ก, ก้าและบุรีทิ้งอยู่เป็นระยะแสดงว่าเส้นทางเดินของระพินกับฝ่ายนายจ้างมุ่งไปทางด้านนั้นจริงๆเท่าๆกับแสดงชัดอีกครั้งโดยไม่ต้องกังขากันอีกต่อไปว่าอนุชาวล า, าลิศนั้นเป็นนักแกะรอยระดับอาชีพอย่างแท้จริงคนหนึ่งจากชีวิตพนเนจรในดงลึกในอดีตของเขาการเดินเป็นไปกันอย่างเร่งรีบ แห่งกับแสงของที่วาการที่มืดสลัวลงทุกขณะครั้นแล้วช่วไม่อีกอึดใจลมก็โชยมาจากด้านเหนือคราวนี้ทุกคนแทบสำลักด้วยกลิ่นเน่าอย่างรุนแรงเฮ้ยมีซากตายเน่าอย่างมโหลานอยู่ข้างหน้าเราอีกแล้วชยันอุทานยกมืออุจมูกโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องฝีเท้าหน่อยทุกคนเราจะต้องพบหลักฐานเพิ่มข้างหน้าใกล้ๆนี้แน่ๆเชิฐากระโดดขึ้นไปบนโขดหินสูงโบกมือต้อนพวกลูกหาบที่เดินเข้าขบวนมาและร้องเร่งอยู่ตลอดเวลา จากนั้นช่วงไม่เกินสิบนาทีทัง้งคณะก็มายืนจังงังครางกันแซดในลำคอยอยู่ที่โคกเหนือฝั่งทานตอนหนึ่งโอ้โหเสียงชา ย, ยันครางขึ้นอีกตาเบิกโพรงภูเขาที่กองอยู่เป็นหย่อมๆนบริเวณพื้นที่ค่อนข้างโลง่งบริเวณตัดกับหน้าผาชันไม่ห่างออกไปนักคือซากช้างตายคราวนี้แทบจะนับจานวนไม่ท้วนทีเดียวมันเต็มบริเวณไปหมดอยู่ในป่ารกก็มีกลางพื้นโลง่งก็มีกินแดนไปจนกระทั่งถึง ตีนเชิงผาที่เห็นอยู่ไม่ไกลอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบตัวทุกตัวขึ้นอึดถึดแมลงวันและฝูงแหลงจับมืดไปหมดนี่เองที่พบแล้วมันทำสงครามใหญ่กันตรงนี้เองนึกแล้วไม่มีผิดอนุชาเสียงหนักๆในลำคอแล้วถามว่าพวกเราพยายามทนกลิ่นหน่อยได้ไหมเราจะตัดตรงเข้าไปที่ตีนหน้าผาที่เห็นนั่นเชื่อแน่วรพินกับพวกนั้นจะต้องมาพักอยู่ตรงนั้นแหละในงั้นคงไม่สัด ก, กันแบบนี้หรอก เราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเลยกลางเพราะจะอยู่ตรงนี้ด้วยเดินตัดเข้าไปมันก็ไอ้กลินพอกันนั่นแหละทุกคนพยายามเดินหลีกน้ําเหลืองหน่อยอย่าไปเหยียบเข้าเชิฐาในฐานะพี่ใหญ่ตัดสินใจบอกโย้ยขยินจะเป็นลมหายใจไม่ออกเจ้านักเลงโตหล่มช้างทาตาเหลือกเข่าอ่อนนานอินใสหัวมันจะก้อนหินขึ้นไปยืนดูอยู่ไปไอเวรหรือไม่ไปเองจะอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าจะอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ตามใจเองขยินสันหัว ขยินไม่อยู่ตรงนี้ขยินไปด้วยเหม็นเป็นเหม็นเกิดมาไม่เคยพบเห็นช้างตายมากถึงขนาดนี้แล้วเกิดมาเองเคยเห็นไมหมเล่าวะช้างยกมาเป็นกองทัพเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านใหญ่ๆจนพังราบไปหมดขยินไม่ตอบทุกคนอยู่ในภาวะจำเป็นสุดขีดแ่าจะเคยชินกับกลิ่นช้างเน่ามาแล้วแต่เท่าที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้มันมากมายเหลือประมาณอนุชาชัยยันและเชิฐถายังถือเป็นปืนกลของพลล่มอยู่ส่วนไรเฟิลสไพล์ไล ก่อนที่ทุกคนจะเคลื่อนที่อนุชาศาสตร์กระสุนออกไปเป็นชุดๆส น, นันวันไหวทั้งตับ30นัดโดยยิงเคลียบริเวณเสียก่อนขับไล่ฝูงแรงหรือสัตว์ร้ายที่อาจหลบซ่อนอยู่ตามซากเน่าอันมากมกายกก่กองเหล่านั้นเสียงปืนย่อมศักสิทธิ์เสมอโดยเฉพาะปืนกลที่รั่วเป็นชุดๆเขายิงกระดาไปรอบๆอยังปราศจากจุดหมายแน่นอนเป็นการยิงเปิดทางเท่านั้นซึ่งก็ได้ผล สารพัดสัตว์ที่มาลุมกัดกินซากเน่าอันมีอยู่มากมายเหลือเฟือเหล่านั้นแต่กระจายฮือกันออกไปหมดหลบเข้าพงรกหายไปส่วนที่เป็นแรงก็บินแตกฮือขึ้นเต็มท้องฟ้าในจำนวนนั้นดูเหมือนจะมีเสือใหญ่อยู่สองสมตัวหลบกินซากอยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่คํารามโหกและเพนพรวดแล่นลาบป่าไปโดยไม่ตั้งใจหรือเจตนาเลยแรง3 ส, สตัวที่กำลังเริ่มจะบินขึ้นทุกกระสุนเอม พลิกหมุนล่างตบตับลงกับพื้นเหมือนใบไม้หล่นเพราะปริมาณของมันหนาแน่นมากเหลือเกินไปครับตัดทางได้แล้วเราเดินกันให้เร็วที่สุดอนุชายิงหมดชุดยัดแม็กซ์ใหม่สวมเข้าไปอย่างเตรียมพร้อมแล้วพยักหน้าบอกกับพักพวกดารินกระโดดจากโคทิินเป็นคนแรกและเป็นคนที่เดินนำตัดดิงลัดเลาะเส้นทางด่านอันจะนาลงสู่ลำธารขึ้นไปในทันทีโดยไม่ยอมฟังเสียงใคร และทุกคนก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดการตรวจพื้นที่ทํากันได้ไม่ถนัดนักซากเน่าที่ล้มขวางอยู่อันเต็มบริเวณไปหมดประการหนึ่งกลิ่นที่แทบทนไม่ได้อีกประการหนึ่งการเวลาเริ่มจะมืดค่ําลงอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งทําให้ทุกคนจําต้องแครงกับเวลาเหลือบมองริมทางผ่านได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นแล้วดารินก็หยุดชะ ง, งักนิดหนึ่งหล่อนเข้ามาถึงบริเวณอันมีหลักฐานพอชี้ชัดว่าเป็นแคมป์พักนอนของคณะละพินแล้ว ่ากลางซากช้างที่กองพเนินเหล่านี้สกิดให้ทุกคนดูแต่พูดแต่ไม่พูดอนุชาเดินตามหลังมาก้มลงเก็บอะไรชนิดหนึ่งที่หล่นกับพื้นนอกเหนือจากปลอกกระสุนที่กระจายอยู่เกลือนกระดาษราวกับอยู่ในยุทธภูมิแล้วผลักหลังน้องสาวให้ออกเดินรุดหน้าผ่านบริเวณ น, นั้นไปโดยเร็วที่สุดทั้งคณะก็ผ่านสถานที่นั้นเข้ามาหยุดพักกันอยู่บนเนินของหน้าผาอันอยู่เหนือทางลมกลิ่นเหม็นยังอยู่ บรรเทาลงบ้างพอจะหายใจกันออกพอสมควรเมื่อนั้นจึงส่งสิ่งที่ถืออยู่ในมือให้พักพวกที่มานั่งเช็ดเหงื่อกันอยู่บนตีนเชิงดูกระเดื่องระเบิด MK2 ใช้ยันร้องขณะที่ฉวยขึ้นมาพิจารณาและส่งต่อไปให้เชิดท้าใช่พวกนั้นเปิดศึกใหญ่เลยนอกจากจะใช้ m 1 6ในการประทะแล้ว ยังมีการคว้างระเบิดทำลายสกัดกั้นด้วยแปลว่ามันบุกตะลุยเข้ามาหนานแน่นแล้วเกินเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นในเวลากลางคืนระหว่างที่พวกนั้นพักอยู่นั่นแหละและตรงบริเวณที่เรามาหยุดอยู่ที่นี่เห็นไหมทั้งปลอกลายเฟิรนลูกซองปลอกกระสุน M16 เกลื่อนไปหมดและไอ้ช้างนารกพวกนั้นก็ยังบุกขึ้นมาถูกยิงกองอยู่บนเนินนี่ด้วยแสดงว่าพวกนั้นปะทะไว้ไม่อยู่แล้วถอยพลางยิงพลางขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผานี่ พวกมันดูท่าเหมือนจะไม่กลัวตายเลยเพราะถูกยิงถล่มล้มตายถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ถอยบุกตะลุยเข้ามาเรื่อยๆจนพวกระพินต้องถอยหนีเองเชิดท้ากัดลิมฟิปากแน่นเดินทางครั้งนี้ระพินลบกับกองพลช้างโดยตรงหลายกองพลด้วยและดูเหมือนจะเป็นศึกติดพันมาตลอดพี่ชายใหญ่พูดกลิ่มๆในลำคอแล้วว่าเราเองก็เหมือนกันคงจะเจอเขาบางแบบเขานั่นแหละ การย้ายตำแหน่งพักจากหมู่บ้านร้างมาหยุดกันอยู่ที่นี่แปลว่าละพินเลือกหาชัยภูมิเตรียมการทีหนีทีไล่ไว้แล้วถ้ามีมีหน้าผาที่เป็นทีน่หนีขึ้นไปอาศัยหลบอยู่ได้พวกเขาคงถูกมันเหยียบแหลกทั้งหมดว่าแต่พวกเราตอนนี้เธอจะเอาอยัางไงกันดีนี่มันเกือบหมดแสงตะวันแล้วนะชัยยันบอกมาโดยเร็วอัดบุหรี่ดับกลิ่นและตอกบาลันดีในกระติกตลอดเวลาซ้ำยังรินลงฝา่ามือนำมาขคิยีกับจมูกกลางเธอจะเอาอยัางไง เชิฐาขอความเห็นมาอีกคนในฐานะที่น้องชายเปรียบเสมือนมคัคุเทศในการนำคณะนี้อดีตพรานชดหันไปปรึกษาหนานอินอึดใจเดียวก็ชี้ขึ้นไปบนหน้าผามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นครับพี่ใหญ่เราต้องไต่ขึ้นไปบนหน้าผานี่แหละหาที่พักบนนั้นหนึ่งปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับคืนนี้เผื่อพวกมันจะย้อนมาเล่นงานเราอีก 2. บนนั้นเป็นที่สูงเหนือลมกลิ่นเน่าจะลดลงได้มาก อยู่ข้างล่างไม่ไหวหรอกครับมีหวังสลบกันหมดทางนั้นอย่าช้าเคลื่อนที่เร็วยังไม่ต้องตรวจดูอะไรให้ละเอียดก่อนทนกลิ่นไม่ไหวจริงๆเรารู้แน่แล้วว่าเขาจะพักกันอยู่ตรงนี้และประทะกับกับมันที่ที่นี่อย่างมโหลานที่สุดอนุชาขยินและนานอินต้อนพวกลูกหับให้ค่อยๆทยอยนำไต่ลากฉุดดึงและทรงกันขึ้นไปก่อน ตามแก่งแง่โขดหินชันอันเป็นส่วนของหน้าผานั้นแล้วตบไหลน้องสาวกับชายันให้ตตยตามขึ้นไปตนเองกับอนุชาปิดท้ายทุกคนเหนื่อยหนักกันอีกในครั้งในการปีนหน้าผาโดยพยายามขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะขึ้นได้แสงที่วาการสลัวรางลงไปทุกขณะและรวดเร็วกว่าในทุ่งโล่งมาก ท, ทั้งทั้งที่เพิ่งจะสิบเจ็ดนอเศษเล็กน้อยเท่านั้นในที่สุดก็ขึ้นมาหยุดกันอยู่ ที่ตะพักหินเรียบกว้างบริเวณหนึ่งลักษณะเป็นชานหินที่โผล่ล้ำออกมาสามารถมองสำรวจไปยังภูมิประเทศเบื้องล่างได้ถนัดกว่าตำแหน่งอื่นสูงขึ้นไปอีกนิดจะมีพโพรงถ้ำทะลุเข้าไปในหน้าผาเต็มไปหมดเล็กมั่งใหญ่มั่งนานอินผู้ชำนาญภูมิประเทศบอกพยายามไต่ขึ้นไปอีกนิดเดียวเราจะได้หลบลมหลบน้าค้างนอนสบายกว่าตรงนี้ พวกเราเหนื่อยกันเต็มเต็มทีแล้วนะลุงอินคงตาต่อไปไม่ไหวแล้วเชษฐาบอกเอางี้ก็แล้วกันครับพี่ใหญ่พวกพี่ใหญ่น้อยและชัยยันพักกันตรงนี้ชั่วคราวก่อนผมกับนานอินจะปีนขึ้นไปตรวจหาที่เหมาะพอได้แล้วจะบอกให้พวกเราทั้งหมดค่อยๆทยอยกันไต่ขึ้นไปตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนแล้วตกลงพี่ชายใหญ่พยักหน้าบอกง่ายๆน้องชายพูดทระหดกับพรานคู่ใจฝากไลฟเฟนไว้ตรงนั้น คงสพายเฉพาะ m 1 6แบบสั้นติดลายและไตขึ้นสูงไปในทันทีทำกลางเงาอันขมุกขมัวของบรรยากาศพอเหงื่อเริ่มแห้งความหนาวเยือกก็เข้ามาเย็นในทันทีตามสภาพของผู้นประเทศเชิดท้าให้อลตเกียงแบตเตอรี่และไฟฉายมาเตรียมการไว้พักใหญ่ก็มีเสียงตะโกนดังมาจากเบื้องบนว่าในายใหญ่เราพบอุโมงค์ที่นายละพินมานอนพักกันอยู่บนนี้แล้วมีรอยของกะเหลี่ยงตะเคียนทอง อพยโกหนีช้างขึ้นมาอาศัยกินนอนอยู่บนนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันร้างไม่มีคนสักคนนั่นเป็นเสียงของหนานอินและขาดเสียงนั้นก็เป็นเสียงของอนุชาวะน้อยมีร่องรอยของการใช้น้าเกลือบนนี้ด้วยพบถุงน้ําเกลือที่ใช้แล้วแง่หินที่แขวนทิ้งค้างไว้ก้นบุหรี่และเศษเครื่องกระป๋องพวกนั้นยกขโยงขึ้นมาซ่อนตัวบนนี้หมดรวมทั้งพวกกะเหลี่ยงตะเคียนทองด้วยคงจะมีใครบาดเจ็บขึ้นเป็นแน่นอกเหนือจากกระเหลี่ยงคนที่ถูกกระทิงเหยียบ เมื่อนั้นทุกคนด้านล่างจึงไววตัวพรือพร้อมกันหมดดารินส่องไปยชายปราดขึ้นไปทันทีพบพี่ชายกลางยืนอยู่บนแง่หินตอนหนึ่งกำลังโบกมือเรียกอยู่หย่อยๆและหนานอินก็โผล่หน้าให้เห็นอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ห่าง ก, กันออกไปนะักตำแหน่งนั้นสูงขึ้นไปจากระดับที่มาพักเหนื่อยกันอยู่แค่ไม่เกิน20สบหลาเท่านั้นเสียงหนานอินบอกลงมาอย่างยินดีอีกว่าบนนี้ไม่มีกลิ่นช้างเน่าเลยอากาศก็ดีมากขึ้นมาเทานาย ของอะไรที่มันแบกขึ้นมาไม่ได้ก็ผูกเชือกชักล่อขึ้นมาก่อนคืนนี้ลําบากหน่อยแต่ปลอดภัยไว้ก่อนและแล้วอย่างที่ตัวเองไม่คิดมาก่อนดารินร้องถามพี่ชายขึ้นไปว่าพบละพินนอนอยู่บันมันบ้างหรือเปล่าคะพบแต่รอยนอนกับแม่มคนหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแม่คนผมทองแต่มีรอยเท่านั้นนะตัวของต้องคู่ขนาดนี้ไม่มีพี่ชายร้องตอบลงมาสดับไม่ออกว่าแกล้งประชดหรือพูดจริง ทุลักทุเลลำบากกันอยู่อีกพักใหญ่แต่จากความคล่องตัวสูงกันอยู่ก่อนแล้วของทุกคนชั่วไม่นานต่อมาคณะทั้งหมดรวมทั้งสัมภาระก็เคลื่อนขึ้นไปหยุดพักอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับเดิมอันทำให้ได้ที่พักหลบนอนในเวิร์กถ้ำซึ่งเจาะเข้าไปในหน้าผาโดยธรรมชาติมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรสะดวกสบายปลอดภัยกว่าเท่าที่หยุดพักกันแต่แรก ที่สำคัญที่สุดก็คือระดับของมันสูงและอยู่เหนือลมพ้นจากกลิ่นซากเน่าอันมีอยู่ราวกับปรชาช้างที่เห็นนั้นโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างยิ่งไฟฉายตะเกียงแบตเตอรี่จากไฟนายจ้างและได้อีกในหนึ่งคบเพลิงของพวกลูกหา่าเริ่มถูกนำออกมาใช้ในทันทีเพราะมันมืดสนิทลงแล้วชนิดมองลงมาข้างล่างก็ดามืดไปหมด เหมือนเอาผดำ ม, มาขึงกั้นไว้และด้านบนที่ขึ้นมายึดกันอยู่เป็นตำแหน่งพักก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันนอกจากเงาตะคุ่มของหมู่หินตะปุ่มตะป่ํารอบตัวจริงตามที่นานอินและอนุชาได้บอกไว้ทุกอย่างเมื่อต่างมาถึงบริเวณโพรงถ้าเหนือหน้าผาชันเหนือหน้าผาชันนั้นก็พบเข้ากับร่องรอยของการพักอาศัยของบุคคลกลุ่มใหญ่ทีเดียวมีปริมาณมากกว่าจํานวนคนของฝ่ายละพินที่ได้รับรายงานว่า ออกเดินทางกันมาทั้งหมดจำนวน20คนเสียด้วยซ้ำเพราะในระดับความสูงชันที่พากันไต่ขึ้นมาถึงนั้นไม่ได้มีเฉพาะเวิงถ้าอยู่แห่งเดียวหากแต่มีซอกเล็กพโพรงน้อยเต็มไปหมดตามไหลขอบแคบๆอันพอจะอาศัยเป็นทางเดินเชื่อมติดต่อถึงกันได้พอเป็นแนวยาวตลอดสูงๆต่ำๆน่าจะเป็นทางเดินของเลียงผาทุกซอกพโพรงในหน้าผาที่ตัดชันลงไปสัตว์ที่ ชนิดที่สัตว์ใหญ่ขนาดช้างไม่อาจไต่ทางขึ้นมาได้นั้นมีล่องรอยการอาศัยอยู่ของกลุ่มคนโดยเข้าไปยึดพักอยู่ไม่ผิดอะไรกับมนุษย์ถ้ำในยุคหินเศษของกองฟืนที่ดับแล้วยังพอเหลืออยู่กิ่งไม้แห้งที่ขนกันขึ้นมาเตรียมไว้เป็นเชื้อเพลิงสำรองวี่แววของใบไม้ปูนอนการหุงหาและกระดูกสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเหลืออยู่ให้เห็นชัด สิ่งเหล่านี้สํารวจได้จากการนําหน้าขึ้นไปก่อนแล้วของอนุชากับนานอินและภายหลังจากที่เชษฐาชัยยันดาลินและพวกนั้นพากันขึ้นมาถึงก็ถูกนําไปให้เห็นชัดกับตาพอจะเดาเหตุการณ์ได้หรือยังครับพี่ใหญ่อนุชาเอ่ยถามภายหลังจากนําคณะพี่น้องและเพื่อนให้เข้าไปตรวจดูในซอกถ้าข้างเคียงกับเบื้องใหญ่อันสัมภระทั้งหมดของฝ่ายตนถูกลําเลียงขึ้นมาไว้ก่อนแล้ว กะว่าจะอาศัยพักนอนกันตรงตำแหน่งโพรงถ้ำลักษณะที่กว้างขวางเหมือนจะเป็นถ้ำประธานของแนวโพรงถ้ำในละแวกนั้นอืมลอยเข้าอาศัยอยู่ของพวกกะเหลียงที่มายึดครองอยู่บนนี้ก่อนแล้วอย่างน้อยก็คงเป็นอาทิตย์ทีเดียวก่อนที่คณะของระพินจะมาถึงหมายความว่าอย่างไงคะพี่ใหญ่ดารินซึ่งอ่านอะไรยังไม่ปรุปโปร่งนะักถามขึ้นอย่างมึนงงขณะที่กราดไฟฉายไปยังซอกถ้ำเล็กๆตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มของตนโโรเข้าไปดูอยู่พื้นมีรอยปัดกวาดเกลี้ยงสะอาดและรอยพักอาศัยกินอยู่หลับนอนก็หมายความว่าภายหลังจากที่กองทัพช้างบุกเข้าทลายหมู่บ้านตะเคียนทองแล้วพวกที่เหลือตายส่วนใหญ่ก็คงจะอพยพกันขึ้นมาหลบหนีการตามฆ่าอยู่บนซอกโพรงบนหน้าผาสูงเหล่านี้แหละโดยอาศัยยึดอยู่ตามโพรงเหล่านี้แบบเดียวกับมนุษย์ถ้ำ เพื่อไม่ให้ช้างตามขึ้นมาราวีได้เป็นการย้ายภูมิลำเนากันมาอย่างฉุกเฉินจวนตัวหาแหล่งปลอดภัยไว้ก่อนชั่วคราวเวลากลางวันก็คงจะไต่กันลงไปหาอาหารกันข้างล่างพอตกค่ำก็ปีนหนีขึ้นมาอาศัยหลบอยู่บนบ้านธรรมชาติของพวกเขาตรงที่เราเห็นกันอยู่นี่ก่อนละพินมาถึงพวกนี้คงยังไม่กล้าย้ายถิ่นอพยพไปไหนได้ไกลนะ นอกจากมาพักพิงยึดที่มั่นที่นี่ไว้ก่อนตามสัญชาตยานหนีภัยเฉพาะหน้าเพราะคงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าหาเขาเดินทางอบพยพกันไปทั้งหมดจะสวนทางกับไอ้ช้างนรกพวกนั้นและตกเป็นเหยื่อของมันเขาอีกเมื่อไหร่น้อยอยังลำดับภาพเหตุการณ์ปฏิประตอกันไม่ค่อยถูกนักค่ะหลอนพึมพำออกมาดวงตาหลี่ยังครุ่นคิดพอหมู่บ้านพังทลายพักพวกที่หนีไม่ทันถูกฆ่าตายอย่างที่เราเห็น กองกระดูกเหล่านั้นเมื่อครู่นี้พวกตะเคียนทองก็ตะเกียกตะกายหนีกันมาหลบภัยอยู่บนพื้นนี้อยู่บนนี้พี่ใหญ่หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะหลักฐานหมันชี้ชัดอยู่ตามที่เห็นอยู่นี่พี่ชายกลางเป็นคนตอบขณะที่เดินเข้าไปใช้เท้าเขียนังเก้งที่ถลกตากแห้งไว้ปูทิ้งอยู่กับพื้นถ้าตำแหน่งนั้น กับก้อนหินเคืองๆสามเ้าที่ตั้งไว้มีรอยไฟดำและยังเหลือเศษผึฟืนกุดสั้นแสดงว่าใช้เป็นเตาหุงหานานสักเท่าไหร่ที่พวกนั้นขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ดารินถามขึ้นโดยเร็วเราราวสักห้าหกวันและนายหญิงที่พวกตะเคียนทองขึ้นมาเป็นลิงภูเขาหนีช้างอยู่บนนี้จนกระทั่งพวกของนายละพินมาถึงนานอินช่วยอธิบายด้วยความจัดเจนตามต่อร่องรอย ข้างนายละพินกับฝารังพวกนั้นก็เดินมาตามทางที่พวกเรามานี่แหละพบเข้ากับซากหมู่บ้านและศพที่ถูกช้างฆ่าเอาไว้แล้วก็คงจะรู้ว่าพวกนี้จะต้องมาอาศัยหลบอยู่บนนี้จึงตามมาวันแรกที่ตามมันนั้นพวกณนะวันแรกที่ตามมานันั้นานอินเชื่อว่าพวกของนายละพินที่มีอาวุธดีกว่ากเกรี่ยงตะเคียนทองคงจะตั้งปางพักนอนกินกันอยู่ตรงตีนผาข้างล่าง พวกกะเหลียงก็คงนอนกันอยู่บนนี้ตามเดิมทั้งสองพวกคงพบกันแล้วมีลอยพวกของนายลพินพักกันอยู่ข้างล่างก่อนอย่างน้อยก็วันกับคืนเต็มๆแล้วก็คงมีเหตุช้างเข้าบุกอีกเลยยังยิงกันวินาศสันตโลจากซากช้างนับสิบๆที่เห็นเกลื่อนอยู่โน่นแล้วพวกของนายลพินก็คงจะเห็นว่าต้านไม่ไหวแน่แล้วเลยเคลื่อนที่หนีตามกะเหลียงพวกนี้ขึ้นมาไหลบอยู่บนนี้ด้วย ตอนช้างบุก ค, คงเป็นตอนกลางคืนและตอนนี้ก็ตอนน้องหนีกันตอนกลางคืนทิ้งปางพักตะกายกันขึ้นมาบนนี้แหละนานอินน่าจะราอ่านรูปการได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดแล้วช ย, ยันกล่าวขึ้นช้าๆเหลียวกลับลงไปมองดูความมืดเบื้องล่างใต้หน้าผาลงไปขณะนี้มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและสายลมเย็นเยือกที่พัดผ่านโขดหินดังหวีดหวือครางอยู่เป็นระยะ เหมือนเสียงครวนครางของปีศาจคือกระเรียงตะเคียนทองประสบเคราะกรรมและเพ่นหนีขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ก่อนพวกเข้ามาถึงและเมื่อไฟเข้ามาถึงก็คงมาสมทบด้วยโดยปากหลักอยู่ใต้เชิงผานั้นเพื่อเตรียมหาทางหนีทีไล่ไว้พร้อมหากความจําเป็นขีดสุดมาถึงก็าอาจมีเหตุผลอะไรที่จะต้องพักเสี้ยวเวลาอยู่บริเวณนี้สักสองสาคืน และในระหว่างที่ยังวางแคมป์กันอยู่ข้างล่างนั่นเองเหตุการณ์จะต้องเป็นเวลากลางคืนตอนดึกไอ้ช้างผีทั้งขโยงก็บีบล้อมเข้ามานั่นคือการยิงปะทะอย่างสงครามใหญ่และผลที่สุดระพินกับพวกนั้นเห็นว่าจะต้านไว้ไม่ไหวก็เลยล่าถอยขึ้นมาบนนี้สมทบกับพวกกะเหรี่ยงที่เดิมอาศัยอยู่ก่อนแล้วและอาศัยที่มีชัยภูมิเตรียมถอยหนีรอคอยพร้อมไว้ก่อนแล้ว มีรอยของการคว้างระเบิดทำลายสกัดกั้นกองทัพช้างไว้ด้วยขณะที่พวกเขาถอยขึ้นมาบนนี้จากกระเดื่องระเบิดมือที่กลางเก็บได้เชื่อว่าคงมีการคว้างสกัดไว้หลายลูกทีเดียวพรุ่งนี้ถ้าลงไปตรวจบริเวณให้ละเอียดอีกครั้งมันอาจยืนยันข้อสันนิษฐานของเราได้อย่างชัดขึ้นอีกพวกนั้นมีสัมภาระข้าวของมาจำนวนน้ำหนักไม่ใช่น้อยนะช ย, ยันระวังปะทะ และจะต้องถอยล่นปีนี้กันขึ้นมาบนนี้เขาจะเคลื่อนย้ายของได้อย่างไรยอย่างทันเหตุการณ์ได้อย่างไรทันเหตุการณ์สัมภระเ่านั้นม่ถูกช้างทําลายปนปี้หมดล้ลึกสมมุติว่าพวกนั้นจะไวพอที่จะเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้ราชสกุลสาวถามอย่างเต็มไปได้วยความกังขาเราต้องหาสมมุติฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ก่อนน้อยเอาล่ะสมมุติว่าน้อยเป็นตัวละพินเองน้อยจะทําอย่างไรบ้างเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ และจําเป็นที่จะต้องพักอยู่กับพวกนี้ก่อนโดยปักหลักอยู่ข้างล่างซึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วว่าอาจเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ที่กองทัพช้างอาจยกเข้ามาโจมตีน้อยรู้จักนิสัยใจคอเหลี่ยมคูในเชิงพรานและอย่างซึ้งถึงจิตใจของคนนี้ดีอยู่แล้วลองบอกพี่มาสิวะน้อยจะทำอย่างไรผู้พูดขึ้นครืมๆคือพี่ชายกลางของหลอนดารินเมมปากนิ่งไปครู่ เหตุการณ์ในวันที่ระพินมาถึงคงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายกระมังคะ่ะคือพวกเขาพวกหนึ่งจำนวน20คนพร้อมกับเกรเียงที่บาดเจ็บและแบกหามกันมาด้วยปักหลักกันอยู่ตีเนินนั่นส่วนพวกเกรเียงตะเคียนทองก็คงจะอบพยพพวกที่เหลือตายหนีกันขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้อยู่ก่อนแล้วตามข้อสันนิษฐานในขั้นแรกของพวกเราระพินกับพวกนั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์สัมภาระที่แบกขนกันมาด้วยเต็มอัตรา คนเจนพลยเจนอันตรายอย่างระพินจะต้องไม่ประมาทถึงได้มายึดพักอยู่ตรงตำแหน่งที่พร้อมสำหรับทางหนีทีไล่ประโยคหลังหล่อนพึพรรมพำเหมือนจะลำพึงกับตนเองเอานิ้วเคาะขำับคงเม้มปากอยู่เช่นนั้นแล้วกล่าวช้าๆแผวเบาต่อมาว่าถ้าน้อยเป็นละพินในเมื่อเรารู้หรือมีแววสังหรณ์อยู่ก่อนแล้วว่าช้างนรกโครงนั้น อาจดอดมาเล่นงานเมื่อไร่ก็ได้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจะลําเลียงสัมภาระหรือคนที่อ่อนแอที่สุดให้ขึ้นมาอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำบนหน้าผานี่เสียก่อนส่วนพวกตนเองก็นอนคุมเชิงรอคอยท่าทีอยู่ข้างล่างพอมันบุกก็ซัดกันเมื่อเห็นท่าว่าจะต้านไม่ไหวเพราะพวกมันประดังประเดเข้ามาอย่างไม่ยอมแตกหนีโดยยิงสกัดไม่ทันอีกต่อไป ก็ถอยขึ้นหน้าผาถ้าสัมภาระกับคนเจ็บหรือคนอ่อนแอลำเลียงขึ้นไปก่อนแล้วก็คงจะไม่มีอะไรห่วงกังวลทำให้ล่าชานะักนี่เป็นความคิดของน้อยนะคะพรานชดดีดนิ้วเบาๆในเรื่องป่าดงพรงไพรแล้วไหวพริบ ป, ปฏิพานหรือความชำนาญของเธอน้อยน้อยกว่าคนคนนั้นมากนะักก็ยังคิดวางแผนได้ถึงเพียงนี้และเธอไม่คิดบ้างหรือวา ระพินเขาจะไม่ทําได้แนบเนียนกว่านั้นเสียอีกมันของชัดๆอยู่แล้วระพินต้องสั่งให้เอาสัมาภาระปลอภัยขึ้นมาไว้บนนี้โดยให้อยู่ในความดูแลของกระเลียงตะเคียนทองที่ยึดคลองอยู่ก่อนส่วนพวกเขาก็คงปักหลักคุมเชิงอยู่ข้างล่างพอเกิดเรื่องร้ายขึ้นจึงถอยหนีกันขึ้นมาทันใครจะโง่ประให้สัมภาระเป็นอุปกรณ์สําคัญของพวกเขาอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อการทําลายของไอ้ช้างพวกนั้น ข้อสันนิษฐานของเธอนั่นแหละคือคําตอบละ่ะว่าเรพินต้องวางแผนอย่างไรบ้างเพียงแต่เรายังไม่รู้แน่ชัดลงไปเท่านั้นว่าเขามาพักอยู่ที่นี่กี่วันด้วยเหตุผลอะไรแต่มันต้องมากกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนขึ้นไปอาจมีคนเจ็บที่เกิดจากการประทะในครั้งใหม่อาจมีความจําเป็นอย่างอื่นที่ยังเคลื่อนย้ายต่อไปไม่ได้เรื่ออาจเหตุผลอื่นๆที่เรายังเดาไม่ออกซึ่งเป็นข้อปลีกย่อยอีกสารพันชนิดถ้ามันมีใครเหลืออยู่ที่นี่สักคน เราก็ยังพอถามได้แต่ไม่มีเหลือเลยแสดงว่าในที่สุดทุกคนไม่ว่าฝ่ายละพินและกะเหลี่ยงกะตะเคียนทองเหล่านั้นได้เคลื่อนย้ายไปหมดแล้วการเคลื่อนย้ายคงเป็นไปในลักษณะอพยพเอาเกะเหลียงตะเคียนทองที่ขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ไม่ว่าจะมีสักกี่คนให้ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยเพราะจะให้พวกนี้มาอยู่กับมนุษย์ถ้ำแบบนี้ได้อย่างไรคงจะเกณฑ์ให้อพยพไปพร้อมๆกันนั่นแหละโดยมีพวกเขาทําหน้าที่คุ้มกันไป พวกนี้จึงไม่เหลืออยู่ให้เห็นสักคนเดียวส่วนข้าวของจําเป็นของกระเรียงพวกนั้นจากหมู่บ้านที่ถูกทําลายแหละก็จะต้องถูกเก็บนําติดตัวไปด้วยก่อนจะเคลื่อนย้ายถิ่นกันไปเชื่อแน่ว่าพร้อมกับคณะของละพินนั่นแหละแต่ก่อนที่และก่อนไปละพินก็คงสั่งให้เผาศพกะเรียงลูกผู้ที่ตายในตอนช้างบุกซสียให้หมดความทุเรตตรงตําแหน่งที่เราเห็นบริเวณยาปนกิจหมู่จะเดินทางมาถึงที่นี่ ทุกคนสดับฟังข้อสันนิษฐานอันเต็มไปด้วยเหตุผลและหลักการของอนุชาวราริสแล้วก็ม่มีใครสามารถแยงได้รายละเอียดปลีกย่อยเป็นสิ่งที่จะต้องค้นหากันต่อไปแต่นั่นต้องหมายถึงเมื่อตะวันขึ้นแล้วเอาละสําหรับพวกเราวันนี้ทําอะไรให้ hey, ดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและก็จําเป็นอย่างดีเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้ำเหมือนอย่างพวกเขาที่ล่วงหน้ามาก่อนเพราะเราก็มีรู้เหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ข้างล่างเราจะตายกันทั้งหมด ก่อนตะวันขึ้นพรุ่งนี้หรือไม่เท่าเท่ากับทนกลิ่นซากเน่าไม่ไหวด้วยเชษฐาเอาคำสั่งกับทุกคนทั้งหมดของจำนวน16คนแบ่งออกเป็นสมชุดตามปริมาณคนเท่าที่จะเอาอาศัยพักนอนอยู่ได้อยู่ในเหลือบซองโพรงถ้าที่ติดติดกันนั้นได้ลูกหาบชุดหนึ่งห้าคนมีหนานอินเป็นผู้ควบคุมดูแลยึดอยู่ยังโพรงด้านซ้ายอีกชุดหนึ่งหคนโดยขยินเป็นผู้รับผิดชอบ เข้าไปรวมตัวกันอยู่ทางโพรงมือด้านขวาส่วนเวิร์งถ้าตรงกลางจะเป็นที่พักของพี่น้องสามคนกับเพื่อนร่วมตายโดยเฉพาะคืออนุชาเชษฐาชัยยันและดารินโชคดีเป็นอย่างมากที่เศษฟืนเก่าๆซึ่งกระเลียงพวกนั้นทิ้งเอาไว้ยังพออาศัยให้ก่อไฟให้ความสว่างและอบอุ่นตลอดจนหุงต้มได้บ้างตามความจาเป็นทุกคนได้รับคาสั่งให้กินอาหารมื้อสุดท้าย แห่งวันเวลาเมื่อแบ่งพวกและจัดที่ทางได้เสร็จจะแยกกันไปสามพวกความเหน็ดเหนื่อยและตึงเครียดตัวเหตุการณ์ที่พบทำให้ทุกคนนั่งซึมระหว่างกินอาหารแบบเลชันพอประทังตายขยินนั้นเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปคุมดูแลลูกหาบอยู่ในโพรงด้านหนึ่งมันก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่โผล่มาให้เห็นอีกแต่นานอินยังอดเป็นห่วงเจ้านายทั้งหลายไม่ไม่ได้สักพักใหญ่พอแกกินอาหารเสร็จ กำชับสั่งดูแลความเรียบร้อยของพวกลูกหาบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ถือไฟฉายไต่ไหลผ า, าลงมาสมทบกับไฟของเชิดถาซึ่งบัดนี้ต่างครึ่งนั่งครึ่งนอนผิงไฟกองเล็กๆ ก, กันอยู่ทุกคนอยู่เจรยินดีเมื่อเห็นแกโปลเข้ามาเพราะในภาวะเช่นนี้การมองเห็นหน้านานอินได้ซักได้ถามหรือได้ปรึกษาอะไรดูจะเป็นความอบอุ่นอย่างยิ่งเพราะเมื่อไม่มีระพินไพรวันร่วมคณะอยู่ด้วยกลางไพรเถื่อนอันเขี้ยมโหด กันดานเช่นนี้นานอินย่มจะเป็นหลักประกันสำหรับทุกคนกระเดี๋ยวเจ้านายทุกคนนอนจะให้หลับสบายาเธอบนนี้ปลอดภัยแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาล่องรอยกันต่อไปทุกอย่างเป็นหน้าที่ของนานอินเองมีอะไรที่ลุงจะบอกกับเราได้มากกว่าที่เราเห็นบ้างไหมชา ย, ยันถามนานอินเป็นคนพูดตรงๆนะแกเอ่ยขึ้นพรางมองไปทางดารินโดยเฉพาะแล้วชะงักเมื่อนุชาขัดขึ้นมาทันทีว่า ลุงไปนอนได้แล้วแต่ดารินผู้สูบรีมองดูไฟที่ก้นดุนฝืนเป็นฐานแดงอยู่เปลี่ยนสายตาเศร้าซึมไปจับที่แกและสวนขึ้นทันทีเหมือนกันมีอะไรลุงอินบอกมาเลยครูพรานผู้เทายิ้มแห้งๆ อ, อัดอยู่ในลำคอชำเลืองแวบไปตามอนุชาหรือพรานชดอาการพิรุษชนิดนั่นเองลาสกุลสาวก็ลุกจากที่นั่งเข้าไปประชิดกักทันทีจับแขนไว้ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาปิดบังกันหรอกถึงพี่กลางก็เหมือนกันทําไมจะต้องปิดน้อยมีอะไรก็บอกกันตามตรงเลยอยู่กาจะมาอั้มอึ้งอําพรางไว้ฉันฟังได้นะฟังได้แม้กระทั่งได้ยินลุงพูดว่าลุงค้นพบว่าแลพินมาเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้เสียแล้วบอกมาสิเป็นอย่างนั้นเลยเชิฐท่าชา ย, ยันขยับตัวขึ้นจากท่าเครึ่องนั่งเครื่องนอนพิงเป้หลังอยู่ด้วยความเอะใจทันที นานอินยังหุบ ป, ปากอยู่เช่นนั้นเพราะเข้าใจอาการที่อนุชาทักขึ้นเสียก่อนดารินเริ่มชุนเชียวขึ้นมาทันทีรวบมือฉับไปที่คอเสื้อของครูพานพูดเท่ากระชากเข้ามาแล้พี่ชายกลางบอกขึ้นเสียก่อนว่าเอาละอย่าไปคาดคั้นอะไรลุงอินกันเลยพี่จะบอกเองก็ได้แต่น้อยต้องตั้งสติให้ดีนะอย่าเพิ่งคิดอะไรเกินเลยไปมากนักิงสาวหันขวับไปทางพี่ชายกลางอย่างรวดเร็ว บอกมาเธอข้พิกลางน้อยพร้อมเสมอที่จะฟังได้อย่างที่บอกแล้วแต่ถ้ามาทําลับลับๆอรออึ้งกันอยู่แบบนี้ระเดี๋ยวบ้าขึ้นมาน้อยฆ่าตายหมดไม่ว่าพี่กลางลุงอินพบเห็นอะไรมาทําปิดบังอยู่ทําไมมีอะไรลึืกลางเชษฐากับชายันถามขึ้นพร้อมกันมาอีกคู่หนึ่งอนุชาวลาลิศอัดควันบุหรี่ที่เหลือติดก้อนอยู่นิดหนึ่งแดงวับแล้วดีดกระเด็นเข้าไปในกองไฟข้างหน้า จะให้บอกก็ได้ผมและนานอินมีความรู้สึกหรือสังหรณ์ตรงกันว่าลพินของเราจะเป็นคนป่วยหนักอยู่ที่นี่อาจตั้งแต่ข้างล่างที่เขาวางแคมป์อยู่ตรงเชิงผาจนกระทั่งขึ้นมานอนพักอยู่ในถ้ำบนหน้าผานี่แหละและนี่คือเหตุผลที่ว่าเหตุใดพวกนั้นจึงต้องมาติดพักอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่าสองคืนขณะนั้นต้องมาเสียเวลาอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่าสองคืนแน่นอนดารินนิ่งถึงจ้องตาพี่ชายไม่กระพริบชยันก็อึ้ง แต่เชิดถาถามต่ำตำว่าเธอกับนานอินปีนขึ้นมาตรวจบริเวณนี้ก่อนพวกเราพบหลักฐานอะไรบ่งชัดงั้นหรือพี่ชายใหญ่กล่าวมาในน้ำเสียงเดิมสีหน้าเขาเครียดลงทันทีถ้าจะถามหลวงอินแกก็คงบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสังหอนหรือประสาทส่วนที่6ของแกแต่ถ้าจะถามผมก็ควรจะมีหลักฐานที่บ่งชัดมากกว่านั้น อนุชาวราฤทธิกาวขึ้นด้วยเสียงต่ำลึกของเขาพร้อมกับลุกขึ้นยืนช้าๆทุกคนตามผมมานี่จะให้ดูอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบเพียงความสงสัยของผมและก็ขอให้พิจารณาการเองก็แล้วกันจบคำพูดอดีตพรานชดก็พยักหน้ากับนานอินแล้วเดินนำออกไปจากพรโรงถ้ำนั้นทันทีเชทา้ชาชัยยันและดารินก็ตามหลังเข้ากับนานอินมาติดติดอย่างนึกเดาอะไรไม่ถูก แต่ดารินนั้นใจหวิววาบลงในทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ทราบว่าพี่ชายกลังจะนำไปพบเห็นกับอะไรแค่มีกี่ก้าวเท่านั้นสำหรับการเลาะไปทางปีกซ้ายของโพรงถ้ำใหญ่อันคณะของเจ้านายทั้งหลายใช้เป็นที่พักอาศัยนอนในคืนนั้นอนุชากับนันอินนาเชิฐาดารินชัยยันมาถึงปากซอกถ้ำขนาดย่อมๆ อ, อีกโพรงหนึ่งซึ่งขณะนี้เป็นที่อาศัยยึดนอนของขยินกับพวกลูกหาบอีกห้าคน ขณะที่มาถึงนั้นขยินกับพวกไม่มีใครนอนเลยคงจับกลุ่มคุยกันอยู่บริเวณภายในมันกว้างขวางนะเต็มไปด้วยหินที่งอกเป็นหน่อขึ้นมาและมีรูย่อมๆเจาะทะลุเข้าไปในผนังด้านในอีกลึกเข้าไปอีกแต่เล็กเกินกว่าที่มนุษย์จะมุดลอดเข้าไปได้นานอินส่งภาษาบอกความให้พวกที่จับกลุ่มอยู่ในนั้นเคลื่อนย้ายออกไปรอข้างนอกกันก่อนเพื่อเคลีย บ, บริเวณทุกคนปฏิบัติตามคําสั่งอย่างว่าง่ายและไม่มีปัญหาสักถามอะไร ตางออกจากเบื้องพโพรงนั้นจนหมดและอนุชาก็ก้าวนํานทุกคนเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งหนึ่งห่างจากพโพรงเข้าไปห่างจากปากพโพรงเข้าไปเพียงไม่กี่วาสิ่งที่เขาทำเงียบๆโดยที่ทั้งหมดยืนมองอยู่ก็คือเอื้อมมือไปหยิบกิ่งไผ่อันหนึ่งยาวประมาณ1 ห, หลาเศษอันวางเพียงอยู่กับผนังหินโดยที่ใครยังไม่ทันสังเกตเห็นมาก่อนแล้วนําออกมา ใช้ส่วนโคนค่อยๆเสียบปักลงไปกับพื้นมันเป็นช่องหินแตกของบริเวณที่ได้ระดับราบเรียบที่สุดกิ่งไผ่กิ่งนั้นสามารถจะปักเสียบลงไปยังรอยหินแตกตรงพื้นนั้นได้อย่างมั่นคงเพราะส่วนโคนของมันถูกหลาวไว้อย่างพอเหมาะที่จะสอดแทรกและเสียบปักลงไปได้ยังรอยแตกของพื้นหินนั้นทั้งหมดมองเป็นตาเดียวอาศัายแสงสว่างจากตะเกียงแบตเตอรี่ ไฟชายกองฟืนเก่าๆที่วางอยู่ปากทางข้างเข้าซึ่งบัดนี้ขยินกับพวกนั้นช่วยกันก่อเป็นกองไฟลูกสว่างอยู่วงแหวมน้อยลองพิจารณาให้ดีซิว่ากิ่งไัยที่ปักลงตำแหน่งนี้ได้ในลักษณะนี้มันควรจะเป็นอะไรดาเรนจ้องเขมงใช้ไฟฉายไปรอบๆตรงบริเวณนั้นก็ อ, อาจเป็นเสาสำหรับแขวนถุงน้าเกลือได้เหมือนกันค่ะพี่กลาง ได้หลักฐานเพียงแค่นี้เองหรือสำหรับความคิดเช่นนั้นแทนคำตอบอนุชาเอื้อมมือไปกวาดบนแง่หินที่ซ้อนสลับเป็นหลืบชั้นเหมือนหิ้งธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นแล้วหยิบถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปถูกใช้แล้วสายพลาสติกพลาสเตอร์อันมีความยาวขนาดประมาณ3นิ้วกับสาลีก้อนหนึ่งเป็นก้อนเล็กๆลักษณะเหมือนสาลีสา ห, หรับชุบแอลกอฮอล์โดยหยิบทีละสิ่ง ออกมาจากที่ค้นพบก่อนแล้วนั้นส่งให้น้องสาวดูตามลําำดับทีละชิ้นดารินคว้ามาดูโดยเร็วถุงน้ำเกลือสำเร็จรูปขนาด 500cc พลาสเตอร์ชิ้นนี้สำหรับปิดทับเข็มที่ติดอยู่กับบริเวณที่เข็มทิ่มขาเข้าเส้นเลือดสำรีชุบแอลกอฮอล์ที่ทาผิวก่อนแทงเข็มและลหันกลับมาทางกิ่งไผ่ที่พี่ชายปักค้างอยู่ให้ดูนั้นอีกครั้ง นั่นคือเสาสำหรับแขวนโอเคเด่นชัดแล้วคะ่ะว่ามีคนเจ็บมานอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้แน่นอนพี่กลางได้หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ที่ไหนยังไงคำถามประโยคลังของหล่อนเร็วปรือก็พบตอนที่ไต่ขึ้นมาสำรวจล่วงหน้าพร้อมกับลุงอินนั่นแหละกิ่งไผ่แทนเสานั่นมีรอยถูกตัดคงจะนำขึ้นมาจากลานเชิงผาด้านล่างหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งใกล้ๆบนผานี่ มันวางพิงไว้ริมผนังตรงนี้ส่วนสําลีก้อนเล็กๆถุงและสายน้ําเกลือกับเศษพลาสเตอร์ก็พบว่าวางทิ้งกองรวมกันอยู่บนหินของหลือที่จิบลงมาให้ดูนี่นแหละดารินทดลองทันทีแขวนถุงน้ําเกลือที่กลายเป็นถุงพลาสติกแห้งยับยัย้ยี่เข้ากับขนแหนงของกิ่งไผ่ที่อนุชาปักเป็นหุ่นจําลองให้ดูนั้นทอดสายพลาสติกลงกับพื้นซึ่งมันก็พอดีกับตําแหน่งที่พื้นราบใกล้ๆ ก, ก, กับกิ่งที่ปักไว้นั้น กะขนาดความยาวที่จะใช้ปักเข้ากับเส้นเลือดของใครก็ตามผู้นอนอยู่กับพื้นได้อย่างพอดีเชิดท้าชัยยันมองการทดลองของน้องสาวคนเล็กในคณะซึ่งเป็นสัญญแพทย์มือหนึ่งได้ตนเองเป็นตาเดียวดารินกัดเลมฟิปากนิดหนึ่งระหว่างที่หลอนอยังเงียบอยู่พี่ชายใหญ่ถามเบาๆว่าใช่ไม่น้อยตาหลักฐานและข้อสนิฐานของกลางรับข้าไม่มีปัญหามีคนมานอนรับน้าเกลืออยู่ตรงนี้จริงๆ หล่อนรับคําเปลี่ยนสายตาเพียงพี่ชัยกลางอีกครั้งและพี่กลางแน่ใจยังไงคะว่านี่จะต้องเป็นลพินในเมื่อเราก็รู้จากหลักฐานที่ค้นพบมาก่อนแล้วว่ามีชาวป่าคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระทิงมีการผ่าตัดให้มีให้น้ําเกลือกันก่อนหน้าแล้วตอนที่เราพบกันตรงป่าไผ่ก่อนจะมาถึงตะเคียนทองนี่น้อยคิดว่าอาจเป็นการพยาบาลรักษาเกลียงข้อร้ายคนนั้นอย่างต่อเนื่องโดยช่วยกัน แต่คนเจ็บขึ้นมาบนนี้แล้วให้น้ำเกลือต่อไปก็ได้นั่นสิอาจเป็นกะเรี่ยงคนนั้นก็ได้แล้วก็ควรจะต้องเป็นคนนั้นด้วยในเมื่อตลอดเส้นทางของการสแสวงหาหลักฐานมาทุกระยะเราสรุปกันได้แล้วว่าละพินไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยก็ ย, ยังเรียบร้อยดีทุกอย่างจนกระทั่งเดินมาถึงที่นี่ชยันเสริมมาอีกคนหนึ่งอนุชาวราฤทธิ์หรืออดีตพรานชดมีอาการเหมือนจะลังเลยอยู่ใจเดียวแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาด ใช้ ย, ยันสำรวจดูซิว่าขณะนี้แกกำลังยืนอยู่บนอะไรเพื่อนรวมตายทำสีหน้าง ง, งแล้วก้มลงดูก็พบว่าตนเองได้เหยียบอยู่บนแผ่นหนังตากแห้งแผ่นหนึ่งมีขนาดความกว้างประมาณหนึ่งหลาเศษเล็กน้อยและยาวรวมสองหลาเอาทางส่วนนอกซึ่งมีขนสีน้ำตาลขึ้นเป็นชิ้นที่วางอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณ น, นั่นเองและทุกคนก็มองตามอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ออกมาพ้นจาก การยืนเยยบนั้นทันทีคงเป็นหนังเก้งกระมังทำไมลองก้มลงหยิบแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งของหนังเก้งแผ่นนั้นขึ้นอา้าวน้อยเข้าไปดูเสียด้วยว่ามันมีอะไรอยู่อีกด้านหนึ่งของแผ่นหนังเก้งนั้นชัยยันยังงงและมัวชักช้าอยู่แต่ดารินรวดเร็วเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ยินคำพูดบอกใบ้เป็นในในของพี่ชายเช่นนั้นหล่อนก้าวสวบเดียวถึงแผ่นหนังเก้ง ตากแห้งชิ้นนั้นก้มลงคว้าพลิกับด้านหนังเกลี้ยงเกลียงขึ้นทันทีแล้วชงักตะลึงเบิกตากว้างอะไรเชิดทาร้องถามพร้อมกับทะลันปราดเข้าไปในขณะนี้ไฟฉายและแตะเกียงแทบทุกดวงที่นำเข้ามาก็ไปซองสว่างจับอยู่ที่แผ่นหนังแห้งด้านที่ดารินพลิกขึ้นมานั้นอ่านเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกบันทึกบอกไว้หมดแล้วแม้จะไม่กระจ่างชัดนักก็ตาม เข้าใจว่าคนที่เขียนข้อความเหล่านั้นไว้คงจะไม่มีเจตนาอะไรมากไปกว่าอยู่เงียบๆคนเดียวตามลําพังกับคนเจ็บที่นอนสลบสลายไม่ได้สติไม่มีอะไรจะทำก็เลยเขียนข้อความเหล่านั้นไว้เป็นการระบายความรู้สึกภายในด้วยอารมณ์ที่ช่างคิดช่างฝันและคงไม่คิดว่าจะมีใครมาพบเข้าหรอกเสียงอนุชาบอกตอมอได้สำเนียงครึมเรียบของเขาทั้งเชิฐาและชั ย, ยันซุดตัวลงตรงตำแหน่ง แผ่นหนังราบเรียบซึ่งดารินจ้องอ่านอยู่ก่อนแล้วจนศีรษะแทบจะกระทบกันและจ้องปลาลงไปทันทีอักษรเขียนด้วยปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินปรากฏชัดเจนอยู่บนแผ่นหนังเก้งด้านซึ่งไม่มีขนและแต่เดิมถูกคว่ำติดอยู่กับพื้นนั้นตัวไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะักขนาดอ่านได้อย่างถนัดชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะเกือบจะเป็นลายมือ คัดเพื่อเขียนไว้ในทํานองกอวีเสียมากกว่าเพราะเป็นประโยคที่เขียนขึ้น ล, ยลอยๆเป็นช่วงบรรทัดเรียงกันตามลําดับถ้าแม้ว่าจะอ่านกันอย่างลวกๆเห็นจะไม่มีใจความสอดคล้องกันนะแต่ถ้าอ่านได้สายตาและความพินิจให้ลึกซึ้งด้วยวิญญาณของกอวีก็จะค้นหาความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ในรูปแบบของการร้อยกลองข้อความเหล่านั้นปรากฏดังนี้เขาถามฉันว่า ดวงใจเขาอยู่ไหนฉันยื่นส่งให้บอกว่าอยู่นี่ขอคืนให้เข้าชะโงนถามว่าเอาไปได้อย่างไรฉันเก็บไว้ให้ขณะที่เธอสลบสไลดเมื่อที่วาที่ผ่านมาเขารับไปแล้วกอดประทับไว้กับอกณตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของหัวใจที่เต้นผะพาวและมาดว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นอีกแล้วเขาก็คงหลับนิรัน์พร้อมกับ แผ่นภาพของสตรีนางนั้นตลอดไปและแล้วเขาก็ดิ่งสู่ห้วงนิทราสนิทด้วยฤทธิ์แห่งยาสะกดและมายาสลดเศร้าแห่งรักติการเขาจะตื่นขึ้นอีกไหมเนาะปัจจุสมัยจะมีสำหรับเราอีกหรือไม่ณนะราตรีทะมึนมืดไปด้วยเงื้อมเงามะจุราชเกรียงบาดเจ็บหลับอยู่ กับครอบครัวตรงมุมนั้นและเป็นสุขอาการของชาวดงดีขึ้นแต่เขาหลับอยู่เดียวดายนะที่นี้และอละทมทุกข์อาการของเขาเลวลงเราภาคเขาออกมาจากความรักเราพักเขาออกมาจากความหวังแต่สวรรค์โปรดเป็นพยานเถิดเราไม่ได้เจตนาจงใจเลยเงียบจนได้ยินเสียงแห่งความเงียบเงาจนสุดสิ้นระดับแห่งความเงา ทำไมต้องเป็นชั้นที่ถูกกำหนดให้ดูแลเขาราตรีนี้ฉันไหนนี่จึงไม่เป็นอิสซาเบลข้อความเป็นห่วงๆวะวลีวะลีจบสิ้นลงเพียงแค่นั้นไม่มีการลงชื่อวันที่หรืออะไรอีกต่อไปทั้งสิ้นดารินกายสั่นเทิมหล่อนอ่านซ้ำทบทวนเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าภายในเวิง์กทั่มแคบๆที่พบหลักฐานสำคัญนั้นเงียบกริบ ระพินเข้ามาเจ็บหนักและนอนอยู่ตรงนี้จริงๆคริสติน่าเป็นคนดูแลพยาบาลเขาในที่สุดเชษฐาก็เอ่ยขึ้นมาแผ่วเบาน้องสาวหน้าซีดเผื้อดเม้มริมฝีปากแน่นเกิดเป็นเส้นตรงจะสะกดกลันเอาไว้อย่างพยายามขีดสุดเช่นไรก็ตามน้ำตาก็สุดที่จะสกัดไม่ได้บัดนี้ไหลรินเป็นทางสองร่องแก้ม ขมสะอื้นไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นดึงปากกาลูกลื่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วก้มลงเขียนด้วยตัวบรรจงเช่นเดียวกันต่อข้อความเหล่านั้นขอบใจคริสติน่าแม่เพื่อนยากแม้ไม่เคยพบพานกันมาก่อนเธอก็เสมือนเพื่อนแท้แก่นลึกจากดวงใจบอกฉันเช่นนี้เธอเป็นคนจริงจังและจริงใจปราศจากฉันเขาคงไม่มีใครนอกจากเธอ โปรดช่วยดูแลและปกป้องเขาไว้ด้วยเสมอหนึ่งเธอคือตัวฉันเองเขียนเสร็จหลอนก็ค่อยๆถอยออกมาสุดตัวนั่งบนหนอหินยกมือปิดหน้าไหลสะเทือนเป็นระยะแต่ไม่มีเสียงใดรอดออกมาเลยเชษถาชัยยันและอนุชาเข้ามาดูข้อความที่ดารินบัรจงคัดต่อนั้นต่างสะอึกอั้นตันใจกันไปหมดไม่มีใครพูดกันเลยในขณะนะั้นนอกจาก มองไปยังน้องสาวคนเล็กเป็นตาเดียวต่อมาอนุชาจึงเดินเข้าไปซุดตัวลงใกล้ๆเอื้อมมือนแผวเบาอ่อนโยนไปแกะฝา ม, มือที่ปิดหน้าน้องสาวออกดวงตาของดารินแดงก่ำชุ่มโชกไปด้วยน้ําและผวาเขากอดพี่ชายไปแน่นร้องไห้กระซิบน้อยพี่ไม่น่าจะพาน้อยให้มาเห็นกับหลักฐานเช่นนี้เลยเขากระซิบพี่กลางทําถูกแล้วค่ะดารินพูดปนร้องไห้ที่ไม่พยายามปิดบังน้อย เห็นหรือพบหลักฐานอะไรก็พาน้อยและพวกเราทุกคนให้มาเห็นด้วยใช่แล้วใช่แล้วค่ะลัพินมาเจ็บหนักและนอนให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้คริสติน่ากรูบิลคงด้รับบัญชาจากหัวหน้าคณะของหลอนให้มาทำหน้าที่คอยเฝ้าดูแลรักษาพยาบาลในคืนนั้น ส่วนคนอื่นๆก็คงจะแยกย้ายกันไปอาศัยพักอยู่ตามโพรงถ้ำใกล้ๆใกล้เคียงบริเวณนี้เพราะแต่ละช่องมันแคบไม่สามารถจะมารวมกันอยู่ได้มากๆคนนอกจากจะต้องแบ่งพวกกันออกไปเหมือนเราเหมือนกันอเมริกันสาวผมทองคนนั้นเป็นคนดีคะ่ะน้อยแน่ใจว่าหล่อนเป็นผู้หญิงที่ดีมากที่สุดคนหนึ่งและน้อยรู้ว่าหล่อนก็รักกระพินเป็นผู้หญิงที่ผิวนอกเบ้่งหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่แก่นแท้จริงใจจะต้องเป็นคนอ่อนโยนและลึกซึ้งนั่นคือความจริงใจทั้งหมดที่หล่อนระบายไว้โดยไม่ต้องการให้ใครเห็นคงจะเขียนในขณะที่เราพินและทุกคนหลับหมดแล้วตัวตื่นอยู่คนเดียวพี่กลางรอบขอบรายละเอียดและเกินที่อุตส่าห์ค้นจนพบน้องสาวพูดกระท่อนกระแท่นขาดเป็นห่วงๆเสียงชยยายันร้องเรียกอนุชาเบาๆอดีตพรานชดจึงผละจากน้องสาวเดินตรงเข้าไปชยยายันยังนั่งพิจรารณา แกะข้อความนั้นอยู่เหมือนจะอ่านลงไปให้ลึกจนมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีเดียวส่วนเชษฐานั้นใายไฟตรวจบริเวณอีกครั้งพร้อมทั้งเคลื่อนไหวไปจนรอบเวงทาแคบๆนั้นโดยละเอียดที่สุดไม่ยอมให้อะไรผ่านสายตาไปได้เลยกลางเฉพาะแผ่นหนังแผ่นนี้เดิมทีเดียวแกพบบางอยู่ตรงไหนชา ย, ยันถามเบาๆก็วางอยู่ใกล้ๆ ก, กับรอยที่ฉันปักกิ่งไม้ไผ่ให้ดูนี่แหละลักษณะควรจะเป็นแผ่นหนังปูนอนเป็นหนังเก่านานมาแล้ว คงไม่ใช่เกิดจากฝ่ายของละพินที่ถลกไว้หรอกแต่น่าจะเป็นหนังที่พวกกระเลียงอพยพขึ้นมาอาศยอยู่บนพโพรงถ้ํานี้ลอกเอาไปใช้ประโยชน์ตอนที่พบครั้งแรกมันถูกวางเอาทางด้านเกลี้ยงลงหรือเอาทางด้านที่มีขนนี่ขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องแล้วแกนึกยังไงถึงพลิกเห็นอีกด้านหนึ่งอันเป็นด้านหนังเกลี้ยงนี่เหตุการณ์มันบังเอิญฉันเดินขึ้นมากับนานอินพอดีรองเท้ามันสะดุดกับส่วนปลาย ทำให้แผ่นหนังส่วนล่างบริเวณหนึ่งพลิกตลบขึ้นมาก็เลยเห็นข้อความที่เขียนไว้เหล่านั้นฉันพลิกขึ้นมาอ่านจนตลอดแล้วหลังจากนั้นก็วางกลับไว้ในลักษณะเดิมเราลองย้อนภาพกลับไปเหตุการณ์วันที่ทั้งหมดอพยพไปายแผ่นหนังแผ่นนี้ดูว่าไร้ประโยชน์พวกนั้นจึงไม่เอาไปด้วยถูกต้องไหมคงเป็นอย่างนั้นและมันก็ถูกทิ้งไว้ในลักษณะเดิมคือคว่ำหน้าอยู่อย่างนี้ใช่คนสุดท้ายที่ใกล้ชิดกับแผ่นแผ่นหนังนี้มากที่สุดก็ควรจะเป็น คริสติน่าหลอนคงจะใช้อาศัยลองนอนนั่นแหละหลอนคว่มปิดข้อความที่ตนเองเขียนขึ้นไว้โดยเอาทางด้านมีคนขึ้นเสียก็แปลว่าไม่ประสงค์ไม่เจตนาจะให้ใครมาเห็นสิ่งที่หลอนเขียนขึ้นเช่นนี้ใช่ไหมไม่ว่าใครทั้งสิ้นในคณะของพวกหลอนหรือตัวระพินเองแกน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องชัยยันอดีตนายทหารปืนใหญ่จุดบริสูบอัดคอนหรือก่อนจะเอ่ยต่อมาว่าเอาละ ฉันคิดว่าฉันพอจะมองเห็นภาพอะไรของเหตุการณ์ภายในคืนที่เราพินเข้ามานอนอยู่บนนี้และพฤติการที่ใกล้เคียงกับเวลา น, นั้นขึ้นลางๆและบันทึกในเชิงกวีที่เขียนด้วยอารมณ์ของผู้หญิงผมทองคนนั้นให้ประโยชน์ต่อข้อสันนิษฐานมากที่สุดขณะที่พูดชา ย, ยันเอานิ้วชี้ไล่ไปตามข้อความเหล่านั้นพึมทำต่อมาว่าแต่เสียดายจริงๆเสียดายที่หล่อนไม่ได้ลงวันที่ไว้ถ้าลงวันที่ไว้เสนิดเดียวเท่านั้นเราจะได้รู้ทันทีว่า มันห่างจากการมาถึงของเรากี่วันจะช่วยให้ประโยชน์ในการตามขึ้นมายังบอกไม่ถูกทีเดียวอนุชาดีดนิ้วโดยแรงถึงว่าสิถ้าลงวันที่เส้นหน่อยเท่านั้นเราจะคำนวณได้ทันทีว่าป่านนี้คณะของเขาควรจะอยู่บริเวณไหนห่างจากเราเท่าใดถึงไม่ตรงเพลงนะก็ใกล้เคียงชัยยันชัยยันเรือไปทางดารินผู้นั่งซบหน้าอยู่กับฝ่ามือเช่นนั้น ครั้งแรกตั้งใจว่าจะเรียกให้เขามาร่วมวงด้วยแต่ก็เปลี่ยนใจเขาตรำหนักดีว่ามันกําลังอยู่ในภาวะทุกข์เศร้าวาวุ่นใจสุดประมาณจึงอยากจะปล่อยไว้ตามลําพังก่อนของร่วมหาลือกันเฉพาะ3มคนเท่านั้นเชษฐาตรวจไปรอบแล้วก็กลับเข้ามานั่งรวมตรงนั้นอีกครั้งฉันจะแปลความหมายของข้อความที่เขียนขึ้น ล, ยลอยๆเหล่านี้เพื่อสะท้อนภาพออกมาให้เราได้พิจารณากันแล้วนะเชษฐากลาง มาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยถ้าฉันแปลผิดมีข้อสงสัยเป็นอื่นก็ช่วยกันทวงและช่วยอ่านด้วยแม่ลายมือสวยจริงๆผู้หญิงคนนี้แม่เล่นคัดแบบตัวอักษรของกวีโบราณยังก็เขียนได้ปากาขนไก่กันทีเดียวเราจะไล่ไปตามวักแรกเลยนะเขาถามว่าดวงใจเขาอยู่ไหนฉันยื่นให้บอกว่าอยู่นี่ขอคืนให้ความในข้อนี้ใครว่าคืออะไรชยยันกระซิบเหลือบตาดูหน้าเชษฐาและอนุชา เข้าใจว่าอาจาเป็นรูปของน้อยนะแกต้องดูประโยคต่อไปด้วยที่เขียนว่าเค้าชะ ง, งนถามว่าเอาไปได้อย่างไรข้อความต่อไปหมายถึงคำตอบของหล่อนเองคือฉันเก็บไว้ให้ขณะที่เธอสลบสลายเมื่อที่วาที่ผ่านมาเชษหาอ ป, ปกาของตนขีดจะ้นหนักๆลงไปใต้ข้อความว่าสลบสลายกับท่วาที่ผ่านมาพิจารณาสองคำนี้ให้ดีชัยยันกลาง มันหมายถึงว่ารพินเกิดอุบัติเหตุเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาป่วยหรือบาดเจ็บอย่างหนักทีเดียวป่วยเมื่อไรเมื่อที่ว่าที่ผ่านมาก็แปลว่าตอนกลางวันก่อนจะตกค่ําที่หลอนเคียนนั่นเองถูกต้องไหมใช่ ย, ยันกับอนุชาลูบทางคิดใช่แล้วครับพี่ใหญข้อความนี้แม้จะไม่ชัดแจ้งนะแต่ก็บอกความในได้รพินดับเครื่องไปแน่ในตอนกลางวันจนกระทั่งต้องหามกันขึ้นมาปผมพยาบาลกันบนนี้ เพื่อความปลอดภยัยโดยหนีจากกองทับช้างเหล่านั้นด้วยเราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรเขาเท่านั้นแล้วจากการที่ละพินนำพวกนั้นมาถึงที่นี่มีการเผาซากศพของเกเรียงที่ถูกช้างฆ่านอกจากนั้นก็ตามมาพบพวกนี้มาหลบอาศัยอยู่บนโพรงถ้าบนหน้าพาพิสูจน์การเวลาได้ว่าคณะของละพินจะต้องพักอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่าสองคืนแน่ระหว่างที่ะพินหมดสติและรักษาพยาบาลกันอยู่นั้น คริสติน่าอาจเป็นคนลื้อค้นกระเป๋าเสื้อของเขาและพบรูปของน้อยเขาจึงเก็บยึดไว้และเมื่อไหนนั้นรู้สึกตัวขึ้นมาจึงถามหานั่นจึงเป็นข้อความเอาไปได้อย่างไรกับฉันเก็บไว้ให้ขณะที่เธอสลบสลายเมื่อที่วาที่ผ่านมามันเจือผสมกันได้พอดีสามชายช่วยกันวินิจฉัยข้อความและอ่านเหตุการณ์ด้วยเสียงซุบซิบแผวเบาแกะต่อไปชยยันอนุชาเตือนเขาลับไปแล้วกอดประทับไว้กับอก ณนะตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของหัวใจที่เต้นผ่แผวเต้นผ่แผวก็แปลว่าเต้นอ่อนเต็มทีอาการของระพินยแย่เอามากมากทีเดียวหากจะพิจารณาตามถ้อยคํานี้โดยไม่ใช่เพราะต้องการสัมผัสอักษรหรือปากกาพาไปแต่ฉันคิดว่าแม่นั่นคงจะเขียนเอามาได้ความจริงที่หล่อนพบเห็นทั้งหมดนั่นแหละและมาดว่าเขาจะไม่ตื่นขึ้นอีกแล้วอันนี้เป็นความคิดคำหนึงลําพึงของหล่อนเอง เขาก็คงหลับนิลันต์พร้อมกับแผ่นภาพของสตรีนางนั้นตลอดไปนี่ก็เป็นลำพึงส่วนตัวของหล่อนอีกที่มองเห็นว่าระพินเอารูปของน้อยแนบอกนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นและแล้วก็ดิ่งเข้าสู่ห้วงนิทราสนิทด้วยฤทธิแห่งยาสกุและมายาสลดเศร้าแห่งลัติการนี่ก็แปลว่าหล่อนได้เฝ้าดูอยู่จนพินหลับ โดยการให้น้ำเกลือซึ่งน่าจะดิบยานอนหลับเข้าไปด้วยคำแปลข้อนี้ถูกต้องไม่ว่าชายันมีอาการลังเลในคำพูดประโยคสุดท้ายของตนเองเชิฐทาหันไปร้องถามน้องสาวเบาๆว่าน้อยขอถามอะไรนิดอะไรคบพี่ใหญ่รอนตอบมาได้เสียงแผ่วเครือโดยยังซบหน้ากับฝ่ามือเช่นนั้นในการให้ไอวีหรือน้ำเกลือจะผสมยานอนหลับเข้าไปด้วยได้ไหม ได้คะ่ะจะเป็นยานอนหลับลึกหินนินหนืออะไรก็ได้ทั้งนั้นในกรณีที่จะให้เข้าเส้นเลือดโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนป่วยถ้างั้นถูกต้องน้ำเกลือถุงนั้นผสมยานอนหลับหรือยาอะงรับประสาทเข้าไปด้วยแน่นอนเพื่อให้ละพินพักผ่อนให้มากที่สุดต่อไปเขาจะตื่นขึ้นมาอีกไหมเนาะนี่เป็นลำพึงของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจิตผูกพันเป็นห่วงอย่างลึกซึง้ง ปัจจุสมัยจะมีสำหรับเราอีกหรือไม่ก็แปวลว่านอนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของคณะทุกคนจะรอดพ้นในคืนนั้นไปได้จนถึงรุ่งเช้าหรือเปล่าอ้อนี่ยังไงชัดเลยประโยคต่อไปว่าณราตรีทมืนมืดด้วยไปด้วยเงื้อมเ ง, มเงมมามจุลาแสดงว่าคืนนั้นเป็นคืนแห่งวิกฤตการณ์ขับขันขีดสุดทีเดียวแล้วต่อไปนี้เป็นการบรรยายความ ที่บอกอะไรชัดเจนพอสมควรหล่อนเขียนว่าเกรียงบาดเจ็บหลับอยู่กับครอบครัวตรงมุมนั้นและเป็นสุขอาการของชาวดงดีขึ้นเอมุมไหนวะชัยันเงยหน้าขึ้นคนแต่เชษฐาชีมือเข้าไปในซอกส่วนลึกเข้าในตรงน้นนะฉ่นเข้าไปดูแล้วมีรอยอาศัยพักนอนอยู่ได้สองคนหรือ3มคนมันก็บ่งชัดภายในซอกคูหานี้ ระพินถูกนำขึ้นมารักษาอยู่ด้วยเจ้ากระเลียงที่เคยบาดเจ็บนั้นก็ยังชั่วแล้วคงจะนอนอยู่กับลูกเมียรตรงนั้นส่วนด้านนี้หล่อนเขียนบอกไว้ว่าแต่เขาหลับอยู่เดียวดายหน้าที่นี้และอละัลทมทุกอาการของเขาเลวลงทั้งสามชายเงียบกันไปชั่วขณะหนึ่งภาพภายในคู่หาหินนี้บัดนี้ผุดขึ้นเด่นชัดแล้วจากข้อความร้อยกรองนั้นเท่าเท่ากับ ได้สะท้อนออกทั้งแกนแท้จริงใจตลอดจนอารมณ์ของผู้เขียนไว้ข้อความต่อไปนั้นทั้งสามไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกเลยนอกจากอ่านกันเงียบๆ เ, เพราะมันเป็นความในใจอันแฝงไว้ได้วยความเศร้าส้อยของผู้เขียนเองคือข้อความที่ว่าเราพลากเขาออกมาจากความรักเราผลักเขาออกมาจากความหวังแต่สวรรค์โปรดเป็นพยานเถิดเราไม่ได้เจตนาจงใจเลย เชิดถาขีดเส้นใต้ลงไปอีกตรงวลีที่ว่าไม่ได้เจตนาจงใจนิ้วของชัยยันไล่ไปตามบรรทัดเหล่านั้นตามลำดับขนาดเป็นผู้ชายอารมณ์กร้าวๆแท้ๆเขายัางสะอึกซึมและงันไปเมื่อไล่นิ้วไปยังข้อความว่าเงียบจนได้ยินเสียงแห่งความเงียบเงาจนสุดสิ้นระดับแห่งความเงาผู้หญิงคนนี้อารมณ์โรแมนติกเหลือเกินเลยครับพี่ใหญ่ อนุชาเอียงลิมฟีปากระซิบกับหูของพี่ชายผู้นิ่งเงียบอยู่สองประโยคหลังนี้เป็นคำพ้อรำพันประชดตัวเองนะที่ว่าทำไมต้องเป็นชั้นที่ถูกกำหนดให้ดูแลเขาราตรีนี้ชั้นไหนนี่จึงไม่เป็นอิสซาเบลเท่ากับเป็นการบอกชัดอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าคืนนั้นคริสติน่าแน่นอนที่สุดที่ถูกสั่งให้เฝ้ารพินแทนที่จะเป็นอิซาเบลซึ่งตามปกติก็เป็นแพทย์ประจาคณะอยู่แล้ว เชิฐาถอนใจเฮือกแล้วเคาะนิ้วลงไปยังข้อความที่ดารินเขียนต่อไว้ให้พร้อมกับรอบบุยปากไปยังน้องสาวอนุชากระซิบเบาที่สุดว่าโกรธไม่ลงและหึงต่อไปไม่ไหวแล้วครับพี่ใหญ่เพราน้อยก็ยังซึ้งได้ดีวะ่ะคริสติน่าปรารถนารพินมากซ้ํำยังรู้ด้วยว่ารพินมีความร่างอันมั่นคงอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งไม่ใช่เล่นทีเดียวน้อยไม่โกรธผู้หญิงแลลกยั่วยวนแบบวัตถุแห่งความใครา กลัวผู้หญิงดีที่มีอารมณ์ลึกซึ้งแบบคริสตินานี่แหละตัวเขาเองก็บอกออมาตะกี้แล้วว่าคริสตินารักระพินผมเองก็เชื่อเช่นนั้นแหละเพราะไม่งั้นก็คงไม่เกิดอารมณ์ที่จะเขียนความในใจอะไรต่ออะไรไว้ในรูปกวีเึีงเพียงนี้แอบเขียนในขณะที่ระพินหลับไม่มีใครเห็นเลยเขียนแล้วก็พริกแผ่นหนังซ่อนปิดไว้ทิ้งไว้ให้เจ้าตัวคิดว่าจะไม่มีใครมาพบอีกเลยตลอดไปแล้วไอ้เสือนั่นของเราจะรู้ไหมว่า แม่ผมทองเกิดแอบรักเขาให้เสิ้นแล้วชัยยันพูดเบาที่สุดไม่ให้ได้ยินไปถึงดารินผู้นั่งอย่างคนปราศจากความรู้สึกใดๆอยู่ไม่ห่างนักและไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยอาจรู้หรืออาจไม่ <ạ? S 2> รู้แต่ตลอดเวลานับตั้งแต่ออกเดินทางคบหาสมา ค, คมกันมาเชื่อว่าลพินคงไม่แสดงท่าทีอะไรทั้งสิ้นสังเกตุจากข้อความที่ผู้หญิงคนนั้นเขียนเป็นเชิงตัดโอไว พอจะสันนิษฐานได้เพราะถ้ามีอะไรกันบ้างการเขียนจะรำพันไปอีกแบบหนึ่งคริสตินาเองก็มีความรู้สึกตนเองมีบาปไม่เช่นั้นก็ไม่เขียนออกมาว่าเราพลากเขาออกมาจากความรักเราผลักเขาออกมาจากความหวังข้อความนี้แหละที่ทําให้น้อยคงซึ้งใจผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าวุ่นใจมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุเป็นลิขิตของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เฮ้อปว ด, ดกะโหลกชัยยันทอนใจเฮือก เอานิ้วเกต้นคอกลากรคู่นี้กว่าจะรักกันได้ลําบากยากแค้นแทบล้มประดาตายอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วไอ้ครั้นรักกันแล้วอะไรต่ออะไรกําลังจะราบรื่นลงเอ้ยก็มีเรื่องให้ต้องยากแค้นสมซารกันต่อไปอีกทั้งสองคนนี่ถ้าตามกันพบและได้กลับมาแต่งงานกันได้ฉันว่าเทวดาฟ้าดินคงจะโหร้องคล้องใจทีเดียวไอ้เราสามคนหรือก็เปรียบเสมือนพี่ชายของเขาทั้งสองมันก็ต้องพลอยลําบากไปด้วยแบบนี้แหละ ไม่รู้จะทำยังไงแต่พพาเฮอะไอ้หมอระพินนี่รูปก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยแต่ผู้หญิงคนไหนมาเดินป่ากับหมอเข้าเป็นอันขาดเชียวนะต่อให้สูงสักเลิศลอยสักแค่ไหนเป็นหลงหมอทุกลายไปแหละไม่รู้มีดีอะไรสสสเล่นสเสน่ห์ยาแฝดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คราวนี้ควรมาถึงข้อสรุปเสที เชษฐาเอ่ยขึ้นอย่างไม่สนใจอะไรกับคําพูดเลื่อยเปื่อยของชายยันปัญหาที่เราต้องคบคิดก็คือรรบพินและคณะพักกันอยู่ที่นี่กี่วันจะมีการเคลื่อน ย, าย้ายและตัวเขาเองบาดเจ็บอยู่กี่วันหายป่วยหรือว่าตายคําพูดของเชษฐาคราวนี้ดังเป็นปกติและประโยคนั้นมันตรงที่จนกระทั่งดารินสะดุง้งเงยหน้าขึ้นทันทีอนุชาร้องเรียกนานอินผู้ยืนอยู่ปากถ้ำเบาๆให้เข้ามา สอบถามอะไรกันเบาๆอยู่ครูก็หันมาทางพี่ชายและเพื่อนบอกว่าในความรู้สึกของหนานอินประพินจะต้องหายพอจะเดินทางต่อไปได้ครับถ้าเขาเป็นอะไรลงไปการเดินทางจะมีต่อไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดพวกนั้นจะต้องกลับทันทีเพราะรำทางบุญคํานั้นคงจะนําพวกนั้นไปไม่ได้แน่ส่วนที่ว่าคณะนั้นจะมาพักติดอยู่ที่นี่กี่วันนั้นแกบอกว่าคงไม่น้อยกว่า2วันแน่นอนมันหมายถึงว่าได้มาเสียเวลาอยู่ที่นี่โดยไม่ได้กําหนดคาดหมายไว้ก่อน ตรงป่าภัยที่เราผ่านมาแล้วขณะนี้ก็มันเสียเวลาการเดินทางครั้งหนึ่งแล้วจะมีความเห็นว่ายิ่งคณะของเราพิน์เสียเวลาไปเท่าใดไฟเราจะยิ่งกระชั้นชิดติดตามรอยมากขึ้นเท่านั้นพรุ่งนี้จะลงตรวจสอบบริเวณเบื้องล่างอีกทีแล้วจะช่วยให้รู้แน่ชัดว่าข้อปลาจากที่นี่รวมทั้งอพยพกระเรียนที่มาติดอยู่บนหน้าผานี่ไปนานสักเท่าไหร่แล้วสําหรับทางด้านเรานั้นน่าจะออกตามหลังมาเว้นระยะ เจปวันก็ตามแต่ฝ่ายเราก็ไม่มีการเสียเวลากันเลยแต่ละวันเดินเข้าสู่เป้าหมายได้ตามกําหนดเวลาทุกระยะไปนี่นักว่าวิเศษสุดพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าทางด้านเราทําเวลาได้ดีมากตรงข้ามกับฝ่ายเขาที่ต้องมีเหตุให้เสียเวลาอยู่แทบทุกระยะมันแสดงว่าทางฝ่ายเราคล่องตัวกว่าและแม้จะพบอุปสรรคก็ยังน้อยกว่าเขามากทีเดียวว่าแต่กเกรเลียงตะเคียนทองพวกนี้เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับคณะของระพินแน่นอนเลยเชิดท้าถามขึ้นตำตำ ถ้าพวกของนายละพินไม่มาถึงไอ้พวกนี้ก็คงจะเป็นลิงพวกเขาอยู่หน้าผาอยู่นี่เองและนายใหญ่โครพานผู้เท่าต่อไม่มีใครกล้าอพยพไปไหนได้ไกลหรอกเพราะจะรู้ได้ยังไงว่าระหว่างทางจะไม่ถูกโคลงช้างผีสิงขยี้แหลกลงทั้งหมดหนายลพินก็คงจะต้อนให้เขาไปรวมอยู่กับกระเลียงห้วยเสือลองไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่คงไม่อยู่ที่นี่นานเกินไปนะักเพราะโ น, น่นจะชี้มือลงไปข้างล่างซากช้างเน่าน่ น, นทําให้อยู่กันไม่ได้นานแน่นอนต้องหนีไปโดยเร็ว นานอินเชียววะไปกันก่อนซากจะส่งกลิน่นแล้วลุงพอจะเดาได้ไหมว่าพรานใหญ่มาป่วยอยู่ที่นี่เพราะอะไรประทะกับช้างตอนสงครามใหญ่นั่นใช่ไหมนานอินนิ่งคิดและสันหัวยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่จะต้องเจ็บป่วยลงเพราะสัตว์ป่าด้วยตรงนี่นานอินไม่อยากจะเชื่อเลยไม่ว่าสัตว์ธรรมดาหรือสัตว์ผีลงลงคิดว่าเป็นจากเรื่องอื่นเสีมากกว่าแต่ก็ไม่รู้นะมันจนปัญญาของนานอินเหมือนกัน ทนาพานี่มันพูดได้มันก็คงจะเล่าให้เราฟังหมดแล้วว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงมั่งชัยยันจุปากเบาๆพร้อมกับโครงหัวบนว่าแม้ลงอินนี่ก็ถ้าไม่ใช่ตะบุญคำก็เฉ็ดเฉียดเข้าไปทีเดียวแหละดันพูดออกมาได้ว่าทนาพานี่มันพูดได้ก็ลงลองถามมันดูสิไม่แน่เหมือนกันนะดึกๆเขามันอาจจะเล่าอะไรให้ลุงฟังชอตๆก็ได้นั้นอินยิ้มเห็นเหงือกโทษนายทหารก็ ไอ้หนานอินไปเปรียบอะไรกับไอ้ลามกบุญคำนั่นได้ไอ้คำน่ะมันบรลมกล่อนสัปปดีสี ป, ะ, ปะดนหาที่ไหนมีเทียมหนานอินคนซื่อถือสัจจะนอกจากนละพินแล้วมีใครแตะไอ้คำได้มิหนานอินคนเดียวป่านนี้มันไม่รู้ไปตายไร้ยดีอยู่กับเจ้านายของมันที่ไหนรวมทั้งไอ้จาร์ไอ้เกิดไอ้เสยลูกคางใสนั่นด้วย ทุกคนอึ้งกันไปอีกขณะจิตหนึ่งถูกแล้วความห่วงใยนั้นไม่ได้มีเฉพาะแต่รพินไพรวันคนเดียวเท่านั้นต่างห่วงใยไปถึงพรานคู่ใจทั้งสี่คนของเขาด้วยทั้งนั้นในฐานะที่สนิทชิดเชื้อร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนอย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วเชษฐาก็บอกขึ้นว่าเราได้หลักฐานม า, มาเกินคาดที่เดียวที่นี่โดยฝีมือของพรานชดเอาละกลับที่พักของเราเถอะ ใครจะกลับไปนอนที่ไหนก็ไปแต่น้อยจะนอนที่นี่ค่ะตรงที่ลรพินเคยมานอนเจ็บอยู่ตรงนี้ดาเรนโพร่ขึ้นมาอย่างเด็ดเดี่ยวและไม่สนใจกับใครอีกทั้งสิ้นเดินเข้ามาหยิบหนังเก้งอันมีลายมือของคริสตินา่าสลักไว้แผ่นนั้นลากมาปูลงตรงตำแหน่งใกล้เคียงกับรอยแตกของพื้นหินที่ใช้ปักเสาแขวนถุงน้าเกลือพร้อมทั้งเอง็นกายลงนอนงายช้ า, ชามือทั้งสองประสานกันไขว้ลองศีรษะไว้ชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง ตาของหลอนบัดนี้แห้งสนิทจากยาดน้ําเมื่อมองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนเพดานหินย้อยอนุชาขยับปะแต่พี่ใหญ่จับแขนไว้บอกว่าอย่าขัดใจน้อยเลยก็เป็นอันว่าพวกเราย้ายที่เสียก็แล้วกันย้ายมานอนในคูหานี้ให้พวกของขยินกับรูปหาไปนอนครูหาที่เราเลือกไว้ก่อนบอกขยินกับพวกนั้นให้ไปข น, นของของเรามาที่นี่เถอะถึงมันแคบมันก็กว้างพอที่จะนอนกันได้สบายๆห้าคน เมื่อนั้นอ น, อนุชาจึงสั่งการไปอย่างนานอินตามความประสงค์ของพี่ชายใหญ่หลังจากนั้นอีกเพียงครู่เดียวประกอบส่วนตัวของนายจ้างทั้งหมดก็ถูกพวกลูกหาและขยินขนกันเข้ามาภายในคูหานี้ถึงจะแคบไปหน่อยไม่อาจนอนเรียงกันได้หน้ากระดานก็สามารถแบ่งกลุ่มกันออกไปได้2กลุ่มคือบริเวณตำแหน่งที่พิสูจน์แน่ชัดว่าละพินเคยมานอนเจ็บพอนอนกันได้2คนและในโพรงที่เล็กเข้าไปอีกเล็กน้อย ก็มีส่วนกว้างพอที่จะนอนกันได้สามคนเบียดเบียดดารินนั้นไม่ะจะมีพูดอะไรเลยกิริยาของหล่อนก็บอกชัดแล้วว่าจะยึดตำแหน่งที่คนพบว่ารพินมานอนเจ็บอยู่ตรงนี้แหละเป็นที่นอนของหล่อนโดยไม่สนใจว่าใครจะนอนตรงไหนบ้างเพราะปัต tn ี้หล่อนก็ทอดกายลงนอนแล้วบนแผ่นหนังแห้งที่คนพบแผ่นนั้นเพียงแต่เมื่อนานอินกับขยินหิ้วเป้หลังกับไรเฟิลประจำตัวมาให้หล่อนก็รับเป้เป็นหนุนศีรษะส่วนไรเฟิลวางข้างกาย รายปากกระบอกหันไปทางปากทางเข้าสุบรีลืมตาโพรงเข้าพวังอยู่คนเดียวพี่ใหญ่กับชา ย, ยันเข้าไปนอนอยู่ตรงส่วนลึกนั่นเถอะครับผมจะนอนใกล้ๆน้อยตรงนี้เองอนุชาเป็นคนกําหนดที่ทางให้ส่วนลุงอินผมจะให้แกนอนขวางปากทางตอนนอกนั่นเชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้ปลอดภัยพอสมควรทีเดียวอาจหนาวหน่อยเวลาดึกเท่านั้นเอาไงก็เอากัน ขอให้แม่เจ้าประคุณนั่นสบายใจก็แล้วกันชัยยันบอกมาปนหัวละหึหึพร้อมกับโครงหัวเข้าไปจัดที่นอนสำหรับตัวเองกับเชตฐาขยินกับพวกนั้นภายหลังจากลำเลียงของย้ายมาให้แล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่าโครงถ้ำตรงที่เลือกไว้ก่อนแล้วกว้างใหญ่นอนสบายกว่าที่นี่มากทำไมพวกเจ้านายถึงเลือกนอนรู แ, แคบๆตรงนั้นนานอินโบกมือไล่ ไอ้ไอ้ขยินเองพาพวกเองไปนอนให้สบายในโพ ร, โรงกว้างนั่นก็แล้วกันอย่ามาเสือกถามอะไรไม่เข้าเรื่องนอนนอนเจี๊ยดหับเอแรงไว้พรุ่งนี้จะได้ทํางานหนักกันต่อไปเข้าของอะไรของพวกเองยังเหลืออะไรอยู่บ้างก็ขนข น, ขนไปเสียรูนี่มันจะได้กว้างขึ้นบ้างขยินไม่ว่าอะไรอีกเข้ามาหยิบช่วยของของพวกมันยังเหลือตกค้างอยู่บ้างสองสาชิ้นหิ้วกันออกไประหว่างที่มนุชากําลังเอาผ้พาพลาสติกบางๆพื้หนึ่งปูพื้นลงข้างที่ของน้องสาวนอน เสียงเชิดาก็ดังออกมาจากซอกถ้าที่เลือกเข้าไปเล็กน้อยโดยมีหน่อหินบังว่าทดลองวิทยุอีกครั้งสิกลางมันเริ่มจะทํางานได้บ้างแล้วยังอนุชาจึงเพิ่ง น, นึกขึ้นได้ถึงเรื่องวิทยุรับส่งที่ย่างเข้าใกล้บริเวณอันที่เป็นบริเวณนี้ก็มีอันเป็นปลายบอร์ดสนิทไม่สามารถจะใช้ติดต่อกันได้เลยเมื่อถูกพี่ชายเตือนเช่นนั้นก็ดึงขึ้นมาจากซองหนังที่เน็บเอวเปิดสวิตช์ทดลองกดคีย์ กรอคำพูดเป็นเสียงนับลงไปปราศจากผลวิทยุของทางฝ่เชเ้อ้าและชัยยันที่เปิดรอคอยอยู่ไม่ปรากฏเสียงใดๆแววออกมาเลยต่างฝ่ายต่างพลัดกันเรียกแล้วปรับตุ่มวอลลุ่มกับสเควนซ์ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าจะมีแม้แต่เสียงคลื่นอากาศอะไรๆทั้งสิน้นหมดหวังครับพี่ใหญ่ปุบเขาตะเคียนทองไปบริเวณอัพคลื่นวิทยุจริงๆนั่นแหละอย่าพยายามเลยเสียเวลาเปล่า เอาไว้ให้พ้นบริเวณนี้แล้วค่อยทดลองใหม่ผมไม่เชื่อว่าวิทยุของเราทุกเครื่องจะทานหมดเรื่องมาเสียพร้อมๆกันหรอกตกลงมันยังใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้มันน้อยประโยคหลังเขาเรียกน้องสาวมาคะ่ะเสียงต่อไปเบาๆนอนกันแล้วนะไม่มีการแอบลุกขึ้นไปไหนเป็นอันขาดเข้าใจไหมห้ามโผล่ออกจากโพรงถ้านี้ถ้าจาเป็นจริงๆให้ปลุกพี่กางเขานั่นเป็นคาสั่งําชับมาด้วยเสียงที่หนักแน่นเอาจิงเอาจัง ดารินต่อบุรีเป็นตัวที่2ก้นตัวแรกขยี้ลงกับพื้นหินข้างตัวค่ะเสียงทางด้านเชิดท้าและชายยันที่นอนคู่กันอยู่ตอนในเงียบหายไปแล้วอย่างคนคุ้นเคยกันมาก่อนกับการประจนภัยกลางป่าลึกนั่นก็คือถ้ามีโอกาสก็จะรีบหลับๆเอาแรงไว้ก่อนสารพัฒปัญหาอะไรที่มีเก็บพักไว้ก่อนเอาไว้ตื่นค่อยหันมาพิจารณาแก้ไขกันใหมข้างอนุชาก็จะเตรียมที่นอนข้างๆน้องสาว อาการส่อชัดว่าจะต้องนอนคุมตัวเอาไว้อย่างใกล้ชิดที่สุดผ้าผุยผืนเล็กบางๆขนาดพอจะข่มได้สองคนอย่างมินนินโยนลงส่วนหนึ่งไปคลุมหัวส่วนหนึ่งไปคลุมตัวให้เอนตัวลงนอนข้างๆน้องสาวผู้ใช้มือข้างหนึ่งก่ายหนะ้าผากอยู่ส่วนด้านปลายเท้าห่างออกไปราวสองวานานอินผู้จะมีที่นอนดักขวางอยู่ปากโพรงยังไม่นอน ขณะนี้แกนั่งคัดสมาดเพรตั้งลำตัวตรงแนวสงบนิ่งเหมือนจะเข้ายานและสะกดตัวเองหันหน้าออกไปยังปากทางด้านนอกอันเป็นม่านอากาศดำมืดสนิทเบื้องหน้ามีทูบอยู่ดอกหนึ่งปักไว้ฝ่ามือของพี่ชายกลางเอื้มอมมาใบหน้าของน้องสาวแล้วค่อยๆปิดลงที่เปลือกตาอันลืมอยู่นั้นพร้อมกับกระซิบบอกว่าถึงเวลานอนก็นอนเสถียน้อยอย่าไปคิดอะไรให้มากเลย ห่อนจับมือพี่ชายที่ปิดตานั้นออกและกุมไว้แน่นพี่กลางคะเสียงน้องสาวเบาที่สุดหืมบอกน้อยด้วยความรู้สึกแท้จริงของพี่กลางกรุณาอย่าปิดบังระพินรอดพ้นจากอันตรายของคืนที่เข้ามานอนเจ็บอยู่ยตรงที่น้อยนอนนี่ไหมคะน้อยมีสังหรณ์และมีประสาทส่วนพิเศษสามารถรับรู้อะไรได้ดีกว่าพี่เสอีกน้อยควรจะบอกดีกว่า อนุชาตอบมาด้วยน้ำเสียงเมตตาสงสารไม่บ่อยครั้งนักที่พี่น้องคู่นี้จะเสวนากันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยและก่อไปด้วยความรักส่วนมากมักจะทะเลาะขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำลักษณะเป็นเพื่อนใชยมากกว่าพี่เนื่องจากวัยที่ไม่ห่างกันมากนักผิดกับพี่ชายคนใหญ่อันเป็นที่เคารพยำเกรงของทุกคนน้อยพยายามรวบรวมกระแสจิตทั้งหมดแล้วค่ะแต่ยังคิดอะไรไม่ออกมองภาพอะไรไม่เห็นทั้งนั้น ไม่มีนิมิตอะไรเข้ามาในดวงจิตของน้อยขนาดนี้เลยมันเหมืองมันเหมือนมองเขาไปยังแผ่นผ้าดาสนิทที่น้อยถามพี่กลางก็เพราะน้อยเชื่อในการที่พี่กลางเคยบุกป่าฝ่าดงมีชีวิตอยู่กลางความลี้ลับของป่าใหญ่มานานเทียบเท่าพรานใหญ่คนหนึ่งซ้ายังมีลงอินเป็นคู่คิดเช่นนี้พี่กลางอาจจะรู้อะไรดีๆกว่าน้อยแต่ไม่ยอมบอกน้อยก็ได้ถ้าจะถามตามความรู้สึก ข, ของพี่ในข้อนั้น พี่ก็ขอตอบโดยไม่จําเป็นต้องปลอบใจหรือหลอกลวงน้อยเลยพี่เชื่อรบพินไม่เป็นไรเช้า ว, วันลุงขึ้นเขาก็คงหายแนะนำทางพวกนั้นต่อไปได้อีกโดย อ, อพยพเอากระเรียงตะเคียนทองไปด้วยเชื่อเช่นนั้นจริงเหรอคะเอาว่า 90% เอร์ซ์ก็แล้วกันเพราะพี่ไม่ได้เห็นกับตาเพียงแต่สันนิษฐานจากสิ่งแวดล้อมแล้ว แล้วเราพินมานอนเจ็บขนาดให้น้ำเกลืออยู่ตรงนี้เพราะอะไรน้อยไม่คิดหรอกว่าจะเกิดจากอาการไข้ปกติประจำตัวของเขาคืออาการจับสันแบบที่เขาเคยเป็นมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่แน่และจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยข้อนี้พี่ก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจะคิดว่าถูกช้างเหยียบหรือช้างแทงก็คงไม่มีโอกาสหามกันขึ้นมาให้น้ำเกลือบนนี้หรอกป่านนี้ลงหลุมไปแล้ว น้องสาวนิ่งไปอึดใจและพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่แ่เกี่ยวกับอาการเจ็บของระพินคราวนี้แต่นึกไม่ออกจริงๆพี่กลางคะจากที่นี่ถึงห้วยเสือร้องระยะทางเดินสักเท่าไหร่เอมันก็น่าดูเหมือนกันนะราววันครึ่งเห็นจะได้แต่พรุ่งนี้พี่จะหาเรือกับลุงอินอีกทีวาจะมีหนทางลัดให้ ใกล้กว่านั้นได้ไหมสําหรับใจพี่ไม่อยากจะใช้วิธีตัดลัดทางอะไรทั้งสิ้นในระยะนี้พวกเขาขนกันไปเป็นขยงคารวานใหญ่ทีเดียวเพราะจะต้องเกณฑ์กระเรียงตะเคียนทองไปด้วยจะช่วยให้เรามองเห็นร่องรอยของพวกนั้นได้ชัดทีเดียวว่าไปกันทางไหนอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าในระยะเส้นทางสายนี้ขณะนี้เราต้องพยายามเก็บหลักฐานร่อง ร, อ, งรอยเใหไ้ได้มากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ในการรู้เห็นอะไรเป็นทุนไว้ก่อนและการก้าวสกัดดักหน้าพี่เขายืนยันอีกครั้งว่าก่อนจะถึงห้วยเสือร้องเราไม่ควรจะแยกตัดเส้นทางของฝ่ายเขาเลยแม้จะพบทางรัดก็ตามควรสาวรอยไปทุกระยะหรือเธอเห็นยังไงประโยคหลังก็ถามความเห็นมาก็เป็นความคิดที่ถูกแล้วค่ะที่ถ้าเราไม่สวมรอยเขามาชนิดทับรอย เราก็จะไม่รู้เลยว่าระหว่างทางมันได้เกิดอะไรขึ้นกับคณะของเขาอย่างที่เราได้หลักฐานกันมาแล้วดารินพูดเศ้าเ้าแล้วเอื้อมือข้างหนึ่งไปจับที่กิ่งภัยซึ่งอนุชานำมาปักทดลองไว้อันรู้แน่ชัดว่ามันคือเสาสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือแน่พรางสะท้อนถอนใจอนุชาบอกให้หล่อนถอนออกเสียและโยนไปที่ริมผนังถ้าเสถิเพราะเกะกะ แต่น้องสาวสันชิสะบอกว่าหลอนต้องการให้มันปักอยู่ในสภาพนี้ในขณะที่หลอนนอนอยู่นี่แหละพี่กลางหลับเสียเธอคาไม่ต้องห่วงน้อยหรอกประเดี๋ยวน้อยก็คงหลับไปเองหลอนบอกเราะวังจะไม่สบายนะน้อยอย่าคิดอะไรฟุ้งซ่านให้มากนะถ้าเห็นท่าไม่ดีก็กินยานอนหลับเสียดีกว่าพรุ่งนี้ยังมีสำหรับเรานั่นลุงอินแกนั่งทาอะไรคะแกยังไม่นอนเลย ปล่อยแกเถอะแกคงเข้าสมาธิดูอะไรของแกไปตามมาเรื่องมีลุงอินมาด้วยคนหนึ่งพวกเราทั้งหมดสบายใจได้ถึงแกจะไม่เดินเร็วเท่าราพิน์แต่ยิงและจะยิงปืนไม่แม่เมนเท่าราพิน์แต่สายเวทคาถาอาคมของแกไม่เบาทีเดียวแหละติดต่อได้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าพี่ไม่ได้แกเป็นเพื่อนพระเนจรไปด้วยกันในคราวนั้นพี่ก็ตายไปตั้งพันครั้งแล้วก่อนจะถึงมรกตนคร เพียงแค่อนุชาบอกดารินไม่ทันสิ้นประโยคเท่านั้นต่างก็มองเห็นร่างที่สงบนิ่งปานท่อนหินของครูพรานผู้เท่าขยับไหวตัวสมบัติหน้าแรงๆอยู่ไปมาแล้วปัดผ้าขาวมาพึบพับอนุชาดีดนิ้วเบาๆแกจึงหันกลับมาเขาก็โบกมือเรียกหนานอินบนอะไรพื้นพำคลานมาหาแล้วนั่งลงใกล้ๆ เขาออกมาพบแล้วนายแต่ถามอะไรก็ไม่ค่อยจะยอมบอกแกพูดขึ้นง่ายๆหน้าตาเฉยเขาใครอนุชาถามอดยิ้มไม่ได้ก็เจ้าแม่ที่ครองคุ้นเขาหน้าพาแห่งนี้นะสิสวยกว่านางไม้ทุกตนที่นานอินเคยเห็นมาแล้วบอกว่าชื่ออลันยานีดูแลปกครองโครเหล็กไหลที่มีเส้นทางเดินอยู่ตลอดเทือเขาแถบนี้ทั้งหมด มีหน้าและวิทยุของพวกนายถึงได้ใช้ไม่ได้ที่นี่มีสายของเหล็กไหลแล้วก็แล่ศักดิ์สิทธิสารพัดดีไม่ดีลูกปืนเราจะยิงไม่ออกซะด้วยนะแต่ตอนนี้เหล็กไหลไม่ได้อยู่บนหน้าผานี่หรอกไปรวมตัวอยู่ที่โขดหินงอกริมทานน้ำข้างล่างนู่นแม่นางบอกหนานอินอย่างนี้อนุชาสนอนสบุรีฟังเฉยๆแทบจะไม่สนใจอะไรเลยแต่ดารินดึงกายขนั่งทันทีจ้องหน้าแกขมิง ลุงอินหล่อนล้องมาเบา ๆ, ๆนี่ลุงหมายถึงว่าลุงได้นั่งทําพิธีเรียกเจ้าป่าเจ้าเขางั้นหรืออันเชิญอย่าพูดว่าเรียกเลยแกว่าแล้วเขาก็มามาสิไม่มาได้ยังไงก็หนานอินตั้งจิตมั่นอันเชิญเขาด้วยความสักการะไม่ได้บีบบังคับหรือก้าวร้าวดูหมิ่นถิ่นแครนอะไรเขาหล่อนกับพริบตาโดยเร็วเต็มไปได้วยความประหลาดใจหันไปมองหน้าพี่ชายอนุชาก็บอกว่า รับฟังไว้ก็แล้วกันเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนายลุงบอกให้ละเอียดสิว่าเจ้าแม่ที่ชื่ออรนนัญญาณีนั่นมาแล้วลุงถามอะไรเธอบอกอะไรบ้างนานอินไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ครองอยู่แถบนี้เป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะไม่เคยสนใจจะพบเห็นมาก่อนก็มาคืนนี้แหละที่ลองทำพิธีอัญเชิญดูทูบหมดไปแค่ไม่ถึงครึ่งดอกเจ้าแม่ก็มาจริงเหมือนกัน บอกชื่อตัวเองด้วยว่าชื่ออรัญญานีครองอยู่ที่นี่ถามถึงคณะของพรานใหญ่ที่ล่วงหน้ามาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแม่นางไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นบอกแต่เพียงว่าที่นี่เป็นเทือเขาสำคัญมีเหล็กไหลที่แม่นางปกครองดูแลมานานแล้วนานอินพยายามจะถามถึงเรื่องไนรพินเจ้าแม่ก็บอกว่าจะบอกอะไรไม่ได้ผิดวิสัยขอให้ค้นหาเหตุกันเอาเอง เราพวกเราแต่ละคนที่มาก็ล้วนจะมีความเก่งกล้าสามารถทั้งสิ้นแต่สําหรับคืนนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ไม่ให้อะไรแ ผ, ผ่วพานเข้ามารบกวนเลยนอนได้แล้วลุงไม่ต้องอัญเชิญหรือเรียกอะไรอีกหรอกอนุชาบอกมาเรียบเรียบแล้วหลับตาลงชนิดไม่สนใจละอีกทั้งสิ้นแต่ดารินขยับตัวทันทีมือแข็งของพี่ชายคว้ามหมับคึนที่ต้นแขนดึงให้นอนลงตามเดิมแต่หล่อนคืนทัวไว้ขออนุญาตค่ะพี่กลาง นอยรับรองว่าจะไม่ออกไปไหนไกลเลยขอไปนั่ง ต, งตรงตำแหน่งที่ลุงอินนั่งตะกี้แหละและถ้าง่วงเมื่อไร่จะกลับเข้ามานอนเองทาไมไว้ใจให้ลุงอินนั่งเฝ้าน้อยไว้ก็ได้รอนบอกอย่างเต็มไปได้วยความมั่นใจเรนรับอะไรอย่างเต็มเปี่ยมอนุชา จ, จึงปล่อยมือออกสั่งคนของเขาว่าลุงอินดูนายหญิงด้วยก็แล้วกันนะฉันจะนอนละลายสกุลสาวพยักหน้าคำนานอินและเคลื่อนตัวออกจากที่นอนทันที พอถึงบริเวณที่ครูพานนั่งอยู่เมื่อครู่หล่อนก็บอกว่าลุงช่วยจุดทูปให้ฉันอีกสักดอกสิหะนายหญิงจะทําทเป็นเล่นเปน็นนานายหญิงไม่มีวิชาอะไรทางด้านนี้ประเดียวยุ่งเฮ น, น่าฉันก็ศิษย์มีครูเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ล่ําเรียนมาทางนี้ก็ตามทีบอกให้จุดทูบส่งมาให้ทีฉันจะลองนั่งดูบ้างลุงคอยดูฉันอยู่ข้างหลังนะถ้าเห็นฉันมีอาการผิดวิกลยังไงเราก็ช่วยตบหลังแรงๆแล้วเรียกฉันดังๆ ด, ด้วย แต่เชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะไม่เลวในหญิงนี่เอาก็เอานานอินจะนั่งคุมลังไว้ให้เองแกว่าแล้วคลานเข้าไปที่ย่ามคว้าทูบออกมาดอกหนึ่งดารินรับไปแต่แล้วก็ชะงักก่อนจะจุดร้องสั่งต่อมาว่าเอาอีกสักสามดอกสิรวมกับนี่อีกเป็นสี่ดอกดเดียวโดดๆไม่ได้หรอกนานอินส่งให้หลอนขีดไลเตอร์จุดคุมสติมั่น ติดหมดทั้ง4ดอกก็แยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งสามดอกถือไว้ในมือดอกหนึ่งนั้นแยกตั้งหะให้นานอินถือไว้ก่อนจากนั้นก็คุกเข่าพนมทูบสามดอกไว้จก บ, บูชาและลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยอรหัน์ทุกพระองค์รวมทั้งมหาฤุษีโกนธัญญะแห่งเทือกเขานินการอัญเชิญให้มาปกเกตคุ้มกล้าวไว้ก่อนจากนั้นก็ปักลงอย่างตำแหน่งหนึ่งหันมารับอีกดอกจากนานอินยกขึ้นจบไหว้ง่ายๆ แล้วแยกมาปักไว้อีกอย่างตำแหน่งหนึ่งแยกกันไว้คนละทางต่อจากนั้นหลอนก็ถอยมานั่งขัดสมาธิประสานมือทั้งสองซ้อนกันไว้บนตักสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆระบายออกลำตัวตั้งตรงแนวในขณะที่นานอิงถอยไปนั่งสงบมองดูหลอนอยู่ทางเบื้องหลังอย่างงงๆแปลกใจเวลาผ่านไปได้ความเงียบเสียงลมพัดผ่านโตกหินหน้าผาคลางวิว ทุกสิ่งเป็นดุจษฎีควันทูปทั้งสองตัวม้วนตัวลอยขึ้นแช่มช้าร่างของดารินวราฤทธิ์สนิทนิ่งเหลากับท่อนหินลมปราณของหลอนผ่อนเข้าออกสม่ำเสมอและค่อยๆแผวจางลงเป็นลำดับจนเหมือนจะไม่ได้หายใจเลย